จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรวัิศาสต์ทุกท่านผู้มีจิตฝ่ายธรรมวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมธรรมที่พระเจ้าสุสนทรให้ปฏิบัติคือทานศีลภาวนานะวันนี้เราก็จะเริ่มต้นกับท่านที่เข้ามาก่อนเพื่อนก็คือเด็กชายจามัจกับทติ กระดบอัมาสการพราจารย์ครับวันนี้มาส่งรงบ้านมเนี่ยใช่ไหมคชุดที่สองโมคนละคนชุดที่สองนี่อะไรบ้างปติรูปเทสาวโสจะปุปเพจจะกตะปุญญตาอัตตสัมมาปันนิทิจจะเอตัมมังคามุตตัมังการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม การได้บำเพ็ญบุญมาก่อนและการตั้งตนไว้ชอบทั้งสาประการนี้เป็นวงคนสูงสุดโอเคเข้าใจไห ม, ไมเข้าใจครอเข้าใจเลยว่าอะไลองเล่ามาฟังหน่ยเข้าใ จ, าาาใจการอยู่ในทิ่นที่เหมาะสมนี้เป็นอย่งไงก็คือการไม่อยู่ใกล้ๆผับใกล้กลบาคร์ครับหรือโรงฆ่าสัตว์ครับ อยู่ใกล้ที่วัดใกล้วัดใกล้สถานที่นี่มีคนมีศีลธรรมอยู่กันใช่ไหมใช่ครั่ะอยก็อยู่ตามที่คนที่ไม่มีศีลธรรมก็อยู่เป็นแล้วข้อสองอุอปเปกะตะบุญยตาก็าคือการได้ทําบุญนะทาบุญฟังธรรมค่ะการได้ทําบุญในอนดีต ถ้าหนูไปทําบุญในอดีตมาตอนหนูมาเกิดหนูก็จะชอบทําบุญต่ตอถ้าชอบความธรรมก็ในอดีตเคยความธรรมก็ชอบควาธรรมต่ออย่างวันนี้ตอนนี้หนูกนำลังสร้างบุญในอดีตเดี๋ยวอนาคตหนูก็จะชอบเข้ามาบำเทศญความธรรมาสนทนาธรรมมาศึกษาธรรมการทําบุญ ในดีตก็จะช่วยผลักดันให้เรามาทำบุญในปัจจุบันการได้ทำบุญก็จะถือว่าเป็นมงคลแล้วอันที่สามดีก็คือการตั้งตนคือการแบบวางแผนในการทำสุจริตนะคะในที่ชาาก็คือตั้งตัวเราอยู่ในในสุจริตทำคือการกระทำที่ไม่เกิดโทษกับ ตอนเย็แล้วพูดไปเรียนหนังสือสยอย่างนี้ไปโรงเรียนไปเรียนยหนังสือไม่ีโรงเรียนไม่ไปที่ยวตามสมุนการ์คไม่ไปเที่ยว ไ, ไ ป, ไ ป, วไปเล่นกันในการทำตนใ ห, ให้ชอบให้ถูกตอ้องให้ดีงามเนได้ไหม แลนะ้วเขาย้อกับไปสามข้อแรกจำได้ไ่มเยอะเยลยต้องทวนของสามชุดแรกสามข้อชุดแรกเสวนามีอะไรบ้างอ่ะเสวนาจะพาเรานั่งปัญจิตานั่งจะเสวนาบูชาจะบูชนียนั่งเอตัมมังคะระวัตัมมังการไม่คบคนพานทั้งหลายการครบบัณฑิตทั้งหลายและการบูชาผู้ที่ควรบูชา ทั้งสามประการนี้แหละเป็นมงคลสูงสุดรู้จักอกคนพายไหมรู้จัก ค, ร, กครับเกิ ค, คนไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษนะดีชั่ว ค, คนฉลาดมันเด็ดคือคนที่รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษมันเด็ที่สูงสุดที่ฉลาดที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพรบพานสาวกของพวกเราพระยศสองสาวก คนเข้าหาบัณฑิตทาพุทธศาสนาเข้าหาพระสุปฏิปันโนทั้งหลายภาะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเข้าหาพระพุทธเจ้าด้วยการทำธรรมหรือศึกษาธรรมะของคําสังส่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้บูชาคนที่สมควรแก่การบูชาคือใครบ้างค่ะแม่พระสงนะคะ แ้วก็ผู้มีพระคุณเนอะอ่าใช่ก็มีพระคนอยู่เราเราก็อยา่าเป็นบุญคลเขาเนะอย่าเป็นคนหลายขัตนอยู่มีอย่าเป็นคนอ่ทอาทารพีนะี่เอออย่าไปทำร้ายผู้ที่เขาีป็นบุญคุณกับเราเป็นนั้นค่ะเข้าใจไ้มเข้าใจครัเข้าใจค่ะเราองให้ความเคารพแล้วถ้ามีโอกาสที่ได้ตอบแทนบุญคลยกัคนที่เขาทำกันอ<จ>่า พิวดีไหมเอาหน้าอีกสามข้อเอาอี ก, อกชุดห น, นึ่งยังไหมชุดที่สามได้หข้อแล้วนะมงคลสามสิบแปดในอีกสามจุดสองไหวไหมไหวครับเราต้องจำให้หมดนะไม่เช่เราได้ข้อใหม่แล้วข้อเก่าก็าลืมไม่ได้นะต้องต้องกลับไปทบทวนตลอดเวลานนะค่ะครับ แล้วข้อสําคัญยนะครับต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องรู้จักนรู้จักใช้รู้จักทาการตั้งตนในที่ชอบถ้าเราเป็นนักเรียนก็ต้องขยันเรียนขยันไปโรงเรียนเขยันทำกันบ้านคือการตั้งตนในที่ชอบเลยทำตัวเราให้เป็นคนดีทํำในที่แม่เกิดความเสียหายผิดพลาด ท้าไม่ทั้งใจเรียนไม่ทั้งใจทําการบ้านไม่ไปโรงเรียน mm hmm. เวลาสอบก็สอบตกใช่ไหมเมื่อสอบได้คะแนนไม่ดีหนูตอนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่เกรดเท่าไหร่ที่ผ่านมาเออเกรดเฉลี่ยใช่ไหมครับ อ, อ่า GPA สามจดเก้าหนึง่งอ๋อแล้วแล้วเี่ยสามจุดเก้าแปดครับ เก็งทั้งคู่นะดีมากรักษาระดับนี้ไว้นะได้วาตั้งก่อนในที่ชอบโอเคก้ อ, อยอารย์แล้วไหมขอยาถามอะไรบ้างเออก็คือพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของจามัทครับอยากให้พระอาจารย์เมตตาอวยพรให้จามันดิ้นหน่อยค่ะการที่จะอวยพรให้หนูเป็นอย่างดีมีความสุขนี้อวยพรไม่ได้หรอกหนูต้องทําเอง ด้วยการทําตามลงกระส่วนนี่ที่ทาให้หนมีความสุขมีความเจริญที่พระเมื่อพรในพระก็บอกเหมือนว่าต้องปฏิบัติทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเอแล้วความสุขความเจริญก็จะตามมาเข้าใจไหพระไม่ได้ให้พรพระให้ธรรมะให้คําสอนบอกวิธีการไปสู่ความสุขความเจริญ เกิด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามมงคลสูต38ข้อนี้น ะ, ะขยายไหมขยายครับแล้วหนูไม่ต้องไปขอใครมันมาเองอถ้าหนูไม่ทำตามมงคล38ขอจนตายก็มันก็ไม่มานั่นอย่าไปขออะไรจากใครนะพระเจ้าจบอกให้ทำเองอัตตายิ่งหน้น น, นหน้าถล่ม อยากสุขอยากจเจริญก็ต้องทําความดีต้องปฏิบัติตามมงคลมาสูอ <Okay. S 1> ่ก็เป็นธรรมเนียมที่เราไปข อ, อกันก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นธรรมเนียมชี้เฉยนั่นเองถ้า <Okay. S 1> ขอได้ก็จะขอให้หนูเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกเลยไม่ดีเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับขอให้หนูได้สี่เกิดสี่เลยขอไม่ได้เนี่ยขอแล้วหนูไม่เรียนหนูจะได้ไหย ไม่ได้นะโอเคนะเนคิดว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีเฉยเรื่องการขอพอรรับพรเป็นการให้ความปรารถนาดีเท่านั้นเองแต่ไม่ได้การให้อะไรจริงๆหรอกให้ไม่ได้ความสุขความเจริญของแต่ละคนนี่ต้องสร้างมันขึ้นมาเองทามันขึ้นมาเองแต่เราก็ให้ความปรารถนาดีกับเขาได้ขอให้คุณสุขให้คณความสุขควาคเจริญขอให้คุน เ, เก่งๆนะ การแรกเขาไม่เรียนเขาก็าไม่เก่งใช่ไหมแล้วก็ไม่ขยันเรียนเ้าก็ไม่เก่งใช่ไหมค่ะที่เราต้องรู้นะว่าการให้พรนี่เป็นการเพย์แต่ให้กําลังใจให้ความเป็นมิตรวาเรามป็นเราเป็นมิตรเขาเราเป็นเพื่อนกับเราอยากให้เขามีความสุขเราก็่วยพรให้กับเขาไปแต่ความจริงแล้วพรต้องเกิดที่ตัวเขาเองครับโอเคนะ อายุเท่าไหร่นพรุนี้็สามครับดาเลยแล้วจตี้กันเมื่อไหรีกันตกร่ดครับ่านไปแลสนะีดกันะกัาเลยสเลยใช่ครับอ๋อเกิดวันชาติสารัตนเลนะครับดูว่าบมันชาติสารัตนใช่ดูครับดูนะโอเคอายุเท่าไหร่ สิบหัวครับสิบหัวพี่สามสิบสามโอเคแล้วรักกันหรือเ่าพี่น้องม่ทะละกันแยกกันเพื่อกงกันวเก่งทำันแย่งทาความดีได้แต่อย่าไปแยกเข้าแย่งของกันเข้าของนี่ต้องแบ่งกันนะคราัเว่าเราเป็นพี่เราต้องให้น้องเอาก่อน พี่เอาที่ลังพี่ต้องเห็นดูน้องแล้วน้องน่ะเคารพพี่เข้าใจไหมน้องมีหน้าที่เคารพพี่พี่มีหน้าที่เห็นดูน้องไม่ทาน้องอย่าไปแย่งน้องอย่าไปเบียดเบียนน้องต้องให้น้องได้ก่อนพี่เอาทีหลังจะเป็นพี่จริงแล้วน้องก็ต้องให้เคารพเคารพกับพี่ไม่ว่าพี่ไม่ด่าพี่นะ เข้าใจไหมเข้อใจครับโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วเอาไปปฏิบัติให้ง่าล้วนั้งคู่จะรักกันไปจนมันตายเลยครับอย่าแย่งกันนะแบ่งับนองเอาก่อนนองก็ยาวหมดแล้วนองก็ต้องคิดถึงพี่ด้วยนะเอาที่จำเป็นก็พอนะโอเค แต่เนื่องเอาหมดพี่เขาเขาไม่ให้แล้วต่อไปเขาคงต้องแย่งขอน้องน้องก็ <Okay. S 1> กต้องอยากไปเอาหมดแน้องิดกถึงว่าพี่เขาก็ต้องเขาก็ต้องมีเหมือนเรา <Okay. S 1> ใช่ไหมครับโอเคนะไม่มีแล้วนะคือกรับขอบคุณอาจารย์ครับอจากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเลย <c oughs> ตธรรัะคนละขั้นเลย คุณหมอวิเชษเชิญกล่าวนมาส ก, การพระอาจารย์ครับวันนี้มากับเปลี่ยนพระอาจารย์เห็นความคืบหน้าของการบําบเพ็ญจิตอภวนาครับที่ผ่านมาสองสัปดาห์ยองก็ได้ฝึกนั่งสมาธิตอนเช้ามืดทุกวันแล้วก็จิตก็รวมเข้าสู่สมาธิได้ทุกวันครับพระอาจารย์บางวันก็เข้าได้ง่ายเข้าได้ลึกแล้วก็อยู่ในสมาธิได้นานบางวันก็เข้ายากแล้วก็อยู่ได้ไม่อยู่ในสมาธิได้ไม่นาน หน่วันที่เข้าได้ลึกเข้าได้ง่ายแล้วก็อยู่ในสมาธิได้นานเนี่ยก็สัมผัสถึงความสงบความว่างเหมือนลอยอยู่ในอากาศครับแล้วเมื่ออยู่ในสมาธิไปสักระยะหนึ่งก็สัมผัสกับความรู้สึกว่าเหมือนกายเราหายไปแล้วก็ลมหายใจก็ค่อยๆหายไปครับแต่ก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้มีความกลัวหรือเจ็บปวดแต่งอะไรใจก็มีความอิ่มเอิบและมีความสุข และเวทนาความรู้สึกปวดเจ็บปวดที่ขาก็ไม่มารบกวนก็คือศักแต่ว่ารู้ครับหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วก็มาฝึกเดินจงกรมเดินจงกรมก็เป็นไปด้วยความมีสติในทุกย่างก้าวแล้วก็แบบตัว ล, ลอยๆแล้วก็มีความสุขในการเดินจงกรมครับอาจารย์แลหลังจากนั้นก็เจริญทางด้านปัญญาด้วยการฟั ง, ฟงธรรมเทศนาของพระอาจารย์ แล้วก็อ่านก็ธรรมะในเฟซบุ๊กของพระ อ, อาจารย์ครับทําให้ได้รับรู้ลดแห่งธรรมแล้วมีความสุขแล้วความอิ่มเอิบใจครับจึงมากาปรียนพระ อ, อาจารย์แล้วก็ขอความเมตตาพระ อ, อาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับก็ทำแล้วก็ไดีทุกอย่างหน่อยขอให้ทํำได้มากขึ้นถ้าทำได้มากขึ้นนิดทำมันได้ทั้งวันแต่ได้ทีเราชีวิตตั้งแต่เป็นจนหลับนี้มันอยู่กับธรรมะทั้งวันเลย มาอยู่กับสติก็อยู่กับสมาธิไมีอยู่กับสมาธิก็อยู่กับปัญญาทำสารอย่างเนี่ยการทำไปธราาราจะพิจารณาร่างกายเราเป็นแบบก็ได้ร่างกายเราไม่ใช่ตัวเราอนัตตาร่างกายเราไม่เทีย่ยงเกิดแก่เจ็บตาย เ, ออเราเข้าเข้าสูวา่วัยปาชีวิตแล้วเราต้องเตรียมต้อนรับความความเจ็บไายได้ป่วยเตรียมต้อนรับความตาย หีไหม่พ้นเขาต้องมาแน่ๆเห็นแล้วเราเตรียมต้อนรับเตรียมที่ให้เขามาให้เขามาอยู่กับเราให้ได้เราต้องอยู่กับเขาให้ได้เพราะเราเราอยู่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงผู้ ด, ดูแลร่างกายร่างกายเป็นไรเราก็ดูแลไปตามอัตภาพมียาก็ากินไปหมอให้สั่งให้ทําอะไรก็ทําไป แต่เราไปฝืนธรรมชาติของร่างกายไม่ได้ให้รู้ว่าเราเป็นผู้นี้ผู้คิดผู้ดูแลร่างกายไม่ได้เป็นตัวร่างกายเองในที่สุดร่างกายก็จะต้องหยุดทํางานแล้วเราเป็ร่างกายก็แยกกันไปหมดเละถามอันนี้คือเป็นข้อสอบที่เราจะต้องทําต่อไปตอนนี้ฝึกทําการบ้านไมยมดูสิว่าจิตเรามีทุกข์หรื ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ่ทุกกับความตายหรือไม่น้อมนำาปปฏิบัติครับพระอาจารย์โอเคสาธุอนุโมทนาทคนตุ้ยนั่นต่ออยากกอธรรมรงนั้นัอออนลูกเข้ามาร่วมรับฟังแ ล, ล้วกราบพระอาจารย์ค่ะจะน้อมนำคำสั่งสอนของพระอาจารย์ที่ได้เทศนานำไปใช้ในชีวิตและฝึกสติให้ได้มากๆค่ะพระอาจารย์ สตินี่สำคัญค่ะขั้นต้นต้องมีสติเยอะๆจิตจะได้สงบได้อุเบกขาแล้วค่อยไปใช้ปัญญาต่อค่ะพระอาจารย์ลูกกลับขอบพระคุณค่ะโอเคคุณสาธกาจนากไชน่าทงา น, นกลับจากเขาลงไปเย็นไหมยังเย็นอยู่อ่ะดีค่ะพระอาจารย์ก็น่าจะอุเบกขาดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่เขาอะค่ะ เออมันมีเครื่องเลื่อยไฟเครื่องเลื่อยไฟฟ้าป่ะคะอาจารย์ เ, เขาต้นไม้อ่ะเอเคเขาต้องตัดต้นมาทำอะไรก็ได้ได้แต่ลูกก็นั่งได้อ่ะค่ะอเออสงบไม่รู้สึกลาคาญแล้วก็อยู่กับความว่างได้อ่ะค่ะคือเราเป็นเสียงธรรมชาติไปอนาตตาค่ะไม่ไม่หมุดหงิดแม่อะไรอ่ะค่ะอาจารย์มันไม่ไม่มีรู้สึกอะไรเลยแล้วก็อยู่กับความว่างอย่างนั้นนะคะอาจารย์ ค่ะได้ตลอดเลยอในความสุขอยู่คนเดียวเลยครับส ah ุขดีค่ะชอบเดี๋ยวต่อไปต้องอยู่คนเดียวก็ไม่เหนือยนอนนะไม่งอนะได้อ่ะแล้วก็แฟนอ่ะเขาก็อยู่ได้เขาก็บอกเขาก็เริ่มชินลูกก็บอกว่าเผื่อเดี๋ยวตายจากกันก็ตังคนก็ตังค์อยู่ลูกเขาก็ถามลูกก็บอกว่าเนี่ยลูกก็ฝึกไว้เพราะว่า มาฝึกสมาธิเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเราไข้ปายก่อนก็จะจะได้นั้นคนอยู่ต่อก็จะอยู่ได้ <S 2> <S 2> ใช่ไม่เดือดรอนได้ค่ะเขาก็เออเออเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เริ่มได้แล้วเขาก็แต่เขาว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาก็คือเขาได้ทานแล้วก็ได้เริ่มสิ่แต่ก็บอกเขายังนั่งสมาธิไม่ได้แต่เขาก็เริ่มเริ่มฟังธรรมนะคะเพราะว่าตอนขับกลับมาค่ะ เขาก็นั่งฟังธรรมของพระจารย์น่ะตลอดเลยแล้วเขาก็นั่งสนใจยิ่งกว่าลูกอีกเอ อ, อนะเดี๋ยวว่าทําได้ฝึกสติไปเดี๋ยวพอได้สติแล้วมันมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอลูกก็เลยค่อยๆตะล่อมตะล่อมกันแต่อย่าไปบีบเขามากนะไม่ไม่ไม่บีบไม่บีบวันนั้นก็ที่ไปฟังธรรมอะค่ะออตอนแรกเขาก็ตอนแรกก็ยังกลัวๆเขาว่าเขาจะ เขาบอกเขาเขาว่าปวดขาแต่สรุปเขาก็ไปนั่งนั่งอยู่ได้ตลอดเลยนะพระอาจารย์เขาก็บอกแต่เขาก็ปวดขาบอกไม่เป็นไรค่อยๆฝึกเพราะว่าคนที่เขาว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆไม่กระดุกกระดิกเลยบอกอันนั้นก็ฝึกเยอะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเป็นใช่ไม่ใหม่หัดขับอะไรต้องลองคุยกันไปก่อนนะใช่เพราะว่าเขาเห็นพวก คนที่มานั่งฟังนั่งแบบไม่กระดุกกรติเลยเขาบอกแล้วเขาว่าสลับไปสลับมาลูกเขาบอกว่าอันนั้นเขฝึกมาเยอะเขานั่งมานาน<ม>เขาก็เลยไม่ขยับค่อยๆอ่ะค่ะพระอาจาร์มาทำครับอาจารย์รยดีมากดีมากทำต่อไปนะมีอะไรไหมอันนี้อืมไม่มีอ่ะค่ะลูกก็ฝึกไปเรื่อยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าด้วยด้วยของลูกอะ่ะที่ลูกมาเนี่ยลูกอยากไปฝึกสมาธิ เพราะว่าลูกเป็นสองคนแล้วก็ที่พระอาจารย์สอนสอนมาคือลูกแบบทำหมดไออย่างใหข อ, อกหรืออะไรเนี่ยลูกลูกทำเยอะมากคื อ, อเนี่ยลราออกหมดเลยค่ะทั้งสองแล้วก็แผ่นไว้หมดแล้วอะค่ะพระอาจารย์ชีวิตเราใกล้ความเจ็บใกล้ความตายเข้ามาอยู่ได้เรื่องนะต้องเตรียมตัวทำข้อสอบให้ได้นะ ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีกันอยู่แค่สองคนมันไม่มีภาระอะไรก็เลยแบบก็คงต้องไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ฝึกอยู่คนค่ปะปฏิบัติตามอาจารย์ัยยนโ ต, ต้องคึ่งตัเองให้ได้เ้าที่มีดอกัม้จงต้องดูแลเธอเราเองให้ได้ค่ะแล้วก็นั่งก็คือเข้าง่ายค่ะอาจารย์เพราะว่าไม่ได้ไปคุกคีกับใครเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะส่วนมากจะอยู่แค่ แค่เฉพาะแค่ตรงเนี้ยแค่ตรงขายยาพอเสร็จแฟนมารู้ว่าเข้าแล้วมันก็เลยไม่ตั้งแท็กใครแล้วลูกก็ไม่ตั้งแต่ที่พระอาจารย์คือมาฟังพระอาจารย์เนี้ยไปวงไปวัดเนรู้ไม่ได้ไม่ได้ไปอ่ะค่ะลูกก็แค่ใส่บ้านแล้วก็ม า, จาเจริญสติแล้วก็ฟังธรรมแค่นี้คาะพระอาจารย<ช>์ก็จะอย่าเงี้ยถ้าไปวัดต้องไปฟังธรรมรือไปปฏิบัติถ้าไม่มีที่พระธรรมไม่มีที่ปฏิบัติก็อย่าไปดีกว่า แถวแถวนี้ไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไปมันก็จะคนชวนคุยด้วยลูกก็เลยไม <ừ> um. ่ชออยู่บ้านเราเนี่นยทําบ้านน้องเป็นวัดจะดีกว่าลูกก็เลยประมาณเนี้ยค่ะพ่อจ๋ า, จา <ừ> um. ค่ะปฏิบัติต่อเนื่องค่ะมีมากทาตามเนยจะงดหมดลมหายใจเลยลมหายใจทุดท้ายเลย <c oughs> ดูแม่ <c oughs> ไว้เป็นตัวอย่างแล้วค่ะก <ừ> um. ็เลยปฏิบัติเพราะเห็นเพราะเห็นแม่แล้วอะค่ะก็เลย ตามนี้อค่ะพระอาจารย์ให้เราไม่ต้องทุกข์กับอะไรเวลาเกิดเหตุการณ์ใจย์เราเฉยได้น ะ, อะโอเคสาธุคุณนภัทรนภัทรจักรบุบลราชธ า, านีกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกขอโอกาสถามคําถามเจ้าค่ะเ อ, อปกติ อ, อถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยค่ะทุกวันเนี่ยลูกจะฝ่าหลังจากฟังเทศพระอาจารย์เสร็จนะเจ้าค่ะ ก็จะเดินจงกรมประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ได้เริ่มตามที่พระอาจารย์สั่งไว้ว่าให้หัดนั่งด้วยลูกก็หลังจากเดินจงกรมสองชั่วโมงเสร็จเข้าห้องน้าเสร็จลูกก็มานั่งสมาธิต่อสิ่งสิ่งที่ลูกเคยฟังพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าการที่เรานั่งสมาธิแล้วเจอเวทนาสามารถเอาพุทโธต่อสู้ได้สองแบบคือแบบแรกคือพุทโธพุทโธไปแล้วเราก็เข้าสมาธิแล้วก็เลี่ยงเหมือนกับเบี่ยงเบี่ยงเบนจาก จากเวทนาไปเข้าสมาธิแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลูกติดใจก็คือพระอาจารย์บอกว่าสามารถเอาพุทโธเนี่ยมากำหนดสติให้เราอยู่กับเวทนาได้เจ้าค่ะซึ่งลูกลูกเป็นแบบหลังมะเจ้าค่ะพระอาจารยล์ลูกนั่งแล้วพอเจอเวทนาลูกอยู่กับเวทนาได้โดยไม่ผักสายเวทนาแล้วก็แอ บ, บมีความสุขเล็กๆด้วยเจ้าค่ะแล้วก็มีกำลังใจประมาณว่าอยากจะนั่ง ลองดูว่าเราจะดั่งเพิ่มได้ไปอีกแล้วเราจะยังอยู่กับเวทนาได้ไหมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าลูกลูกทําทําในแนวทางนี้พอได้ไหมเจ้าค่ะคือมันก็ได้ทั้งสองแนวทางแล้วแต่ว่าจิตมันจะไปในทางไหนถ้ามันเข้าไม่ได้มันก็อยู่เฉยๆกับความเจ็บได้ถา้าบางทีมันเข้าไปได้มันก็มันก็ไม่รับรูอความเจ็บในชั่วค้ามไม่ได้ค่ะเรือ่อ หรือมันไม่เข้าแต่มันก็เหมือนกับเข้าคือมันเีมันได้โมเบกคขาแล้วก็เฉยกับความจิตไม่ต้องโมลิกรรมไม่ต้องบริกรรมก็ได้ค่ะมันมันมีเป็นช่วงๆเจ้าขาพระอาจารย์ไม่ต้องบริกรรมก็อยู่ได้แล้วก็แอบมีความสุขเล็กๆด้วยเจ้าขาพระอาจารย์ที่คู่เวทนาค่ะแล้วตอนนั้นมันสงบมันเป็นโมเบกขามันก็เลยไม่เหลือดร้อนกับเวทนา ค่ะแต่แต่บางช่วงพอสติเราหลุดไปนิดนึงลุกก็บริกรรมก็ก็ยังอยู่ได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ปรับไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไดถ้ถ้ามันนั่งฟุ้งก็ต้องใช้บริกรรมบริกรรมนะนะให้มันถ้ามันนั่งเนียนน้อยกับความเจ็บนั่งไม่สงกเราก็ต้องใช้คําบริกรรมให้มันสงกเจ้าค่ะก็ก็คือให้เพิ่มเวลาในการนั่งไปเรื่อ ย, อย <S <S ใช่ไหม วิทยาน า, นานยิ่งนานเท่าไหร่เราผ่านวทยนานได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีแเราจะได้ชินกับเวทนาไม่กลัวมันน้อยเ ม, มื่อกว่าค่ ะ, คะเพราะว่าลูกนึกถึงที่พระอาจารย์ย้ําเสมอว่าเราต้องเจอความเจ็บเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้ว<ม>คิดว่าถ้าถ้าไปนอนเจ็บอยู่โรงพยาบาลเราทําอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได<ม>้เนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะร่า<ค><ะ>กายเจ็บแต่ใจเราจะไปทุกข์กับความเจ็บของร่างกายเรื่องนี้ <ช>ก็ค่ะพาจานแล้วก็ค่ะก็อันนี้ก็ไปต่อได้ใช่ไหมจังค่ะพาจานใช่ก็ฝึกไปเรื่อยๆให้มันชำนาญค่ะให้มันไม่มีความหวาดกลัวกับความเจ็บปวดของร่างกายต่อไปได้ค่ะ ค่ะแล้วก็ข้อที่สองเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ลูกเคยมีประสบการณ์เจองูในบ้านนะเจ้าค่ะพระอาจาร์ลูกจะกลับเรียนถามพระอาจารย์พอดีลูกได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งเขาอยู่วัดป่าแล้วเขากวาดลานอยู่เขาเจองูจงอางชูคอขึ้นมาอยู่ห่างประมาณเอื้อมมืออย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจาร์ mm hmm. แล้วมันก็ชูคอขึ้นมาประมาณสูงประมาณ50เซนติเมตรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ mm hmm. เขาบอกว่ามีคนบอกพอเขาเจออย่างนี้เขาก็จ้องงูสักพักแล้วเขาก็ มีคนบอกเขาว่าให้หาอะไรให้มันฉกเขาก็เลยเอาไม้กวาดทิ้งทิ้งทิ้งให้มันฉกแล้วเขาก็วิ่งหนีแต่จริงๆมันต้องทํำยังไงเจ้าคะพระอาจารย์ถ้าเจอแบบนั้นก็เฉยเเฉยเอถ้าเราเน้เฉยเไม่ใคร่อะไรเดี๋ยมันก็มันก็ น, กนวเราไม่เป็นภัยกับมันมันก็จะไปอ๋อเจ้าค่ะแต่ถ้าเราไม่มีสติพอความกลัวมันนแรงมันจะหาทางแก้อืม แต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราต้องการใช้ใช้เราทำแล้วไม่ต้องใช้อะไรก็ใช้สติกับปัญญาปติก็เราทำใจให้นิ่งเฉยอยู่นิ่งเฉยแล้วปัญญาคือถ้ามันจะตายก็ก็ต้องยอมรับความตายไปเก็จะผ่านเราจะผ่านความคุกตาไปได้ด้วยค่ะเพราะเพราะว่าหลังจากวันนั้นนะเจ้าข่าวพระอาจารย์ลูกมาเจริญมรณะลุสติได้ เป็นช่วงๆในช่วงที่เดินจงโกมาจจะา่าพระจานทร์แล้วพอนึกถึงเรื่องนี้ว่าถ้าเจอจริงๆมันจะแบบว่ามันจะยอมแบบนิ่งเข้าไปเลยนะเจ้าขาพระจานทร์มันจะนิ่งแล้วมันมันจะตัดมันจะยอมตัดไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์ที่ลูกลองๆซ้อมไว้นะเจ้าขามันจะแบบมันจะแบบว่าจิตมันจะเข้าไหนแล้วมันจะเหมือนกับว่าตัดไปเลยลูกก็เลยว่าเอ๊ะแล้วหรือเราจะเป็นอันตรายไหมถ้าเราแบบหยุด หยุดทำสมาธิแล้วอยู่เฉยๆถ้าเจออย่างเงี้ยเจ้าค่ะจถ้ามันเส่ถ้ามันผิดกรรมของเราถ้ามันเป็นเวรผิดกรรมกันมันก็อา จ, จะตายก็ได้ไม่มีใครรู้มันจะหรือไม่ตายก็ได้ถ้าไม่ตายมันก็จะไม่กลัวตายต่อไปถ้ามันอยู่เฉยๆยอมตายอ๋อเจ้าค่ะ แต่ยังไงถ้าเราต้องตายจริงๆเราก็จิตจิตเราก็ไปในส่วนที่ที่โอเคอยู่แล้วถ้าเราถ้ามันมันก็เป็นภาริยะถ้ามันยอมตายแ ล, แล้วมันก็เป็นอ๋อเป็นภาริยะเลยเหรอเจ้าค่ะก็็เปนอ๋อเจ้าค่ะจะน้อมไปปฏิบัติถ้าไม่ไม่เป็นภาริยะสมมูรณ์ก็เป็นภาริยะครึ่งเพราะมันยังไม่ได้ผ่านความเจ็บไปได้ผ่านแต่ความตายไปส่วนนอือค่ะเจ้าค่ะพรอาจารย์ขา อย่างที่เคยเล่าให้ฟังน้องปูชอบเสด็จน้องปู่่าอันนี้ท่านก็ชอบทุ้ดองอยู่ในปา่าและชอบเดินจงกลมตอนคื น, ดนเดินเดดงตอนคืนมันก็จะถือของไฟไปแล้วให้นก็เลยภาวนาพุโทโพุโทโธไปแลว้วคนหนึ่งเบินไจ่าแหงกับเสือเสือของมามเห็นเสือข้องครับใจมันมันผุดเข้าข้างในเลยค่ะ มันมันรวงเนี่ยถ้าปัญาสมาธิไม่รู้เรื่องของของเสียของร่างกายของท่านนจิตมันบันวักเข้าไปทันทีถ้าบอกต้องใช้อุบายนี่จิตมันถึงจะยอมรับอืมค่ะใช่จ้ะค่ะพอพอมันกลัวมันค่ะแล้วพอถอนออกมาเนี้ยท่านบอกว่ท่านอยู่เทียนนี้ท่านจุดไว้ในโครงไฟนี่มันมอดมันดับไปหมดนั้นมันไม่ เราถ้าก็ยังยืนอยู่ในท่าเดิมตอนที่เจอเสืออยู่เสือก็ไม่ทําอะไรเสียมันต้องไปเสือมันจะหายเสียมันมันถ้ามันรู้ว่าเราไม่เป็นภัยกับมันเลยก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ไมายุ่กับเราถ้าเรายืนนิ่งเฉยๆว่าคิดว่าเราเป็นต้นไม้ไปก็ได้อ๋อค่ะเจ้าค่ะไม่เป็นภัยกับมันไม่เป็นพิษกับมันถ้าเราขยำนี่มันก็ต้องระวังใช่ไหม ใช่เจ้าค่ะดึกว่าจะทําอะไรใหม่ท่านย่าตายของสัตว์งูคนยูเหมือนกันแต่เขาเฉยๆแล้วก็ยังเอาอย่างนู้นไม่ร <Koll ater> ู <statistically> ้ว่าเขาจะเอาอะไรใช่ไหมแต่ถ้าขยับใหม่นีเราก็เริ่มกุวิตกนะเจ้าค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าถ้าเวลามันมันเจออะไรที่กลัวจริงๆมันจิตมันมันอันนี้จริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์มันถ้าถ้า จับมันเข้าไหนได้มันก็ปุ่งจะเข้าเข้าไปจริงจริงกถ้าไมีสติมันก็จะเข้าหนถ้าไม่มีสติมันก็สติแตกมันก็กระโจมนมนวิ่งหนีเจ้าค่ะคือที่สัญญาจะเป็นเป็นพิษเป็นพนายกว่าเขาไป จ, จะตามเขาไจะตามแล้วก็ตกใจก็อาจจะชกเราหรือกัดเราทันทีถ้าเันชาติทันชาติทชาติที่ยานุสัตย์ค่ะเจ้าค่ะ แต่เขาเด้งนี่ก็ถ้าเราเดงนี่เขางงไม่อะไรวะเนี่ยเป็นอะไรโอเคสติต้องมีสติมันถึงจะเด้งได้ถ้าเวลาเจอเหการณ์ก็ถ้าไม่เด้งอ็พูดโทรตอนนี้เลยก็เราใช้พูดโทรค่ะก็ตามที่ว่าจย์บอกเจ้าค่ะพอหลังจากวันนั้นก็ได้เจริญสติ มันเหมือนกับว่าพอคิดถึงมโนนสัสสติที่บอกพระอาจารย์ว่ามันหดเข้ามามากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อพอมันเจริญสติมากขึ้นเหมือนกับว่าเรามีเหมือนความความนิ่งมันคืออุเบกขาใช่ไหมคะความนิ่งมันก็มากขึ้นอย่างเงี้ยเจ้ า, าค่ะพระใชคะ่ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเราสั่งแม่ค้าขายกับข้าวว่าพรุ่งนี้สั่ง ต้มปลาสามถุงอย่างเงี้ยเรามีส่วนในการที่จะไปให้เขาสังส่งให้้ ใ, ห ใ, หใช่ไหมเจ้าคนะเพราะว่านอกจากถามก่อนว่าปลาที่ไปทำมาเนี่ไปซื้อจากตลาดที่ตายแล้วนี่ไหมถ้าบอกเป็นของตายแล้ ว, ลวเราก็สั่งมาได้ออแต่ถ้าเราไม่รู้อ้าถ้กกกาก็มันก็มันก็ลําบากเหมือนกันนะเรื่องนี้พูดยากบางทีถึงเขาอาจจะไม่พูดความจริงก็ได้ ดางทีเขาก็าไปซื้อของที่เป็นๆมาเพราะมันจะได้สด ใ, ใช่ใช่เจ้าค่ะแล้วเราจะมาคาดตอนที่เขาขายทีนเปนทางที่ดีอย่าไปสั่งลูกหน้าเลยนะไปที่นั่นเขามีรายขายก็ซื้อตอนนั้นไปอ๋อค่ะเจ้าค่ะชั้โด น, นยินดีตามมีตามเกิดไม่ต้องไปจู้จี้จุกจิกันเรื่องอาหารมีอะไรก<ป>ินกินเข้าไปให้มันอิดทอมมาหมดอันนี้ประมาณเสียงการาเสียมรูปเสียงจุนรัอยู่ ยังยังเสกกรรถ้าไปเลือกอาหารนี่ว่าเสกกรรมอันนี้คือสั่งไปถวายพระเจ้าข้าพระจานาร์นี่ไม่ควรใหญ่เลยค่ะใช่เจ้าค่ะเพราะว่าเวลาจะคุณแม่จะวันพระคุณแม่จะไปวัดใช่ไหมเจ้าข้าท่านจัดอะไรก็ได้ท่านพระท่านจัดอะไรก็ได้ถ้าพระท่านรู้ท่านก็จะไม่รับเยพระพุทธเจ้าห้ามมให้พระรับของที่ยากอยู่ทําบาปเพิ่มมาทำบุญให้ท่านไม่ให้รับ เช่นทายอข้าไก่นามาทับแกงไก่แล้วมาเอามาถวายาพระบอกเนี่ยข้าไก่ตัวนี้เพื่อมาทําแกงไก่ถวายาพระเลยตรงเลยเนี่ยพระพาละสร้างพระเจ้าบอกไม่ให้รับอาหารอย่างนั้นถ้างั้นก็คือดีที่สุดคือเขาทาอะไรวันวันนี้ก็ค่อยสื่ออย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะซื้อตามาที่เขาเขาเขาขอผาตายอยู่แล้วนะั้นเขานี่อยู่ในมาอแล้วปลอดภัยค่ะค่ะเจ้าค่ะมาจา่าเจ้าค่ะ ค่ะวันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะกาวขอบพระคุณพายตานเจ้าค่ะค่ ะ, ค, ค, ะคุณอ้อมธีรพัฒน์มีอะไรไม่เป็นอ้มไม่มีแนละ้วในทีมงานนะโอเคไาที่อาจารย์ทบุมม้ลกับคุณอ น, นุคุณอยู่ไหนอ น, นุพนกล่าวน้มัชการค่ะคุณอนุคุ ณ, นนคณ <laughs> ประดิบ วันนี้ไปทานข้าวกับเซเว่นเดย์ค่ะกลับมาแล้วค่ะรีบกลับมากลัวเดี๋ยวไม่ได้ทันทานพ่อพรอาจารย์แลบนมาสักการพอาจารย์เป็นไงเซเว่นเดย์ทุกคนสบายดีนะวันนี้มี small class reunion พิลั่นหน่อยนะก็เลยได้มากินข้าวใกล้ๆกบ้านนะก็เลยกลับมาได้ทัน รีบเข้าตามเวลาพรอาจารยา์ครับว่าค่ะเมื่อกี้นี้พระอาจารย์เอถึงหลวงปู่ชอบบังเอิญของสมบัต ม, มันเนี้ยจริงจริงไม่ได้รู้จักหรือสัมผัสท่านเลยแต่ว่าขึ้นมาใน YouTube ก็เลยตามฟังมาอสองสคางะครั้งแล้วค่ะเ็าเห็นท่านอยู่ในปา่าปฏิบัติอยู่ในในป่านะคะค่อนข้างเยอะมาก ถ้ามีปัญญาเนี่ยทำตามท่านติดติต่อโลกกายทิดยได้ค่ะแล้วติดต่อเราไ่ัไม่ต้องเข้าสมาธิด้วยบี้านั่งอยู่เฉยๆคนเดียวเงี้ยเงี้ยก็กายทิพย์ก็โผลกเข้ามาเพราะปกติจะฟังจะเลือหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ย น, นะคะก็ะจะทราบอยู่แต่ป้าหลวงปู่ชอบนี้ไม่เคยได้ฟังก็เลยรู้สึกว่า ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะทิญญาท่านเยอะมากเลยแต่องค์นี้ท่านก็มีมีความสามารถพิเศษต่างกันไปคะแต่ฉันก็ใช้ชีวิตอยู่ในในป่าคนท่านเยอะไปอยู่ในภาพป่าทั้งนั้นภาพที่ปฏิบัติที่คลอดนี้ต้องเป็นภาพป่าทั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นภาพป่าหายากที่เป็นภาพในเมืองแล้วทนมีบ้างจะน้อย เราก็ฟังแบบ เ, เพื่อนหรือว่าผู้ที่ปฏิบัตินะคะก็เป็นพระอาจารย์ที่แบบคุ้นๆเยอะมากเลยแบบรู้สึกดีใจว่าอยู่ดีๆทำไมถึงได้ไม่เคยได้สัมผัสเนนะคะเราก็อยู่ดีก็ขึ้นมาอยู่ในให้เราได้สัมผัสและได้เรียนรู้นะคะว่าวิธีการปฏิบัติของท่านเป็นยังไง ก, ก็อา่านหนังสือปฏิปทาพระธุดงครรมฐานเนี่ยก็เป็นหนังสือที่หลวงตาท่านไปสัมภาษณ์ครูบาอาจารย์รูปต่างๆทางเวลาเรื่องของการปฏิบัติอุบาย ต, ต่างๆนั้นก็มาเขียนในหนังสือนี้บานทีท่านก็กล่าวชื่อเอ่ยชื่อทีกไม่เอ่ยชื่ไม่เอ่อใชื่อค่ะก็มีเท่ า, านี้ค่ะพอดีพระอาจารย์เอ่ยถึงรู้สึกว่าอือแบบพอดีเลยในในวีคนี้ที่ได้ได้ฟ<ม>ัง กอยากจะดูรู้จักวิธีปฏิบัติของาพราะบาทวะในหนังสือปฏิัติทาพระทนมกรรมฐานก็ปไปดูในเว็บไซต์ได้บางดวงตา .dot.com ก็ได้ในของพระสุชา t c o m ไม่ได้ไมีาามมยาวหนวดให้อหรือไม่เชนั้นถ้า เ, เป็นตัวหนังสือเป็นหนักเป็ น, ป น, ปนแนมนี่ถ้ามาที่วัดรู้สึกที่วัดยังมีหรืออยู่ ม, มีมีวันนั้นไปก็เห็นค่ะแต่<า>ไม่มส่งไม่ไม่สะดวกที่จะส่งไป้ทางบ้านมีมีอยู่แล้วค่ะได้ได้มาเล่มหนึ่ง นานมาแล้วเหมือนกันหลายเดือนมาแล้วคะ่ะถ้าคุณล้าเนี่ยเป็นยอดภาพจัดพิมพ์เป็ น, เ ป, นเป็นหลักของการจัดพิมพ์หนังสือข อ, องน้<ม>องต<อ>าอะไร้ยก็อนุโมทนาเพราะวันนั้นเห็นที่ของราาพระอาจารย์ที่สระก็ยังมีอยู่ยค่ะคือเราไม่ได้จจกแบบยอดเยี่ยมนะวางไว้เฉยๆพยายาจะเอาเปล่าพายไม่อยากเอาก็ไ ม, ไม่ไม่แบบครับเราบอก ให้มันเป็นสัทธาเลถ้าคนสนใจเห็นหนังสือธรรมะปั๊บนี่จะความากเลยถ้าคนไม่สนใจนี้ดูเฉยผ่านเลยผ่านเลยมึงขีดแจกหนังสือธรรมะเพื่อนเพื่อนบอกว่ามีเยอะแล้วไม่เอาของมีแล้วอ่านหรือเปล่าแล้วเขาไม่ได้อ่านดีนเอาไปเสียของเบาๆเก็บให้คนที่เขาอยากอ่านดีกว่าเวลาแจกของเยอะเมื่ไม่เอาไปแจกเดินแจก เอาวางไว้ใครอยากจะได้ก็มาหยิบเอาเองค่ะโอเคนะไม่มีอะไรนะค่ ะ, ะนะไม่มีค่ะบพระอาจารย์ค่ ะ, ะแม่เชียงน้องแมวนี่ก็เป็นอดีตแพทย์ น, น, นั่นเองเนี๋ยนี่เป็นเชียจากนามัส ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามอะไรค่ะโอเคุอคณออมจ่อจอามบอเวน นมัส ก, กันค่ะไม่มีคําถามค่ะมีความกลัวไหมไม่มีค่ะไม่มีแน่เละค่ะไม่กลัวอะไรหรืกลัวความเจ็บไหมกลัวเล่องอะไรไหมก็ก็เป็นก็ต้องยอมรับมันนะคะโอเคค่ะไม่ไม่เกี่กับสลบสลายหรือรู้สึกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าพอหมอบอกเป็นล่นองอะไรขึ้นมาก็ถ้าจะตายก็ต้องตายอะคะ่ะ ก็ต้องปรับใจยอมรับกับสิ่งที่เป็นค่ะต้องต้องใจต้องเฉยเป็นปกติมันก็ไม่เป็นนะมันกับตอนนี้ไม่เป็นค่ะมันเป็นเราก็ทําอะไรมันไม่ได้นะมันเป็นมันน่าตายนะน่ากายค่ะต้องต้องคอยทําการบ้านต้องคอยสอบคอยคอยถามใจเรามากเมื่อถึงเวลาพร้อมไหมค่ะ ซ้ทําทอ้อสอบใช่ไหมคะซ้าถามเรื่อย่ะมัะมแนแค่เกิดเป็นโลกนั้นเกิดเป็นโลกนี้นค่ะค่ะเพราะมันอาจจะเป็นสารพัดโลกได้ะคนเราคนะ่ะเราต้องรับให้ได้ไม่ไม่หมดกําลังใจไม่ไม่ทุกข์ใจนะอยู่กับมันต่อไปจนกว่ามันจะหมดเปนหายใจมันไปมันเสมือนแบบ พร้อมตายทุกเมื่ออย่างนี้นไหมคะพระอาจารย์พร้อมตายพร้อมเจ็บแล้วก็พร้อมกับสภาพที่อาจจะเกิดเป็น พ, กพิการพิการต่างๆที่ม า, า จ, จะเกิดขึ้นไดเตรียมความพร้อมไว้ทุกอย่างสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายใช่ไหมคะมใช่ทั้งถึงสารพัดเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายอืมค่ะต้องทาการบ้านไว้ก่อน ถ้าไม่ทมาําการบ้านแล้วข้อสอมาทํำให้ตอบตอบโจทย์ไม่ได้ค่ะค่ะค่ะใจต้องมีอุเบกขาถึงจะทํา ท, ำทำําตอบโจทย์ได้แล้วก็มีมีมตยายรักเราเห็นใจรัมันเป็นเรื่องธรรมดาค<ศ>่ะสองอย่างนี้จะทําให้ใจทําข้อสอบได้ถ้ามีอุเบกขามันก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักค่ะ คจรย์อาจารย์นะ่โอเคคุณเกตเกตบัณฑิตพระรามนีน่พองคเลี้ยงต้องพระราเด้วยกรรมนรัสการ์ครับอาจารย์มาร่วมฟังธรรมครับไม่มีคำถามครับโ <Okay. S 2> อเคคุณหอภาสนะต่อคุณหมอภาสนะ กอทมนอมสักการ์ค่ะพระอาจารย์ยังหน่เสียงยังเบากราบนมสักการค่ะได้ยินไหมคะพระอาจารย์ก็ยังไม่ยังไม่ดังเหมือนเมื่อก่อนอ๋อสงสัยมันอยู่นอกมันอยู่ข้างนอกได้ยินใกล้หน่อยพูดใกล้ๆจอหน่อยนะคะจะยินไหมคะอ่าโอเคอยู่ข้างนอกก็นี่มาต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะมาคราวนี้ก็มันก็เหมือนกับมันก็ที่ทำให้มั่นใจมากขึ้นอ่ะพระอาจารย์มันยังมีความสงบความอิ่ม อยากส่งข้อสอบได้ไหมคะตอนี้ยังตอนนี้ยังอยู่บนเขาอยู่ะยังอยู่บนเขาค่ะว่ามันไม่มีความคือแบบมั่นใจอ่ะอาจารย์ว่าไม่มีความกลัวเพราะว่าอืมมันเหมือนกับว่าเราไม่ถูกข์กับร่างกายแล้วอปล่าคะอาจารย์ก <Con baskets most stroke> ็ด <whatever things moi> <uta> <turns> ีไม่ถ้าไม่ทุกขก็โอเคสบายใจมากเลยแล้วก็เดินเท้าเปิดเลยก็ไม่เป็นไรก็ก็เผื่อว่าทั้งปรัจจัยเลยเื่อยังถูกมันหลอบอยู่ว่าแล้วไงกลัวหลงใช่ไหมคะอาจารย์เอ่ แต่ว่าเวลาไปป่าไปเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนึกว่าที่นี่ชินนะพรออาจารย์จริงๆไม่ใช่ความชินนะมันคือความไม่กลัว <laughs> <laughs> กว็เดี๋ยวนี้ก็จะลงไปเดินกลางคืนก็คือฝึกโดยการเดินกลางคืนตอนเช้าทุกก่อนนอนก็ลงไปเดินตอนเช้าตื่นนอนก็ไปเดินเลยลงข้างล่างนะคะพ่ออาจารย์สอบตัวเองตลอดเวลา <laughs> เราต้องทําข้อสอบให้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพระอาจารย์เไปเรื่อยๆทำอันนี้ได้แล้วเราก็ทําต่อไปทบขึ้นไปเรื่อยๆ พระอาจารย์เขถามนิดนึงเรื่องเรื่องใจอะค่ะอารมณ์ในใจนี่คือรั่วหมดเลยใช่ไหมพระอาจารย์ดีใจเสียใจอัในนี้คืออารมณ์ในใจใช่ไหมไม่ใช่ทุนอกจากความว่างเอ๋ อ, อแสดงว่าอยัา ง, <è. S 1> งว่าเราเราดีใจแล้วก็รู้ว่ามันดีใจมันเป็นตใยรัก อ, อ๋อคือเรารู้มันคืออารมณ์ใชอ๋ออันนี้ก็เป็นแค่รักที่แน่ที่มันเกิดแล้วดับมันก็เป็นใจรักทั<ฮ>้งหมดถ้ามันีสิ่ ง, ง, งที่เกิดแล้วไม่ดับก็<อ>บคือความว่างความว่างนี่มันมันละว่างมันไปเนี่ย นี่มันตอนนี้มันถูกยางหือนมาเกาะไปหมดค่ะครับอาจารย์เรื่องเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะพะอาจารย์ก็ต้องแยกแยกพา ม, มาออกจากทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุอย่างไม่ใช่เป็นของจริงเป็นของชัวว่วครวของจริงกิคือความว่าค่ะได้ครับอาจารย์ความว่าไม่มีพิษมันมีพลังต้องม ความว่ามันให้ความสงกความเย็นความสบายก า, า, ยารชินใจอย่างหนึ่ ม, มันให้อารมณ์มันให้เวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนามันต่างกับคำสุขเวทนาเยอะมากเลยใช่ไหมแต่ว่ามันมันต่างกันเยอะพูดไม่ถูกก็เลยทําให้ความสุขเวทนามันแบบออมันคนลัเรื่องเลยความ <c oughs> ว่าเวทนาเนี่ยมันความสุขแบบร้อนค่ะหายไปได้ด้วยแบบไม่ได้นอนแต่ความสุขแบบความว่างนี้มันเย็น เ <Yeah>, yeah. รีย็นค่อะอาจารย์ทําต่อครับอาจารย์อ่าโอเคเรียบร้อย one, uh? อยู่อีกแค่วันอ๋ออยู่อีกแค่ส uh, <okay. S 2> องวันครั it, one, uh? อาจารย์เพราะนี่แบบนี่คือเบียดเวลามาโอเคแล้จ็ดวันนะอาจารย์เกือบไม่ได้กินข้าวเพราะว่ามารีบมาเนี่ยคือไม่ได้เตรียมข้าวเลยเลยก็กล่าวว่าอ๋อไม่เป็นไรถ้าถ้าไม่มีที่นี่ไม่มีซื้อก็อดข้าวเพลินโชคดีมีข้าวก็เลยได้ซื้อกลัมากิน mm hmm. ซื้อขึ้นนะอาจารย์เข้ามา โอเคปฏิบัติตามเลยนะโอเคคุณเอกเอกจากเชียงรายการรำมรสการพระอาจารย์ครับผมเออวันนี้ไม่มีอะไรครับเข้ามาร่วมรับฟังครับพระอาจารย์ผมก็ปฏิบัติทุกวันผู้คืนอยู่แล้วครับพระอาจารย์ครับอา <Hey. S 2> จารย์ได้สั่งสอนไว้นะครับโ okay. อเคเนี่ยทําให้มากนะทําให้มากยิ่งยากยิ่งดียิ่ได้กำไรนะ ครับผมก็ยังถึงนี่สันซิอยู่นะคะรับอาจารย์ครับวันพระครับผมกับคำพูดพระอาจารย์ครับผมโอเคไปที่คุณเวลาพรยอมเย็นทุกทวทสายสองกับนำมาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามอะไรค่ะมากราพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคค่ะคุณชนะนดาวครับสมุรปติปรการอันนี้อยู่สมัติปรการเมือมาอยู่ที่ศรีอาจารย์ วันนี้อยู่สมุดปาการค่ะาอาจารย์มรมาสการเจ้าค่ะะค่ะมีอะไรไหมเดี๋ยววันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าจะขึ้นไปอยู่บนเขาค่ะาอาจานอับเพื่อนแล้วช่วงที่ผ่านมาก็เจอวิกฤตแบบไม่เคยเจอหนักหนาอยู่ค่ะาอาจยา์แล้วผ่านไหมนะอืมมันค่อยดีขึ้นนะคะ แต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ามันจะผ่านร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์ถ้าผ่านนก็ต้องเฉยๆไม่เดือดร้อนถ้ามันยังเดือดร้อนอยู่มันก็ยังไม่ผ่านค่ะถ้ายังเดือดร้อนอยู่ยังไม่ผ่านหนักมากค่ะถ้ามันเฉยๆถ้ามันเฉยๆนักขนาดไหนก็ยิ่งหนักยิ่งดีจะได้รู้ว่าเราเก่งไม่เก่งค่ะพระอาจารย์สิ่งก็พองไปบ้างนะคะพระอาจารย์อืม ก็รู้ตัวทุกอย่างค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนั้นวันนั้นที่ไปไปกราบพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสนอนรีสอร์ทอยู่สองคืนที่พัทยานอนคนเดียวค่ะพระอาจารย์แล้วก็เจริญสติเจริญสติเยอะหน่อยสองวันนั้นนะคะเป็นช่วงที่แบบที่ที่มีความทุกข์ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีช่วงหนึ่งจิตมันสงบค่ะพระอาจารย์พอสงบปุ๊บมันเห็น มันเห็นอวัยวะในร่างกายมันทํางานเห็นท้องที่มันขยับคือคือไม่มีความคิดนะคะมีแต่ความเห็นพอเห็นปุ๊บมันมันก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยถัดถัดจากความสงบคือความความได้เห็นตรงนี้ค่ะคือถัดจากความสงบแล้วมันจะได้เห็นตรงนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนนั้นคือสงบก็คือสงบจะจะนิ่งจะไปทางไหนจะเข้าฌานหรืออะไรก็คือเขาก็ไปทางนั้นแต่แต่ในคราวเนี้ยพอมันพอมันสงบปุ๊บ ขาดจากความสงบเข้าไปมันมันเห็นตรงนั้นปุ๊บแล้วมันเกิดรู้ขึ้นมาว่ามันมีแค่เนี้ค่ะพรอาจารย์ตั้งมันมีแค่ร่างกายมันมีแค่เนี้ยมันมีแค่เนี้ค่ะพรอาจารย์ตอนนั้นความัมนก็น้ําตาไหลเลยค่ะมันมีเขาสึกว่าอะไรก็คงไม่น่ากลัวแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะพรอาจารย์ตอนนั้นที่ที่คิดได้นะคะพรอาจารย์แล้วก็เวลาตอนนี้ที่เรายังยังติดท่องในบางบางอารมณ์ที่เราจะต้องแก้ปัญหาหรืออะไรหรือความเครียดเนี้ค่ะก็จะนึกถึงตรงนั้นนะคะ ช่วยได้จะย่อมขอค่ะค่าเมื่อได้เป็นผด ข, ขึ้นมาก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นผลของการพิจารณาที่เราเคยทามาในอดีตค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เมตตาสั่งสอนโยมต่อ น, นะคะว่าเดี๋ยวขึ้นไปแล้วโยมจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมอีกค่ะแล้วพอมันพอมันผดขึ้นมาก็รู้ว่ามันผดขึ้นมา แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจนพยายามให้มันสงบให้มันว่างจะดีกว่าทำสมาธิที่อยากให้มันว่างให้ ม, มันนิ่งเฉยๆแต่ถ้ามีอะไรผุดขึ้นมาก็พิจารณาว่ามันเป็นตายรับไปค่ะค่ะแล้วค่ไะไม่รักแล้วก็ยมยังรู้สึกว่าคือแต่ก่อนหน้านี้เราเข้าใจว่าเราอะ อขจัดความโลภไปได้เยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์พอมามามาในงานที่เราทําอะค่ะมันก็มันก็รู้สึกได้ว่าจริงๆความโลภมันเหมือนมันก็ยังอยู่มันยังอยู่แล้วมันก็ทําให้เราเสียหายในงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ในในค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันมันยังมันหมดไปยากเหมือนกันในกิเลสข้อต่างๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ใช่ความคิดเราความจริงมันไม่ค่อยตรงกันนี่นเราก็ต้องอย่าเชื่อความคิดเราเสมอไปต้องรอพิสูจน์ไปเรื่อยๆรอด้วยเหตุการณ์จริงว่ามันเป็นเหมือนกับที่เราคิดหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์ค่ะรับรับค่ะพรอาจารย์ก็ให้มีสติคอยรับรู้กบับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ ถ้าป่อยมันได้ผ่านถ้าเฉได้มันก็ผ่านถ้าเป็นเกือดร้อนขนึ้นอะแสดงว่ายังไม่ผ่านได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะอ่าทำไปได้ค่ะพอาจารย์มีอะไรอีกไหมขอพรบ้างได้ไหมคะมก็ได้หล่พูดมาเราวเกือบชอั่วโมงนี้ก็เป็นพรแล้วนละโอเค สิ่งสมาธิปัญญาหนึ่งความน้นเรื่องของผู้ปฏิบัติได้ค่ะพระอาจารย์ให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาแล้วมรรผลที่พา้ก็จะตมายังไม่ต้องไปขอจากใครสาธุค่ะพระอาจารย์นําไม่ส่งเมนูอันนี้ยังมีเมนู อ, อ๋อทุก น, นี้นะคะก็ เ, ออเป็นกล้วยหอมกับเ อ, อ, อะไรนะเต้าหู้นมสดค่ะพระอาจารย์เป็นของหวานนะวันละมาของหวา คือตออาจารย์ถามว่าทําไมไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ปลาสดหรือหรือเนื้อเนื้อปลาสดอะไรเงี้ยที่แบบว่าโยมชอบถวายเป็นพวกแซนวิชทูน่าหรือจะเป็นพวกบางทีก็คณะปลากระป๋องหรืออะไรนี้ใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยจะสั่งอะไรที่มันเป็นพวกปลาสดสดหรืออะไกลัวเขาไปกลัวก็ไปข้ามาให้เราใช่ใช่ใช่ค่ะก็เลยโยมก็เลยลิ่งเลี่ยงของของที่ตายแล้วเียนะใช่ใช่ใช่ค่ะพอาจารย์ก็ ด้วยสารเป็นผลม ไ, ไม้ไปก็ได้เป็นเมืนเป็นผักเป็นผลม ไ, ไม้ไปก็ได้ค่ะผ้าจาย์นั่นแหละค่ะก็คือนั่นแหละค่ะที่จะเรียนแต่ว่าลืมไม่ได้เรียนอะไรอย่างนี้ยค่ะ<ม>แล้วก็แบบตอนแรกก็อยู่เอ๊ะจะเมนูไหนดีจะเมนูไหนดีอะไรอย่างนี้ยคิดเยอะมากแล้ว<ม>พอพอตัวเองได้กําหนดตอนเวลากินนะคะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ได้อยากกิน ถ้าถ้าเรากําหนดรู้จริงๆอะมันเหมือนกินแค่อิ่มกินแค่ให้ชีวิตไปได้ยมก็เลยเลิกที่จะแบบว่าคิดมากคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยหานเลยเอไอคนไอคอนที่คิดมันไม่ได้กินหรอไอคอนที่กินมันไม่ได้คิดสัอกเขานี่นะใช่ใบางคนมันไม่รู้มันจะกินอะไรหรอกไอคนที่คิดมัจะกินนูนกินนี่มันไม่ได้กินหรอกขานี่นะยมก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะตอนที่พระท่านฉันเนี่ยท่านก็คงจะแค่คิดแค่นี้แล<ๆ>้วแบบแบบว่าฉันอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยมก็เออ ก็เลยคิดน้อยลงในเรื่องของประดิษฐ์รังสรรค์เมนูอะไรอย่างนี้ยค่ะไม่รู้กินเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์ดีกว่ที่ไม่มีสารสารมะเร็งสารกรมอะไรเรื่องของอะไรอย่างนี้ดีกว่าคิดถึงสุขภาพเรื่องสุขภาพกินเป็นเหมือนยาดีกว่ากินอาหารก็เป็นเหมือนยาค่ะค่ะเจอแล้วแนวนั้นค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะเคขอบคุณอย่างสูงค่ะอาจารย์ อยู่นาราทับเลยนาราทับยังล้อใช่ไหมเนี้ยกจาจชนะวงไม่ใช่ชื่อเรออน า, นาอมรเทพครับผมนนนบกลับนาราสการชัดเจนครับออยู่ที่ไหนอยู่สมุดปราการครับสมุดปากการเหมือนกันครั บ, บ<า>เป็นครู<ข>ครับอเอเข้ามาค ร, รสูมครับผมครูเด็กเล็กครับเด็กเล็กนะอนุบาล ประถมครับอ่าเด็กเล็กเลยครับเมื่อก่อนเคยสอนประถมครับแล้วตอนนี้มาเปิดเองเป็น nursery ครับอ๋อ nursery เลยนะใช่ครับผ ม, มก็เพิ่งได้มาเริ่มฟังธรรมะพระอาจารย์เมื่อประมาณต้นเดือนนะครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มทําทานมากขึ้นครับแล้วก็รักษาศีลดีขึ้นแล้วก็เริ่มมานั่งสมาธิครับตอนนี้ก็ นั่งก็สงบบ้างไม่สงบบ้างครับแล้วแต่วันแล้วก็ตอนนี้บางทีพอจะเริ่มสงบอะครับก็จะมีอาการน้ําลายไหลอะครับอาจารย์อน้ําลายมันออกเยอะมากเลยทีนี้ก็ได้ฟังพระอาจารย์ว่าก็ไม่ต้องไปสนมานปล่อยมันก็ปรากฏว่ามันเยอะจนมันไหลออกมาจากปากเลยครับไหลแล้วก็หยดเลยไม่เป็นไรก็ปล่อยมันหยดไปเดี๋ยวเส็จแล้วก็เช็ดได้โ อ, อครับตอนนี้มาจะเป็นปัญหาอยู่ว่าแต่ต่อไป เมื่อสติเราดีขึ้นมันก็จะไม่มันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ออใหม่ๆอาจจะเป็นยิงน่งไปก่อนมากกว่าเริ่มเป็นไปครับจากก่อนสําคัญเราอย่าไปกังวลกับมันครับตอนนี้ก็ยังยังมีกังวลอยู่ครับรู้สึกว่าเหมือนแบบมันเต็มตาไปหมดโดยความที่ว่าอาจจะเป็นเรื่อนใหม่ถ้ามาันนั่งอาภาพเช่นตัวมันตั้งไว้ที่หน้าตา ก, ก็ได้ ครับผมน้ำน้ำลายหยดเกินเดี๋ยวก็หยดสายท่าแล้วก็พอไปสร้างที่รำก็เนั้นปล่อยมันไปนะครับอปล่อยมันไปอย่าไปกังวลอย่างเงี้ย <รอ S 2> ห้ามมันไม่ได้พิจารณาเป็นอนุตตาไปแล้วนะครับผมแล้วก็เอออยากถามพระอาจารย์ครับเป้าหมายเราก็คือการนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าสูม่มุเบกดขาอ่ามุงเบิดขาให้มันนิ่งให้มันหยุดคิดจริงจ ร, งริงมันก็จะเป็นมุงเบกดขาใช่ไหแล้วก็มีความสุขครับ เป้าหมายแรกก็คือเน้นไปที่นั่งให้จิตนิ่งเป็นอุเบกขาอย่างเดียวก่อนใช่ไหมครับใช่ให้มันแล้วก็มีความสุขด้วย ค, ความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากรูปเสียงกิน่นรสต่างๆครับจะได้ทำให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้เอาไปอยากจะมาหาความสุขก็มานั่งสมาธิมิตรครับไม่ยุ่งยากไม่เสียงนินเอาไอย่างมืยุงยงย่งยากเสียเงนยินวย ก่อนที่จะได้มาฟังทำพระอาจารย์มา่ก่อนเป็นคนชอบสะสมครับชอบสะสมของเล่นพอได้มาฟังตอนนี้ก็เริ่มทยอยขายแล้วครับดูแล้วครับว่าเก็บไปก็เป็นทุกวันหนึ่งเราไม่จากมันมันก็จากเราไปใช่เก็บไว้เก็บไว้ถ้าราคอยมีขวอนคอยมีเลาล่าชาครับก็ได้เงินมาก็เอาไปทําบุญทําทานครับตอนนี้อืครับเป็นบุญนี่แบบบุญนี่เอาติดตัวไปกันเราได้ครับ เคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับพระอาจารย์เคเรียนไปไี้คนกระกวันจอดไมกวันอยู่ที่ไหนเลี้ยง ม, ม, มานะ้กลับนรรมสการพระอาจารย์ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะ ม, ม า, ม, ามีอะไรไหมวันนี้วันนี้ขอโอกาสกับเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการทำสมาธิในช่วงเริ่มต้นค่ะว่า ทำอย่างไรเราถึงจะสงบเย็นแล้วก็โทนคะเพราะว่าใจมันแว บ, บตลอดเลยค่ะก็ต้องมีสติมากๆต้องฝึกสติให้มากๆ ก, ก่อนที่เราจะนั่งนะแล้วซึ่งเ ร, เราฝึกสติได้ทั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยอย่าคอยควบคุมใจเราให้อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับการกระกทำต่างๆของนั่งกายอย่าปล่อให้ใจคิดนู่นคิดนี่ไปขณะที่เราทำอะไรไปด้วย ให้มันทำให้มันคอยดูว่าเรากำลังทอะไรอยู่นั่งน้นั่นัหน้าแปควันแมนอ่กับการทางานของร่างกายเราจะใช้พุทโธพุทโธไปด้วยขึเพื่อมาให้คิดให้คิดถึงคนนั้นคนนี้นั่นนั่นนี่ถ้าเราทำนี้ได้เวลามันนั่งสมาธิมันก็จะสงบง่าย ขอญาติเรียนถามเพิ่มเติมค่ะการฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหวที่ที่พระอาจารย์กล่าวถึงมาสักครู่เนี้ยค่ะที่ว่าทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนกับการตามดูรู้ให้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีมันก็ไม่ทันค่ะทํายังไงให้มันรู้เท่าทันทําไมยังไม่ทันน้องยกมือขึ้นก็เราก็เดี๋ยวรู้แล้วเราเป็นคนสั่งให้มันยกมือขึ้นเองเราแปลงคลันเ ร, เราก็เป็นคนสั่งให้มันแปลงไม่ต้องไปทําไป เปไปตามมันเลยให้เรารู้รู้ว่ามันกําลังทําอะไรอยู่เท่านั้นเองไม่ต้องรู้ทั่วสะพานกายรู้ว่ามันกําลังทําอะไรอยู่อาจารย์นะเช่นรู้กําลังยกมือตัดข้าวเข้าปากเคี้ยวเกินเนี่ยให้รู้อย่างนี้ไปเท่น้นมันจะยากตรงไหนเลยยากไหมคะเนี่ยไม่ยากค่ะแต่มันไม่ทันนะคะ ทำไมไม่ทันมันไปที่อื่นเลมันไปคิดเรื่องอื่นมันก็ไม่ทันมันไม่ยอมมาอยู่ถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็ใช้พุโทโธหนึ่งมาให้อันหนึ่งก็ได้พุโทโธพุธโทโธไปแล้วก็ทําอะไรไปนิดนึงจะพร้อมันไปก็ได้เนยค่ะสาธุครับอาจารย์มีเท่านี้นคะ่ะเราทำทีละค่อยๆทำไปเรือร่อเรือร่อยวเดี๋ยวก็จะจับประเด็นได้มันทํำไดงไหมนะ การทำงานคือไม่ให้มันไปคิดถึงคนนั่นคนนี้ด้านนั้นด้านนี้ขณะที่เราทํางานทํำอะไรของเราถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องคิดเราก็หยุดทําอะไรไว้ก่อนแล้วก็ยืนคิดนั่งคิดให้พอให้มีสติอยู่การคิดกณะนั้นถ้พอคิดเสร็จแล้วคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาทำอะไรต่อถ้าเราต้องทําอะไรก็ทําต่อไปถ้าไม่ทำก็นั่งนั่งหลับตาดูลงไปไม่พูดทไป ค่ะนะเข้านะใจนะเข้าใจค่ะันนี้ลองทํำดูง่ายาแ ต, แ ต, แต่ง่ายแต่มันมันยากตรงที่ทําไม่ยอมทำมันชอบคิดอยูเรื่อยเรืเดี๋ยววักก็ไปแล้วปั้ไปนะอนปนะชอบนี้ชอบนี้เรียนงชอบนี้เรียนชอบนี้ไปเที่ยวไม่อยู่กับพุทธเทวไม่ยอมอยู่กับน่านกาย พระทูกค่ะโอเคเ น, นเี่ยคุณหมอเวลาผ่คุณหมอกลัาัการอาจารย์ครับยังไงคุณพิเชษฐ์ขับผ ม, มผมก็ยังภาวนาอยู่ทุกวันครับรอาจารย์ครับ<ม>วันนี้ไม่มีคถามอะไรครับรอาจารย์<ม>แต่ทานสีภาวนาอยู่ทุกวันครับตอนนี้ทางานที่ละกีวันนะสัปดาั์ สามวันครับอาจารย์ครับโอเคพอกินพอกินพออยู่นะอ๋อพออยู่คับอาจารย์ครับวันนี้คนไข้ก็ผมเมื่อวานคนไข้ถ้าคิิดรวมซื้อยารวมตรวจก็สองร้อยสามสิบกว่าคนครับอาจารย์อ๋ออาารจะไม่เวลารพักเลยนะก็ไม่ได้กินข้าวเลยครับอาจารย์ตั้งแต่ตั้งแต่แปดโมงจนห้าโมงกว่าครับอาจารย์ห้าโมงเย็นวันนี้ก็ห้าโมงกว่าเหมือนกันเลยครับ กับอันนี้เหมือนกันเรกินวันละมื้อครับอาจารย์ดกินวันละมื้อครับถูกถูกมนไ่มีคำสาปครับอาจารย์คำาอาอาที่คณสมบูณจังหวัดี้ไหนกบนมัสการครับพระอาจารย์อ่าผมอยู่จังหวัดอุดรธานีครับพระอาจารย์ครับ อ่าชมีอะไรจะถามไหมอ่าวันนี้ไม่มีครับผมมาฟังอย่างเดียวครับท่านพระอาจารย์ครับผมโอเคสาธุอยู่ในน้โม อ, อยูกอ่กัทอมอน้โมน้โมนีนชชช่ชื่อเล่นนะว่าชื่อชื่อจริงชื่อเล่นจริงนะวชื่อชื่อเล่นเล่นอภิษการครับพระอาจารย์อยู่กรุงเทพครัน้โมเป็นทั้งชื่อเล่นและชื่อจริงไหมครับพระอาจารย<ล>์เนี่ยใช่ผมไม่ต่างแน่เย คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ตั้งให้ได้ตัดเกิดได้เลยได้น้าโมเลยแล้วก็ <ผม S 1> ชื่อชื่อจริงไม่ใชน่น้าโมเนี่ยะใช่ครับพระอาจารย์ผมก็เคยสงสัยก็เลยถามพ่อกับแม่ว่าเออพ่อกับแม่ครับพระที่ไหนตั้งให้ท่านก็เลยบอกว่าท่านนี่แหละตั้งเองครับพระอาจารย์พ่อแม่เราก็เป็นพระเป็นงานนักพระอาหารอย่่งครับพระในบ้านครับพระอาจารย์ ไไวันนี้มีคําถามมาถามพระอาจารย์ครับก็คือหลังจากที่ได้่าพอเปิดเทอมมาแล้วอะครับพระอาจารย์ผมก็ตั้งใจเรียนอยู่กับบทเดีนแล้วก็สิ่งที่ครูเขาสอนนะคะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วก็มีอยู่เช้าวันหนึ่งที่สนทนากับคุณพ่อบนรถเหมือนคุยกันนะครับแล้วก็ท่านก็พูดขึ้นมาเหมือนเราฟังธรรมะอยู่บนรถนะครับเราเหมือน เขาบอกอ่าคนที่กําลังเล่าธรมธรมะเนี่ยพูดธรรมะเนี่ยเขาเหมือนบอกว่าอ่าการเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งเนี่ยมันไม่อ่ามันสู้กับการที่เป็นเด็กที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างเงี้ยครับอาจารย์ผมก็เลยลองอ่าเวลาเดี๋ยวนี้ไปที่โรงเรียนนะครับหรืออะไรเวลาที่เพื่อนเขาเหมือนมากวนเราหรือว่าทําให้เราโมโหอะไรเงี้ยครับผมก็จะพยายามแบบ เฉยๆอย่างเงี้ยครับพระอาจาย์แต่มันก็จะมีบ้างอะครับที่มันก็คือคิดในใจอะครับพระอาจาย์แต่มันก็ดีกว่าต่ก่อนที่หลุดออกไปอะครับพระอาจาย์มันมีตรงไหนไหมครับที่จะช่วยดับในใจเนี่ยก็สติเนี่ยฝึกสติไปมากเท่าไหร่มันก็จะมีกําลังที่จะควบคุมมณ์ได้มากขึ้นสติจะทําให้ใจเรานิ่งเฉยไม่มีรักชาติกลัวหลงครับพระอาจา เรนฝึก ส, สติไปเรื่อยๆพุโธหรือน้นโมท่องน้งโมไปก็ได้น้โมน้โมน้โมนึกชื่อตัวองไปก็ได้พระอาจารย์ครับแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งครับที่พอปฏิบัติเจริญสติตั้งแต่เช้าอะครับจนก่อนนอนพอจะหลับนะครับมันก็นึกถึงแต่พุโทโธไปเรื่อยๆครับพระอาจารย์พุโทโธพุโทโธครับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์จน ปรากฏว่าอ่ามันเหมือนมันเหลือแต่พุโทโธกัดดมหายใจครับคือทั้งทังที่ตอนนั้นเหมือนกําลังหลับไปแล้วอะค่ะพระอาจารย์เหมือนอริยบทคือนอนอยู่แต่มันเหมือนไม่มีร่างกายแล้วอะครับมันเหมือนมันว่างเลยอะค่ะอาจารย์อันนี้เป็นมันคือสมาธิมันจิตมันก็สงบอาจารย์เราถ้าเจอแบบนี้เราต้องทํำยังไงต่อครับก็นัโมต่อไปนั่พุโทโธต่อไป ถ้าพูโทรได้ก็พูดโทรต่อไปครับอาจารย์ได้ครับแล้วก็การบ้านอื่นๆก็ยังพยายามปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์แต่ผมมีคำถามมีคำถามนะคับอาจารย์ก็คือพอผมกลับมาพิจารณาแล้วถ้าสมมุติว่าช่วงนี้คือถ้าเราตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยครับรอาจารย์ ความอยากที่จะได้คะแนนสอบดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกิเลสที่ไม่เป็นตัวไม่ดีใช่ไหมครับอาจารย์มันไม่เราดีการเรียนหนังสือเรียนให้เก่งก็ดีไม่เสียหายตรงไหนเราย็นความรู้เราฝ่ายฝ่ายรู้ฝ่อะไรนี่ดีทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องอย่าไปยึดติดกับความอยากของเราหมายถึงว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เราก็อย่าไปเสียใจ รายอยากได้ที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่ต้องไปเสียใจได้ที่สองก็โอเคได้ที่เท่าไหร่ก็โอเคคือความอยากเรียนดีมันจะได้ทําให้เรามีความกระหายงไงความาากระหายเรียนความตั้งใจเรียนไม่เสียหายตรงไหนเนี่ยแต่ว่าต้องยอมรับผลที่เกิดจากการการเรียนของเราถ้าเราเรียนผลมันไม่ดีถ้าที่เราถ้าที่เราตังากก้งใจก็ก็ไม่ต้องไปเสียใจ คิดว่ามันก็ทําดีที่สุดนะได้ทำนี้ก็ทำนี้ก็ผ่านไปไม่ไม่ต้องมาถือว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่จะต้องถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็จะตายให้ได้นี่มันไม่ถูกครับอาจารย์ก็คือตั้งใจเรียนไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ว่า อ, อเรื่องที่ผิดคือการไปทุกข์กับมันถูกไหมครับไปทุกข์กับมันถนะึงครับอาจารย์ ได้ครับผมจะลองกลับไปปฏิบัติครับพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะมารายงานผะลครับโอเคเกิด okay. ที่ท่านพูดว่า mm hmm. เ, รเรียนเก่งกับการควบคุอมอารมณ์นี้ถ้าเลือกสองอย่างนี้การควบคุอมอารมณ์นี้มันดีกว่าถึงแม้เรียนไม่เก่งแต่ควบคุอมอารมณ์ได้ดีแบบคนที่เรียนเก่งแล้วควบคุอมอารมณ์ไม่ได้เพราะคนที่ควบคุอมอารมณ์ไม่ได้าจะาความเก่งนี้ไปทําร้ายผู้อื่นได้ แต่คนที่ก็คู้อารมหน้า้ที่จะไม่เป็นทำได้พูดกับตอนนี้นี้ตนเองครับอาจารย์แล้วก็มีคําถามหนึ่งที่อยากถามอาจารย์ครับก็คือพอตั้งแต่เปิดเทอมมามันก็จะมีเหมือนกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยค ร, ระอาจารย์แล้วเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนบางคนที่เขาเหมือนแบบขอให้เราแบบช่วยแบบดูกันบ้านให้เขาหน่อยหรือว่าช่วย ส่งคําตอบห้เขาหน่อยนะคือเราก็ไม่ค่อยอยากจะส่งไปเพราะเราอยากให้เขาได้เรียนเองค่ะมันก็มีเอความคิดอีกตัวที่มันคิดขึ้นมาค่ะอาจารย์ว่าถ้าเราทําแบบนั้นเขาจะเหมือนเสียใจอะไรอย่างนี้กับเราหรือเปล่าผมผมต้องทําไงคะเสียใจก็เสียใจไปสิเขาจเขาจะาให้เราไปขโมยของให้เขาี่เราจะไปขโมยขอให้เขากลับมาไม่เนี่ยความรู้ที่เราเป็นกันเขาขาให้เราขโความรูม้นี้ให้กับเขาเนี่ย ไอ้นี่ก็มันเป็นโทษกับเขาเราหวังดีกับเขาเราถ้าเขาไม่เห็นความหวงเดีของเรา ก, ก็ช่วยไม่ได้ถ้าก็ไม่อยากจะเข้ากับเราก็ดีถ้าเป็นเพื่อนอย่างนี้ก็อยากเข้ากันดีกว่าเรื่ต่อไปเขาก็จะมาขอเรานู่นขออะไนู่นขออันนี้จากเงาอยู่เรือ่อยๆถ้าเราปฏิเสธ เ, เ, เขาจะกดธเราไม่พอใจแล้วายิ่งถ้าเาไม่พอใจแล้วแต่ตอนนี้ดีกว่เดี๋ยวโตขึ้นก็อาจะมาขออะไรมากไปอันนี้ก็ได้นะถ้าเป็นเพื่อนเนี่ย ให้ช่วยนั่นหน่ช่วยนี่หน่อยให้คิดกฎหมายผิดจริงธรรมออย่างนี้แล้วยยั ง, ยงไปช่วยเขาอยู่แบบสอนให้เขาช่วยตัวเองดีกว่าสอนให้เขาทําการบ้านล้วเขาไม่เข้าใจตรงไหนก็บอกอธิบายก็ทําได้อืแต่เขาต้องทําเองก็ยังมีสุภาษิตจริงเขยบอกว่าอย่าให้ปากอย่าให้ปากเข้าไปสอนให้เขาไปตกปลาดีกว่า อันนั้นเราตกปลาเป็นนะที่เขาเขไม่มาคอยขอปลาเราไปกินเลยเนี่ยถ้าเราช่วยเขาวันนี้เดี๋ยวพวกนี้เข้ามาคอยกัะเราะขี้เกียจทากันบ้างเพราะว่ า, ามนโมขมมนขอคําตอบหน่อยขอแต่ถ้าสอนให้เขารู้จักทาการบ้านต่อไปเขาก็อยากทาเองได้ให้เขาพึ่งตนเองช่วยให้เขาพึ่งตนเองอย่าไปช่วยให้เขามาเกางไงไะเราอาจารย์นะอาจารย์ครับอาจารย์เพราะว่าบางทีอะครับ คือเขาเหมือนโทรมาหาเราแล้วบอกว่าเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาทำเสร็จแล้วแต่ขอให้เราช่วยโชว์หน่อยได้ไหมคือเขาก็อยากดูว่ามันคล้ายๆมันเหมือนกันหรือเปล่าหรือเขาเข้าใจผิดตรงไหนรเปล่าเออเราก็เป็นคนซื้อครับอาจัรยร์สองสมคัญแรกก็เชื่อเขาอะครับก็ให้เขาดูคราวนี้หลังๆมาเราเริ่มสังเกตแล้วว่ามันไม่ใช่คือเขายังไม่ได้ทาเขาหลอกเรา หลังก็พยายามไม่ค่อยรับสายอะครับอาจารย์อืมโอเคเด็กเลี่ยงได้ก็เลีเ่ยงไปต่อไปเขาก็จะไม่มาเพราะปวดน้ำถ้าเราไม่ไปตอบแสดงความหยากของเขาต่อไปขขเขาพ่อมะยิ่งมันรครับอาจารย์ไม่ต้องเสียดใจถ้าเป็นคนแบบนึงไม่คบเด็กว่าคนท้เจ้าบอกให้เลือกพบกับคนที่ดีหรือฉลาดกับเราอย่าไปคบคนที่ง้อขึ้นเร็วกับเรา เราก็ยันดึงเราลงองจาได้อาหารใครคงไม่ได้ก็อยู่คนเดียวนี่แหละครับได้ครับพระอาจารย์จะนาไปปฏิบัติครับเขานี่ค่ ะ, ะได้ได้เป็นเพื่อนข อ, องนโนโม อ, อะไรบ้านได้อยู่ที่ไหนเปไมคก่อนมุงน้ามุงชายน้ า, น า, นาครับผมลบุ ด, ดีครับพระอาจารย์ อยู่ระดัไหนเนี่ยนี่ยระดบไห น, ไหนมสี่ครับคุณผู้ชมมสี่ครับมีอะไรจะถามหรือเปล่วันนี้ไม่มีอะไรถามครับคุณผู้ชมมาฟังเฉยๆนะได้ครับรนะใช่ครับเพิ่งเข้ามาครัง้งแนกนะเข้ามาแล้วเมื่อประมาณห้าหกเดือนครับแล้วก็ยุ่งยุ่งการสอบเข้ามสี่ปไปเลยไม่ค่อยได้เข้าพอเปิดตื่นแล้วก็กลับมาครับคุจผร้ชก็ำไมได้ เ, เข้ามาใ<อ>หญ่ใหญ่ขนาเลย ได้แนวคิดดีๆหลายอย่างนะครับจากที่เราไปทุกเกี่ยวข้องแบบเอ่อพ่อแม่ก็กดดันว่าเราต้องสอบได้โรงเรียนดีๆห้องดีๆอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบไม่มีที่แบบมาชาร์จพลังด้วยเลยมาชาร์จพลังกับอาจารย์ครับโอเคทําไม่ดีเส่อนได้เท่าไหร่ก็ทำนั้นคนไหนก็จะกดดันเราไงก็หนุนเขาห้ามทองไม่ไ ด, ไได้แต่เราวมาทำหน้าที่ของเราไปโอเคนะ คุณตายจักพัทยาเชิญคุณตาน้อม ก, กับนมันส ก, การค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนีก้ก็จะเรียนถามเรื่องลูกชายค่ะพระอาจารย์ว่าเขานี่ก็มีจิตใจกระตันอยู่ใช่ไหมครับก็คือลูกไปหาเขาตอนอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะไปเยี่ยมเขาที่กรุงเทพเสร็จแล้วก็บอกว่าลูกก็แกล้งขอตังค์เขาอะค่ะ แกงบอกว่าลูกขอตังขอตังมีตังให้แม่ใช้บ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็้อนให้ทุกเดือนหนูก็รู้สึกยื้มยิ้มแอบยิ้ยเในใจว่าเอาโอนให้แม่แล้วเขาบอกเอาก็้อนให้ทุกเดือนแล้วก็ก่อนกลับหนูก็ถามเขาว่าลูกแม่จะไปวัดแม่ไปว่าตลอดลูกจะแบ่งเงินมาทำบุญกับแม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วเขาก็ให้หนูมาสิบาทเขาบอกว่าตังเขาไม่มี เขาไม่มีตังค์ละเอาให้แม่หมดละอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูคิดว่าเขาก็น่าจะไม่ไม่เห็นกับเล้วร้ายเรื่องการทําบุญใช่ไหมคะใช่ถ้าก็ให้เราองค์นี้ให้เราทุกเดือนกนใช่ว่าเขามีความมั่นตัอยู่เราคิดถึงเป็นคนของเราใช่ไหมคะเพราะว่าหนูบอกว่าไปทําบุญกับหลวงตาหน่อยลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ก็ตังค์หมดแล้วก็ตังให้แม่หมดก็เหลือตังค์อยู่นิดเดียวเขาให้หนูสิบบาทว่าอา้า ให้ไม่ให้อีกหน่อยแล้วก็เพิ่มอีกห้าสิบาทค่ะพระอาจารย์ทให้หกสิบบาทแต่หนูก็ยังคิดว่าก็ดีใจนะเขาให้กยังคิดีใจนาไม่ควรจะไปบีบเขานควรจะช่วยเขาพอหนูน่าจะไปว่าจะทำบุญด้วยไหมอะไรอย่าง้นน่นนะคะหนูก็ประมาณอย่างงั้นนะคะก็เขาให้มาสิบบาทหนูก็ว่าก็ทำแค่นี้แหละลูกออย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แแต่เขาแล้แต่ศรัทธาแล้แต่กำลังเขาด้วย นะคะแต่เขาก็ยังมีใจดีใช่ไหมคะก็เขาทบุญกับเราเนี่ยเขาอเนราทกเนนียะจะะไม่รีอะไรมากมายเลยแต่ท่านเขาไม่เคยให้เราเลยอย่างเขาเข้าวัดไงแต่เขาไม่ยอมเข้าอะไรอย่างเงี้อไม่ถึงเวลาอันี้ถึงเวลาเขาเข้าเองอ่าล้วค่ะเขาไม่ยอมทาเดียวก็เลยวเป็นเหมือนงพยาบาลเน่ยบางทีถ้ามันไม่เจ็บใครได้ป่วยมันไม่ไปโรงพยาบาลมันมัน ค่ะออันนี้ก็มีเรื่องมากรับเรียนผ้าจาย์แค่นียค่ะว่าลูกชายคนโตที่ไม่ค่อยได้มาใส่บาตรก็เขาทํางานอยู่ที่กรุงเทพมาผ้าจานนั่นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องจิตใจของเขานนะจิตใจเขาเป็นอย่างนี้อยู่ก็นั้นนอกจากเราหาอุบายหัวมามันาเป็นเพื่อนไปวัดเึกกับแม่หน่อยมีอะไรอย่างนี้ เขาพางานเขาว่าอาจารย์เขาบอกว่าอาทิตย์นีน้เจ็ดวันเขาต้องทํางานเขาบอกว่าก็มาช่วยแม่ก่อนก็ได้ของเราก็มีงานให้ช่วยเขาบอกว่าของเขากําลังแบบว่าเ<อ>าจ้านายนะเข <laughs> าปล่อยเข้าไปไปล่อยเข้าไปทานี่เขากําลังเขาเราติดทันเกี่ับการหาเงินบุญก็ยังไม่สนใจนัน่นค่ะอ า, าจารย์ อันนี้มีเท่านี้ค่ะและการปฏิบัติของตัวเองก็ทําได้มากขึ้นสมาธิก็นั่งได้นั่งได้เพิ่มขึ้นนะคะพระอาจารย์แม่จ<ะ>้าได้ทำไปเรื่อยๆมันก็จะทําได้มากขึ้นเลยสติดีขึ้นไปเรื่อยๆฝึกสติเรื่อยๆน ะ, ะสติ ท, ที่เราฝึกได้ตลอดเลยนะเจ้าค่ะค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์โอเคในที่คุณหมอแนะนำที่ได้นกลง อ๋อทมใช่ไหมคุณยงคุณยงสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ในช่วงนี้ยงก็งปฏิบัติต่อเนื่องเจ้าค่ะคือก็ยงรู้สึกว่าหลังจากที่กลับมาฟังพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็ย้อนย้อนฟังพยายามจับหลักเนี่ยก็รู้สึกว่าเออกิเลสในการไปสัมพันธ์กับผู้คนก็รู้สึกเบาบางลงไปเจ้าค่ะหรือว่าอย่างถ้าอยู่กับคนที่เราอาจจะเคยรู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็รู้สึกโล่งสบายแล้วก็ไม่ไม่ได้มีความขุ่นข้องเจ้าค่ะพระอาจารย์ ค่ะ<อ>ก็เจ้าค่ะคือโยมก็มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของว่าตอนที่เออ่เราเริ่มเริ่มกําหนดแล้วเป็นความว่างเนี่ยเจ้าค่ะแล้วจะมีบางจุดไหมเจ้าค่ะที่จิตมันจะกลับมาที่ฐานกายหรือว่าเราควรที่จะอยู่กับความว่างไปเรื่อยๆเจ้าค่ะก็อยู่ในฐานกายมันจะอยู่ยังไนะงมาดูกายเลยเออมันมาจับลมหายใจอะไรแบบนั้นก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้ ถ้าท่านจิงมันนาไม่สงบบางท่านอาจจะต้องมีอะไรจัดก็เราไม่อยู่ความว่างมันแสดงว่ามันมันหมดกําลังก็มาดูลมต่อมันจะลาสติต่อนได้เจ้าค่ะแต่อย่างถ้าสมมุติว่าอยู่กับความว่างได้ยาวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจะถูกจุดทับไม่ต้องมีลมกาะก็ได้ถ้ามันมันมันนิ่นเฉยได้ก็โอเค เจ้าค่ะอาจารย์แล้วในการนั่งครั้งหนึ่งเจ้าค่ะมันจะมีอาการเหมือนตกลุมหรือกระตุกเนี่ยคือเกิดขึ้นได้หลายครั้งไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็ไม่แน่นอนอันนี้ลูกตาจะภาพไปว่าเป็นอนัตตาเราเราไปควบคุมมันทำมันไม่ได้ไห่ก็ไม่มไม่มีผลเสียอะไรเนื่องว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็หนักไปแลว้วก็ผ่านไปอืมมันมันเกี่ยวไหมเจ้าเขาว่าเราอาจจะแบบว่าเหมือนขึ้นขลงๆ อะไรแบบนี้เก็ก็ก็ได้ทั้งนั้นอ er. ่ะมันใช้เป็นแถมนันไม่ได้สำคัญการปฏิบ so ัต so ิขอเรารู้จักการปฏิบัติชันรู้กับรู้จักการปฏิบัติคำนั้นว่าปฏิบัติอย่างไรก็คือปล่อยวางให้รู้ตามความเป็นจริงนู่นว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะไม่แค่มันเราเฉยก็เราเฉยกับมันให้ได้แล้วที่เราไม่เฉยเราเกิดความอยรู้อยากเห็นแบบนั้นเจ้าค่ะ เราแล้วอย่างตอนที่มันรวมตอนที่กระตุกเนี่ยมันคือมันคือกระตุกที่กายด้วยมเจ้าคะหรือว่ามันเป็นแค่แบบความรู้สึกคือบางทีโยกฝนเราก็ต้องดูแต่มันเกิดจากที่ไหนเกิดที่ไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะเกิดที่จิตเกิดที่ร่างกายก็ก็ไม่เป็นปัญหาอือไอ้ของตรงนี้มันเป็นของที่มันอาจจะเป็นของที่แถมมาสถานการณ์ต่างๆที่แถมมาที่เราไม่ควรที่จะไปสนใจ เราสนใจอยู่ความว่างคาวามนิ่งอยู่เยเจ้าค่งพระอาจารย์แล้วก็มีคำถามหนึ่งคือว่าถ้าเกิดว่าเราเคยมีแบบกิเลสที่กระตุ้นจาก บางคนหรือบางเหตุการณ์เนี่ยเจาค่ะเราทําให้เราเกิดเหมือนราคาโทสะที่รุนแรงแล้วคืออาจจะเป็นในช่วงที่เราไม่ได้มีความเพียรในการปฏิบัติแล้วก็ทําให้เราเหมือนเราไม่เคยชนะได้เด็ดขาดอย่างเจ้าค่ะแล้วเมื่อเหตุนั้นเนี่ยมันแบบมีเข้ามาในแต่ละรอบเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงที่เราเร่งความเพียรมีการปฏิบัติมากขึ้นเนี่ยเ อ, อแล้วเราเลือกได้ว่าเราจะไปยุ่งกับตรงนั้นหรือว่าไม่ยุ่งเนี่ยอันนี้เราควรจะสู้หรือว่าอยู่ห่างๆดีเจค่ะ ก้รมีว่ามันมีความจำเป็นจะต้องไปยุ่งเมื่อไหร่ถ้าไม่มีความจำเป็นก็อยากไปถ้ายังมีความจำเป็นอยู่มันเกี่ยวกับเรื่องการทำมาเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรที่ยังยำเป็นจะต้องไปยุ่งก็ต้องไปแต่ถ้ามันไม่ยุ่งดีที่สุดไม่ยุ่งได้ดีที่สุดเจ้าค่ะแล้วเราควยุ่งม็ต้องยุ่งแบบใจเย็นๆด้วยเห็นุด้วยผลอย่าไปใช้อารมณ์เจค่ะแล้วเราควรจะน้อมมาเหมือนกับ ทำกันบ้านบ่อยๆหมเจ้าคะพะอาจารย์ในจุดที่เราเคยแบบเหมือนแพ้กิเลสอะไรแบบเนี้ยเจ้าค่ะใช่ก็ลองซ้มเตือนใจในวันต่อไปถ้ามันเกิดขึ้นเราจะทำยังไงดีกับ เ, เหตุการณ์อย่นี้อืมนั่งซ้อมเล่นละครเนี้ยตอนเวนลาขึ้นเวทีจะได้จ ไ, ได้แสดงได้ถูกถูกบทถ้าไม่ซ้อมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปแสดงผิด <laughs> จ้เจ้าค่ะ ม, นนมวยนักมวยต้องซ้อมก่อนตอนนี้ขึ้นโชว์บนเวทีเนี่ย แล้วก็เหมือนกันก่ อ, อนที่เราจะขึ้นขึ้นพินนทีชื่อออกกีรยแล้วก็วนำซ้อนสร้างแบบวิธีเจ้ากีริย์แบบนี้นจะทําังไงกับมันดีเจ้าค่ะพระอาจาอ๋อแล้วก็พอดีมีคําถามที่อาจจะสอดคล้องกับก่อนก่อนนิดนึงเจ้คะคือเรื่องของการเป็นพระโสดาบันเนี่ยคือท่านไม่ไม่หวัน่นไหวแม้ว่าจะมีภัยมาใช่ไหมเจ้าค่ะทีนี้ยคือท่านยังเกิดเเรื่องของความตื่นเต้นตกใจในแวบแรกที่ท่านสัมผัสอยู่ไหมเจ้าค่ะหรือว่ามันจะไม่มีตรงนี้เลยเจ้าค่ะ อันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจขอให้มันคุมได้ก็แล้วกันถ้าให้เกิดปุ๊บแล้วมันกะดับไปปั๊บก็ไม่เป็นปัญหาเลยแต่บางทีบางครั้งมันเกิดแบบกระทันหันแบบที่ไม่ได้ทันตั้งตัวมันอาจจะอาจจะสะดุ้มขึ้นมาแต่พอสะดุ้มปั๊บสติปัญญาตามทันปั๊บมันก็หยุดนิ่งมันเดิมได้แม้แต่พระอาจารย์งบอกบางทีท่านเดินไปเดินเนี่ยท่านท่านยังพยายามถ้าท่านคว้าอะไรจับอะไรได้ท่านคว้าทันที มันเป็นสาชาติตยานของการป้องกันตัวเองเจ้าค่ะแต่แต่ใจท่านยังไม่ตืต่นกันหรอกเจ้าค่ะพระเจ้าจะเฉยเจ้าค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วในแง่ของศีลนี่คือท่านก็จะไม่หวั่นไหวเลยแม้ว่าจะท่านไปทําบาปเลยไม่มีใครไม่ไไมีใครจะมาทำอะไรนอกท่านบังบีบบังคับท่านเหรอท่านอยากมากก็ยอมตายนี่เจ้าค่ะ คืออย่างพระโสดาบันนี่คือแบบในใจก็ไม่ได้มีความรู้สึกในการที่จะถูกสิ่งยั่วยวนอะไรภายนอกอย่างนี้เลยเจ้าคะก็ ย, ยังมีอยู่ท่านยังมีกรมกรรมท่าน ย, ยังติดการมอหนท่านยังยังติดภรรยาติดสามีนี่อยากจะมีแฟนแต่ท่าน<ม>จะไม่ไปหาโดยโดย ว, วิธีที่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายไม่ไปเบียดเบียนผู้ไม่ไม่ไม่ไปทําบา ้ค่ะก็คือถ้าในแง่ของสีนี้ก็คือเด็ดขา ด, ดขาใช่ไหมครับสีน่าเด็ดขาดแต่สีแปบท่านยังอาจจะขาดเพราะท่านยังเกิดการประหน่ได้แต่ท่านก็จไม่ประพฤติผิดประเวณีถ้าท่านจะไปมีการเสรการรมกับใครก็จะไม่ประพฤติผิดโดยสักขาพระอาจารย์สักขาขอคาถามสุดท้ายสักขาพระอาจารย์คือถ้าเราเราเรากําลังเออ่นั่งสมาธิในในชีวิตประจำวันสัค่ะแล้ว เรากํ wow. าลังดิ่งอยู่หรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะเราพอดีว่ามีผู้ช่วยหรือใครเขามาเรียกแล้วเราต้องออกกะทันหันเนี่ยอันนี้มันจะมีผลเสียอะไรไหมครับเจ้าค่ะในการที่เราแบบบุบกลับขึ้นมาคือบางทีโยมรู้สึกมึนๆอะไรแบบเนี้ยเจ้าค่ะมือนกันนะเวลากลับเข้ามาใหม่มันอาจจะยากหน่อยแต่ก็ถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆก็ก็ช่วยไม admitted, ่ได้แนวทางที่ดีเวลาจะเข้าสมาธินี่ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครมารบกวนอาจจะได้จะดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้ก็รู้ว่าเราทําแบบชั่วคราวไปก่อน แบบแต่ว่าถ้าเราออกทันทีอะไรแบบนี้ก็มันไม่ได้มีปัญหาไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเรารู้จักวิธีเข้ามันก็กลับเข้าไปใหม่ได้เจ้าขาอาจารย์ก็วันนี้เก่าขอบพระคุณเจ้าขาดีเท่านี้เจ้าขาเน่ยนะครับทุคุณท่านรัชน์ครูคอร์ไปไหนไม่อยู่นะแยกกันมาหนึ่งนรัสการครับอาจารย์อยู่ครับแต่ว่าน่าจะกําลังทําอะไรอยู่นิดนึงนหะครับ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเซ็นกู่คงมาครับมีอะไรไหมยังไม่มีครับวันนี้มากราบอาจารย์ครับกราบอาจารย์ด้วยค่ะน้องมินไปถึงไหนแะ้น้องมินน้องมินเอ่อน้องมินตอนนี้ไปอยู่ที่อำนาจเจริญเจ้าค่ะอค่ะไปเที่ยวแล้วไปปฏิบัติแทนเน่ยเอาน้องมินเหรอคะเออเขาเขาจบกิจทั้งโลกแล้วอ่ะจบแล้ค่ะ แน่นอนนะจบแบบเช้าแล้วจบแบบเช้าวันนี้ก็เห็นเท่าที่คุยกันเหมือนเขาจะตั้งเป้าไว้ว่าสิบปีเนี่ยเขาจะเขาตั้งเป้าไว้สิบปีอะค่ะว่าสิบปีเนี่ยเขาจะเหมือนบรรลุไหมถ้าไม่บรรลุคือเหมือนก็ถ้าไม่บรรลุเขาต้องกลับเขาต้องถอยออกมาเพื่อดูแลพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็าเขาอย่างนี้แต่ถ้าบรรลุก็ก็น่าจะน่าจะมีทางไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เห็นว่าไปกราบขอขอมาพ่อแม่ขอลาแต่ก็ไปกราบขอเข้ามาพ่อแม่หมดแล้วค่ะไปขอลาแล้ว่แล้วก็ตอนแรกเขาก็กังวลอยู่แต่ว่าตอนหลังก็เล่าให้ฟังเหมือนกับว่าเหมือนดีใจว่าก็แบบเหมือนที่พี่ปาบอกเลยว่าพ่อแม่ต้องให้อภัยกอโอเคนะค่ะค่ะพ่อแม่เขาก็ดีใจอ่ะค่ะอืมโอเควังว่าเขาคงจะได้สิ่งที่เขาฝากถนัดนะ ค่ะป้าก็จะได้ตามน้องเข้าไปค่ะค่ะต้องขอของมงานคุณท่าน้ำก่อนก่อนก่านบ่งโมนาให้เลยก็ไปไปไปก็ไปพบกันนและครับไปทำาเลยดอ่าอยไปอยู่คนละที่จะดีปะที่ไปอยู่คนละที่กันจะไปอยู่ใกล้กันครับครับค่ะโอเคดีมีเป้าหมายแล้วก็ยังดี การปฏิบัติการกาทำอะไรมันคนจะมีเป้าหมายว่าอีกห้าปีข้างหน้าเราจะอยู่ตรงจุดไหนดีครับนี่โอเคไม่มีอะไรนะมีอะไรขอพระอาจารย์ไปท่ท่านตอบไปคุณยุริศมาธรรมมาสการกาพาจรีหนึ่งชื่อแซงกาพาจร์จริง เล่นที่คุณแม่ตั้งให้ชื่ออาครับอาเด็กเพื่อนเล็กแซมเอาพอดีไปทํางานเกี่ยวกับพวกฝรั่งเยอะครับเจ <c oughs> ้านายเลยตั้งชื่อเพราะว่าฝรั่งเรียกเรียกหาไม่ไม่ได้ <c oughs> ออกเสียงไม่ได้ก็ <c oughs> เลยติดมาตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วครับ <c oughs> เลยในชื่อนี้พระอาจารย์ครับที่พระอาจาย์เทศว่าสักยญาติติวิจิกิจจา ว, วิจิตรแล้วอาวัจจกรรมมาจะมาทีเดียวพร้อมๆกั น, น, น, นถ้ามันนถ้ามันมันปล่อยวางวิจิกิจแช่ได้สองตัวนี้มันจะมาพรา้อมมาตามเป็นพวกปกติมันมีเป็นไปได้นะครับว่าสองตัวหลังมันมาก่อนตัวแรกมันมาแต่จะไม่ไม่แบบไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แบบแท้จริงโอ้มันมาด้วยกวามคิดแต่มันไม่ไดมาด้วยปัญญา เป็นความรู้สึกจริงๆเป็นความเข้าใจอย่างจริงๆคตามมาเข้ามาไม่เป็นไรแต่เพราะสาคัญเนีในสองตัวนั้นไม่ค่อยสำคัญเทายตัวแรกวิจิตริจฉัยศักยญาตที่ทมนีส่สาคัญครับทองนอนครับโอเคครับเพราะโดยส่วนตัวอรู้สึกว่าวิจิกิจฉานี่คือตัวเองก็ ไม่ลังเลสงสัยในคำพูดอันนี้ไม่อันนี้เป็นคำว่าเราไม่รู้อะไรเยอะแยะเราก็เลยไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่เรายังไม่รู้อ๋อครับว่าอันนี้เป็นความคิดของเราเองเราเชื่อไม่สงสัยเราไม่สงสัยว่าพุทธวจนะว่าสมัยอันนี้มันเป็นเพียงแต่ความคิดมันยังไม่ได้เป็นความจริงอ๋อครับถ้าเป็นความจริงมันจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราเนี่ยพุทธวจนะอยู่ในใจเราแล้วเราก็คือก็สมัะ ในใจใจเราก็คือก็สมนี่นนเห็นไหมเห็นในนี้หรือเปล่ามาพูดมาทำมาส่งมันจะมนรวมอยู่ในใจเราเปนที่เดียวไม่ได้อยู่ที่อินเดียไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่ไม่อยู่ที่ที่วันนี้วันนี้มพูดมาทำมาส่งที่แท้จริงจมาพดขึ้นที่ใจเราครับาอาจารยพอเราเห็นอริยสัจสี่านี้ที่เกิดจากเกิดจากเรื่อง ขันห้าเนี่ยปั๊บแล้วก็ดับความทุกข์ได้ปั๊บเนี่ยเห็นเห็นทุกข์ที่เกิดจากสมุทัยเห็นเห็นได้แม้ว่าที่เกิดจากปัญญาที่เห็นตายรักในขันห้าได้ี่มันก็มีดวงตาเห็นธรรมเนมอเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็ไม่สงสัยในในผู้สอนธรรมว่าเป็นใครก็คือพระพุทธเจ้าแล้วผู้ที่เห็นธรรมก็ก็รู้ว่าเป็นใครก็คือพระ อาเรียสงสารพระโดาบนันก็ไม่สงสัย ว, ว่ า, าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่มีจริงมันต้องเห็นแบบนั้นเห็นไหมผมผมเห็นอาจจะเหมือนมันจะเป็นคนเห่าง<ช><ล>ความคิดนะเห็นอย่างความคิดคืออย่างที่ผมเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยส่วนตัวเพราะว่าครั้งที่มีการนั่งสมาธิแล้วจิตมันรวมแล้วมันกัดสะจันใจขึ้นมาครับมันก็เลยแบบ เชื่ อ, องเาตอนนี้พุธรรมระสมยังเป็นยังเป็นระดับโลกียะอยูนะครับแล้วก็เลยตั้งใจที่จะรักษาศีลไปตลอดชีวิตในระดับที่ศีลห้างเนี่ยถ้ามันธรามดามันไม่ต้องตั้งใจนะมันเป็นธรรมชาติไปมันดูมันจะไม่ทําบาปอีกต่อไปออถ้าตั้งใจแสดงว่ายัางยังมียังยังมีโอกาสที่จะคิดทําบาปก็ต้องตั้งใจ แต่ถ้าเป็นโสวนาวันแล้วมันดูแล้วมันทำบาปไม่ได้อคระจแล้วก็เรื่องที่สองคือตอนที่เรานั่งสมาธิทุกๆวันตอนนี้คือมันจะมีในระดับของความนิ่งแต่มันไม่ไม่แบบไปสุดจนถึงเหมือนว่าอ๋อยังเข้าไปไม่มบบดได้ตอนนี้กำลังจะแบบสติจังแม่ดูดวงตอไปทุกทุกทางไป แต่มันก็นิ่งแต่มันไม่ถึงสุดทางสติอาจจะมีกําลังไม่พอที่จะดัดมันเข้าไปถึงสติให้มากต้องไปปิด น, นิดหนึ่งใช่ไหมครรัอาจารย์แล้วข้ อ, ข, อข้อสุดท้ายพระอาจารย์ต้นไม้ที่ปลูกที่บ้านนะครับผมปลูกต้นไม้แล้วเราเห็นว่ามดมันมาทํารังแล้วมันค่อยๆเยี่ยวเฉากําลังจะตายปกติสมัยก่อนก็จะ เปลี่ยนดินนะครับแล้วก็หลังมันก็จะแตกกระเจิงถ้าในลักษณะนี้เราควรจะไปทําอะไรกับมันไหมครับถ้าปล่อยทไเฉยๆได้ก็ปล่อยทิ้งไปเฉยๆไปไม่ก็ปล่อยไปตายไปไม่เป็ไรปล่อยไปตามธรรมชาติครหไปถ้าทําแล้วถ้ามันทําแล้วไปทำป่าเสียหายเดือดร้อนให้กับมนุษย์ก็ไม่อยากไปทำเลยนอกจากเราทาอยู่ในกระถางเราโยงย้ายไปที่อได้ก็ย้ายไป ย้ายไม่ได้คนระับเพราะว่ามดมันเข้าไปอยู่ในดินใต้รากแล้วต้นไม้มันก็ค่อยๆเหลืองเหลืองเหี่ยวไปทีละการเริ่มันก็พิจารณาเป็นตายนักไปแล้วต้นไม้ก็อ น, นิจจ์ครับครับก็ขอบคุณผู้อาวุโอาจารย์มากนะครับที่ชี้นําสอนั่งสอนอองน้ำไปปฏิบัตินะครับสาธุครับที่ท่านตอไปดรพัฒน์เนีดออรอัฒน์ แร์อยที่ไหนกพัน์ G D เปิดไลายได้ไหม น, นักพัฒน์ได้เลยครับขบ่าวอาจารย์แาร์พูดไดไม้มีอะไรยที่ไหนเ อ, อ่ออยู่ปทุมธานีเจ้าค่ะโอเคครั้งกใช่ไหมเ อ, อ่อเป็นคร้งรเข้าค่ะแต่ว่าหนูฟังธรรมะธรรมเทศนา จากพระอาจารย์มาประมาณก็เกือบ2ปีแล้วเจ้าค่ะโอเคไม่มีปัญหาอะไรไหมมีคำถามไหมบ้า เ, นะา เ, นะเออตอนนี้หนูปฏิบัติธรรมมาได้สักประมาณกับ3ปีแล้วเจ้าค่ะขออนุญาตเล่าเรื่องความการตั้งจิตอธิษฐานนิดหนึงบั ง, องเอินหนูผ่าตัดสมองมแล้วแล้วก็กลับมาเป็นปกติซึ่งตอนนั้นหนูก็ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็หนูอยู่เป็นโยมอุปถัมภ์วัดป่าอยู่สายหลวงปู่มั่นเจ้าค่ะ ก็มีพระอาจารย์ที่หนูเป็นโยมุปะถะเนี่ยก็บอกว่าให้หนูว่าตอนที่หนูผ่าตัดอ่ะให้หนูไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ให้ให้พุทแค่สามประโยคว่าพุทธทั้งสรารนังคาฉามีธรรมังสรารนังคาฉามีแล้วก็สังฆังสรารนังคาฉามีหลังจากผ่าตัดสมองมาเปิดกระโหลกมาหมดเลยแล้วก็หนูก็จะอยู่ห้องไอซียูแค่คืนเดียวแล้วก็อยู่พัก ปกติสาคืนแล้วก็กลับมาทําปริญญาเอกต่อได้เลยค่ะทีนี้หนูก็เลยเหมือนกับว่าสัมผัสได้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องจิตอธิษฐานก่อนหน้าเขาผ่าตัดบอกว่าถ้าหนูสามารถแบบรอดชีวิตกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งอะ่ะหนูจะประพฤติตนทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาหลังจากเหตุการณ์นี้หนูก็ประพฤติตนแบบนั้นมาตลอดค่ะทีนี้ทีนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วหนูปฏิบัติศิทธห้าอยู่ มาสองปีกว่าแล้วเจ้าค่ะหนูตั้งใจจะปฏิบัติจะตั้งจะถือศีลแปดแล้วหนูก็ไปวัดทุกเดือนเดือนละประมาณเจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างสูงสุดไปอยู่ประมาณยี่ห้ายี่หกวันเจ้าค่ะเอ่อทีนี้มันมีเรื่องเรื่องที่หนึ่งเจ้าค่ะคือหนูจะต้องทานยาแคปปาซึ่งเป็นยาที่ถ้าไม่ทานแล้วมันจะชับ ต้องทานตอนเช้าก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราทานหลังอาหารได้แต่ทีนี้พอตอนเย็นนะเจ้าค่ะมันก็ต้องทานยาอีกครั้งหนึ่งหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเราทานยาอาจจะต้องขออนุญาตเรียนถามคุณหมอดรวีว่าโดยที่ไม่ต้องทานเข้าได้ไหมหรือศีลแปดเนี่ยเราทานก่อนเราคือที่วัดที่หนูไปเป็นโยอมอลวง ป, ปถามและปฏิบัติธรรมบ่อยเนี่ยเป็นทานหมชั้นมื้อเดียวเจ้าค่ะพระอาจารย์ ทีนี้ถ้าสินแปดนี่เราสามารถทานก่อนเที่ยงได้ไหมเจ้าคะ่ะถ้าก่อนเที่ยงก็ได้แต่อยากเที่ยงวันนั้นเราทานอาหารไม่ได้นะก็ถือสินจิตสินเจ็ดไปก็ได้ถ้าเราซื้อสินแปดไม่ได้ก็เอาเจ็ดเข้าไปก็ข้อหกนี้เราก็เว้นไว้ก่อนพ่าเรามีปัญหารเรื่องทางต้องาารักษาตัวเราเองก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นไปก็ได้เจ้าค่ะ หรือว่าถ้าถ้าเป็นกินแบบท้าว่างได้ก็ลองถามไม่ถามหมอถึงว่ากินกินตอนที่เท้าว่างได้ไม่กัดกระเพาะหืออืมหนูเคยถามคุณหมอที่ศรีราชเปียยมาแล้วว่าเย็นแต่หนูก็ไม่แน่ใจเพราะว่าหนูไปอ่านบทความแล้วนะ่ะเขามันมันจะมีผลต่อการเต้นของหัวใจซึ่งบางครั้งหัวใจหนูก็จะเต้นเร็วผิดปกติจนแบบหมันจะหน้ามืดจนจนแม่บ้านจะต้องบอกว่าให้หนูเซฟพลังงานไว้เพราะว่าหนูผ่าตัดสมองส่วนที่เป็นด้านซ้ายออก แล้วกับไข่ไก่เลยเจ้าค่ะอืมก็หมายความว่าถ้ากินยานี่มันถ้ากินทั้งว่างนมันมีผลที่ยาจะทําให้เกิดอาการไม่ดีขึ้นมาเอ่อหนูไม่กินไม่ได้เจ้าค่ะหนูต้องกินตลอดชีวิตเลยเป็นแต่ว่ากินตอนต้องกินหลังอาหารเอ่อถ้ากินหลังอาหารได้ก็ก็จะดีเพราะว่าหนูอยากที่จะเอ่อเซฟสังขารไว้เพื่อ ตั้งจิตที่จะปฏิบัติธรรมต่อเพราะว่าเป้าหมายหนูเนี่ยตอนนี้หนูตั้งจิตหนูตั้งวางแผนไว้ว่าหนูอยากจะปฏิบัติตนให้กใกล้ใกล้พระโสดาบันให้มากที่สุดแล้วเคยเค ย, เคยลองรับประทานแบบแม่หลังอหารแบบปันยันแบบแม่กินอาหารแล้วรับประทานเคยลองไหมเคยเจ้าค่ะรับประทานอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าท้องมันจะแข็งอะ่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจาก side effect ของยาตัวนี้ไหม ก็เป็นปัญหาแค่นั้นใช่ไหมแม่ใเจ้าค่ะก่อนหน้านี้คุณหมอสั่งใจ่เดนเลนจินด้วยแล้วหนูก็ไปอ่านบทความจากเมืองนอกนะเจ้าค่ะเขาบอกว่าเดนเลนจินมีผลต่อตาหนูก็เลยไปเรียกปรึกษาว่าหนูไม่ขอรับเดนเลนจินนะขอรับเป็นแคปปาซึ่งแคปปาราคาจะสูงกว่าแต่หนูก็บอกไม่เป็นไรเพราะหนูอยากรักษาสังขารไว้เมื่อพัฒนาจิตอืแต่ทีนี้ตอนนี้หนูก็ไม่แน่ใจหนูอยากจะถือสินแปดอ่ะหนูทุกข้อทําได้หมดเรื่อง ยกเว้นข้อนี้ข้อเดียวที่หนูต้องทานยามื่อเย็นนะเจ้าค่ะตอนประมาณสองทุ่มคือถ้าจำเป็นจริงๆก็ถือว่าเข้าเป็นยาไปก็แล้วกันกินกับยาเป็นยาถ้าจําเป็นต้องต้องกินยานี่แล้วก็ถือว่าอาหารก็เป็นส่วนส่วนประกอบของยาไปถ้าเราไม่ได้กินด้วยความอยากกินก็แล้วกันเหมือนกินยาเจ้าค่ะอ๋อมันอยู่ที่เราตั้งจิตใช่ไหมเ จ, าาจาเจ้าค่ะพระอาจารย์กจค่ะ ก็คือถ้าพูดโดยหลักทั่วไปเขาถือว่าผิดศีลข้อนี้แหละแต่ถ้าเราสําหรับตัวเราเองนะจจะยกเว้นตัวเราเองในกรณีเพราะว่าเรามันไม่ปกติร่างกายเราไม่ปกติเราต้องกินยาแล้วถ้ากินยาโดยที่ไม่กินข้าวนี่มันอาจจะเกิดปัญหาตามมาเราก็เลยถือว่าการกินข้าวนี่เป็นเป็นเหมือนกับการกินยาควบคู่กันไปที่จะถามว่าผิดศีลข้อหกมันก็ต้องว่าข้อต้องยอมรับว่าผิด แต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องเราทําเพราะเราไม่ได้ทําด้วยความอยากกินข้าวอะไรย่งเงี้ที่ที่ห้ามไม่ให้กินข้าวเยอะๆก็มันไปกิน เ, นเลยอยากกินข้าวอย่างติดรสของอาหารอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้กินด้วยความติดเรากินเพราะมันเป็นส่วนประกอบของยาอนี้ก็มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ในทางปฏิบัติมันยัง แต่แต่ในทางคนที่เขาถือเคร่งเขากถือว่าผิดเ อ, อมันมันผิดอ่ะผิดข้อหกหนึ่งไม่รับประทานอาหารที่ยงมันไปแล้วก็ <Okay. S 2> ไม่เสียหายเลยถ้ามันไม่มาทําให้เราเกิดการมัฉันทะไม่มาเป็นนิวรันเวลาเรานั่งสมาธิก็นั่งได้เหมือนเดิมนั่งเราไม่ง่วงไม่สับสนก็ก็ระวัง อ, อ, อย่าไปกินมันมากก็แล้วกันการกินมากก็มันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้ทนะาไม่ง่วงนอนทาไม่เกียจคาน เท่า น, นั้นเองจ้ะค่ะจะค่ะตอนนี้หนูก็ฝึกลดสักยะทิฏฐิเจ้าค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ได้ที่ฟังที่พระอาจารย์อธิบายเรื่องของอีกสองข้อหนูก็ยังไม่แน่ใจว่ามันมันมันมองเห็นในจิตเราได้ได้ยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาเราเราวัดจิตของเราเนีเจ้าค่ะเอเวลาปฏิบัติ ท, ทําไปเวลาที่เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะร่างกายเจ็บเรื้อร่างกายจะตายอย่างเนี้จ้ะค่ะ เราก็จะค้นหาสาเหตุดืวยปัญญาเราก็เห็นว่ามันทุกข์เพราะความไม่อยากเจ็บความไม่อยากตายแล้วเราก็พิจารณาเราจะทาไงไม่ให้ความทุกข์นี้ให้ความทุกข์นี้ดับไปเราก็ต้องเปลี่ยนใจเราอยากประยาดให้มันไม่เจ็บอยากประหยาดให้มันไม่ตายก็ต้องดูพิจารณาว่าร่างกายนี้มันจะทําให้มันไม่เจ็บไม่ตายได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติของร่างกายแล้วค่ะ มัื่อมันเป็นธรมมนนธรมชาติเราไปคือธรรมชาติทําไมก็ยอมรับมันว่าเมื่อถึงเวลาจะเจ็บให้มันเจ็บไปเมื่อถึงเวลจะตายให้มันตายไปค <Okay. S 2> ถ้าเรายอมรับความทุกข์ใจก็จะหายไปความทุกข์ใจด้วยความกลัวเจ็บความกลัวตายมันก็จะหายไป <Okay. S 2> แล้วตอนนั้นมันก็จะรู้ว่าอ๋อเหชนอนุญาติญติสัจสีขึ้นมาจากการปฏิบัติของเราเองทำเห็นอนุญาติญาติสัจย่าง อย่างจงแจ้งเกิดขึ้นในใจเราตั้งสี่ข้อทุกก็เกิดขึ้นสมุทัยก็รู้ว่าเป็นอะไรแล้วทุกดับแล้วก็รู้ดับเพราะอะไรเพราะเราเห็นร่างกายคันห้าเป็นไตายละไปอเไรนี้จากเป็นอนาตตาไปแล้วปล่อยวางปล่อยวางละหน้าความอยากได้เพราะพิจารณายัางไงก็ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีดนีไม่พ้นก็อยากไปอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตาย มันจะเจ็บครับป่านมันเจ็บไปมันจะตายครับว่านมันตายใจก็สงบทุกข์กระดับไปนิรันดร์กระปรักขึ้นมาก็เห็นเห็นการทํางานของอริยาสัจสี่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์อืมเจ้าค่ะทนก็ไม่สงสัยว่าธรรมอภิเษกชัยยานี้เอ่อเป็นธรรมที่ดับทุกข์ได้หรือเปล่าผู้ที่แสดงธรรมนี้ก็ไม่สงสัยว่ า, า ม, ม, าททา ม, สสมีหรือเปล่าก็ต้องมีเพราะพุทธเจ้าผ่านท่าน ทำแบบนี้มาก่อนนะแล้วเอามาสอนเราอีกที่ะการู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงธรรมะ ม, มีจริงแล้วอรไยรสองสามก็คือฟู้งปฏิบัติตามแล้วได้ผลก็มีจริงใชค่ะพระอาจารย์เจ้าขาจริงๆแล้วเนื้องอกที่หนูเป็นเน่ยเจ้าค่ะมันต้องตรวจเอ็มอาอทุกปีแต่ทีเนี้ยตอนหลังหนูถามคุณหมอบอกว่าถ้าเราตรวจเอ็มอแล้วมันมีสินออกขึ้นมาใหม่อ่ะพวกเอสโตรไซโตมาเนี่ยเจ้าค่ะเราต้องผ่าตัดสมองอีกใช่ไหม คุณหมอเขาบอกว่าใช่เพราะมีหนทางเดียวในการรักษาคือตอนนี้มานครบสามปีแล้วหนูก็เลยตัดสินใจว่าคือจะหนูจะปวดสมองช่วงช่วงท้ายทอยเนี่ยเจ้าค่ะหนูก็เลยตัดสินใจว่าหนูไม่อยากรู้ดีกว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นมันก็เป็นแล้วถ้าตายก็คือคือหนูก็ไม่ได้อยากผ่าตัดอีกแล้วเจ้าค่ะก็ดีก็ปกป้องมันเพรามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยมผ่าเดี๋ยวก็เป็นอีกถ้ามันจะเป็นก็เป็นมันต้องมีถ้าไม่เป็นโรคนี้มันต้องเป็นโรคอ่นอ่านีใช่เจ้าค่ะ การที่หนูไม่อยากรู้แบบเนี้ยถือว่าเ อ, อเราจะต้องไปรู้ไหมเจ้าขาหรือเราไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ร ไ, ไม่จําเป็นต้องรู้หรอกรู้ตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วหนึ่งตอนมันปวดขึ้นมามันเจ็บขึ้นมาแล้วเราก็ใช้ปัญญาใช้ธรรมโอสถรักษาใจเราอย่างเดียว อ, อยากไปทุกข์กับมันอยากไปทุกข์กับความเจ็บความปวดมันจะเจ็บจะปวดก็ปวดไปมันจะตายก็ผ่านมันตายไปค่ะถ้ามันจะหายกมันก็หายเองให้มัน ให้มันธรรมชาติบำบัดชงตัวมันเองร่างกามันก็อาจจะรักษาตัวเองได้ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเจ้าค่ะอีกอีกประเด็นหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ขออนุญาตขอความเมตตาเจ้าค่ะคือหนูเคยฟังหลวงปูดนนงงป่ ด, ดลูลงตามาาบัวแล้วก็หลวงปู่ชอบหลวงปู่มั่นอย่างเนี้ยเจ้าค่ะก็สายพระกรมรมฐานทั้งหมดหลวงปู่ดุลเคยเคยแสดงธรรมแล้วก็พูดเรื่องของการแทรกแซงจิตนะเจ้าค่ะ เออหนูไม่แน่ใจว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วจิตมันวิ่งไปอดีตบ้างอนาคตบ้างหรือไม้กระทั่งบางเรื่องที่มันยังจิตมันยังไปยึดเกาะหรือยึดติดอยู่เนี่ยเจ้าค่ะเราควรดึงจิตกลับมาเลยที่ลมหายใจหรือว่าเราปล่อยให้เกิดการเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเจ้าค่ะถ้าเราทำสมาธิก็ไม่ควรปล่อยให้มันไปกรรมที่ลกมกรรมที่พุโทโธถ้าเราใช้พุโทโธก็กรรมาที่พุโทโธ ใช้ลมก็กลับมาที่ลมกอดติดอยู่กับลมไปตลอดจนกว่าจิตจะสงบอะไรจะเกิดขึ้นมันจะไปไหนก็หึงมันกลับมาอย่า ก, กว่านั้นไปอ๋อเจ้าค่ะเราเราไม่จําเป็นต้องไปเฝ้าสังเกตว่าไม่ต้องสังเกต <ừ. S 1> ให้สังเกตลมอย่างเดียวถ้าเราดูลมก็ดูลมอย่างเดียวเฝ้าดูลมอย่างเดียวถ้าพุทโธก็ดูพุทโ ธ, ทธอย่างเดียวอยพุทโธไปอย่างเดียวเจค่ะอะไรเกิดขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจ ถ้าสนใจเราเดี๋ยวเราจะเสียสมาธิมันจะเสียสติไปใจเราจะลอยไปหามันจะต้องอาศัยลมอาศัยผู้เทอเป็นเครื่องยึดเนี่ยว จ, จิตใจไม่ให้ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆค่ะคือตอนเนี้หนูยังมีลักษณะาตามลมอยู่บ้างแต่ว่าสัมผัสลมเนี่ยบางครั้งมันก็เข้ามาแวบๆนะเจ้าค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เวลาหนูนั่งสมาธิอะหนูจะตามลม ออกตามลมเข้าซึ่งมันก็ไม่เราตามลมเข้าไม่ถูกต้องอยู่เข้าดูอยู่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกลมเข้าเขาดูว่าเข้าลมบอกเขาือว่ารู้ตรงจุดนั้นจุดเดียวเจ้าค่ะมันถึงยจะแน่ั้นตามเข้าตามบอกมันก็ไม่แน่ชักเข้าชักบอกอ๋อเจ้าค่ะแต่มันเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะช่วงแรกๆที่เราปฏิบัติแล้วเรายังไม่ไม่ชํานาญหรือเรายังไม่เข้าถึงพวกนี้มากมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นปกติในเจ้าค่ะพระอาจารย์ คิดว่าผมเป็นความไม่เข้าใจมากกว่าแล้วเข้าใจแล้วต่อไปแล้วก็ดูที่ปลายจมูกจุดเดียวก็พผโอเค <Okay. S 1> ไม่ต้องตามเข้าไม่ต้องตามอเล่าเ <Okay. S 1> ดูตรงที่มันสัมผัสตรงที่ปลายจมูกโอเให้รู้ว่ามันเข้านูวมันออกนู่นมันสร้นง้วมันยาวนู่นมันยา ว, วนู่นอะไรอยูถ้านนั้นเองตามความเป็นจริงไม่ได้องไปไปไ ป, ไปควบคุมบังคับลม mm. ไม่ต้องไปตามลมโอเค okay. เดี๋ยวหนูจะฝึกปฏิบัติใหม่เจ้าค่ะวันนี้กลับกับคุณพระอาจารย์เจ้าข่าในกามสาธุมั่งมากคงจะดีขึ้นนะนั่นใจถ้าเป็นไปได้เจ้าค่ะกลาบครับพระคุณเจ้าข่าสาธุที่สําคัญกว่าก็คือใจนะใจเราต้องไม่ไปทุกกับมันเลยที่สุดเจ้าค่ะเดี๋ยวมีโอกาสหนูจะขออนุญาตไปกราบนมัสการเจ้าข่าพระอาจารย์ที่วัดเจ้าค่ะอ่าเชิ่ ไปที่กลิ่นพิดาต่อกลิ่น พ, พิดาเป็นยางไงสายดีเหรอการรับราชการคะระบอาจารย์สบายดีค่ะอะ่หนูไม่มีคําถามค่ะช่วงนี้ก็ทํางานหนักค่ะแต่ว่าก็พยายามปฏิบัติอยู่ค่ะอืะอก็หาเวลาปฏิบัติด่างนะอย่าทิ้งมาค่ะค่ะไม่ทิ้งแน่นอนค่ะหนูก็พยายามนั่งทุกเชา้าคระอาจารย์แล้วก็พยายามรักษาสติรักษาอารมณ์ระหว่างวันค่ะอ่ะท า, อาทำไปมากน้อยก็ทําไป ดี่ก็ไม่ทำนะเพระมันถ้าไม่ทำจริงเวลานานมันจะกลับมาแล้วมันจะยากคพระอาจารย์ค่ะยังไงหนูกก็คิดว่าอย่างมุ่งมั่นในเป้าหมายทางธรรมะต่อไปค่ะพระอาจารย์โอเคอา่าทุกการขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะคุณสภัทนรราบอเวนเชิญกลับแล้วมาส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ตอนนี้ฟังทำ ทุกวันแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็ขอร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะ okay. อันนี้ไม่มีคําถามอะไรนะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าคะได้คําตอบวันนี้ได้คําตอบจากพระอาจารย์ตรงที่พระอาจารย์เทศเทศวันนี้เข้าใจมากขึ้นว่าทุกอย่างก็คือให้ให้อยู่นิ่งๆให้อยู่เฉยๆไม่ให้ยุ่งไับใจรู้เฉยๆสักแต่ว่าล เจ้าค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยให้เราให้เราเฉยให้เรานิ่งไว้เจ้าค่ะอาจารย์คือค่ะอนนี้ก็เข้าใจมากขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์ขอบคุณทำไม่ได้ก็แล้วกันยังเวลาทําไม่ได้ก็แล้วกันเวลาก็าด่าเราก็นิ่งเวลาใครก็าคงของเราไปก็นิ่งเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพียนเพียนให้ได้เจ้าค่ะอาจารย์ขอบคุณเจ้าค่ะเพียนคุณมาลีตางมรี กลับถึงบานแล้วเป็นยังไงบ้างอางรมณ์จิตใจเป็นยังไงบ้างกัเงบเวลาที่กลับหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเออคืดีค่ะแต่มันแต่มันมันเหมือนมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจอะคะ่ะพอหนูกลับมามานั่งนั่งต่อคะ่ะนั่งกลับมาที่บ้านแล้วอะค่ะมันถึงคํภาวนาปุ๊บเนี่ยมันมันจะเหมือนกับแบบมันแนบกับแนบกับ ที่เราหายใจไปเลยอ่ะค่ะหลวงพ่อมันมันมันแนบแนบเหมือนคนน้ำหนึเดียวกันเลยเปนน้ำหนึ่งน้ำเดียวกันใช่ใ่ค่ะหลวงพ่อแล้วพอพอลมหายใจหนู่ะมันเหมือนมันดึงตัวรู้กับตัวลมีอยู่ติดกันไปเลยใช่ใั่เลยใช่ค่ะหลวงพ่อแสดงว่าสติมันมีกําลังมากแล้วทีเนี้ยพอพอั่นเขาเรียกอะไรแขนขาอะไรเงี้ยมัน มันจะกลายเป็นแบบมันจะนิ่งมันจะเริ่มแบบส ง, งบอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อหนูอันอันนี้ถือว่าผิดปกติไหมคะหลวงพ่อไม่ผิดปกติถ้าใจเราไม่ทูกข์ก็ไม่ไม่ไม่ผิดปกติตคือมัน ม, มันจะ ม, มันจะมันจะเข้าไปอยู่ข้างในอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อแล้ ว, แ ล, วแล้วลมหายใจเราก็เหมือนมันจะน้อยน้อยนอยนอยลงไปแบบจนแบบ มันหยุดของมันไปอย่างเงี้ยค่ะนจนมันเบามันเบาไปเลยง่ายลูกแต่ตามความไปจริงมันไปได้นี่ยค่ะแล้วแล้ ว, ลวร่างกายเราก็ไม่ได้ว่าเจ็บปวดหรืออะไรนะคะแต่เราจะรู้ว่าเนี่ยแต่มันได้แบบไม่ได้ไปทุก์ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มีสติรู้ตัวตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อเพียงแต่ว่ามันสงบสงบอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อให้มันสงบไว้ให้มันเฉยไวะะ้ก็แล้วกัน สัตย์ว่าต้องไปไม่ต้องมีปฏ<ช>ิกิริยากับอะไรทั้งหมดใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วพอเราไปนั่งถ้าเราจะนั่งอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าเราไปนั่งตรงไหนก็สามารถนั่งได้เกือบทุกที่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแสดงว่าจิตเรามีสติมีกำลังมากไม่ไม่ถูกอะไรมาคอยรบกวนเหมือนเมื่อก่อนเนี้ถ้าถ้าอุเบกขามันน้อยออะไรมากอยทบ่มหนามันก็ไปนะค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยมีความรู้สึกอาจจะ คิดว่าเอ๊ะมันเราทําผิดอะไรตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลวงพ่อพลังจิตมันเยอะอะจิตมันมีพลังเยอะก็เลยสามารถทําที่ไหนก็ได้คนจะเล่านำทำเพลงแล้วก็นําสมาธิเขาไปได้ใช่ค่ะซึ่งเมื่อก่อนอ่ะไม่สนใจใช่ค่ะเมื่อก่อนมันจะไม่ได้ค่ะหลวงพ่อแต่เดี๋ยวนี้ยคือจะเสียงดังหรืออะไรเงี้ยคือมันมันมันก็อยู่ของมันได้ค่ะหลวงพ่อมันไม่ได้ไป เดือดร้อนหรืออะไรเงี้ยค่ะกูยแยกได้ค่ะหลวงพอ่อแล้วก็ไม่ได้จิตไม่ได้ไปวุ่นวายหรือว่าไปต่ อ, อต้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อแสดงว่าสเตจของความสงบของเรามีมากขึ้นเป็นรู้สึกเฉยเฉยกับสิ่ ง, งตา่างๆค่ะหลวงพอ่อแล้วแล้วถ้าเกิดเรามีความอยากที่ว่าเราเราอยากอยู่ตรงเนี้ยนานๆอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มันไม่ควรคิดไหมคะหลวงพอ่อก็มันเป็นของดีอะไรไม่อยาก อยากให้มันนิ่งนานๆไม่เสียหายเป็นมากหงอ๋อค่ะคือเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติว่าการให้มันนิ่งตลอดเวลาช่วงกรณีไม่ว่าเหตุการณ์อะไเกิดขึ้นให้มันนิ่งค่ะมันคือมันนั่งไปโดยที่มันไม่มีความง่วงหรืออะไรเงี้ยจนกว่ากําลังมันจะจะหมดไปเลยอ่ะค่ะหรอว่างั่งได้ปฏิบัติได้เท่าไหร่ไม่เสียหายเนาะยกเว้นว่าถ้ามันทาให้เราต้อง ไม่ไปทําหน้าที่ของเราอันนี้ก็ก็ต้องก็ต้องใช้ปัญญาถึง เ, เวลาต้องทาหน้าที่ก็ต้องต้องวางนั้นงานปฏิบัติไว้ชั่วคราวแล้ว ไ, ไปทําหน้าที่ขอราไค่ะลหลวงข้อคะแล้วแปลกอีกอย่างหนึ่งคือว่าพอพ อ, พอเราปฏิบัติเยอะๆเราเรานอนน้อยลงไปอะ่ะถ้าถ้าปกติ<น>มันมันจะแบบว่าเราต้องง่วงร่างกายเราต้องไม่ไหวโ น, น, น่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้มันมันไม่เป็นนะคะไม่เป็น ว่าินมันตื่นตัวตลอดนะมีสตคิค่ะคือผมก็ยังตื่นตีสามตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําไปถึงออฟฟิศก็ยังทําอยู่แล้ ว, แ ล, วแล้วพอถึงเวลาทํางานก็ก็ต้องไปทําโดยที่ว่ามันมันกลายเป็นแบบไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ม, มันจะน้อยมันจะกินน้อยนอนน้อยไปเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อใจมันไม่มหิวอมันจะไม่กินมาเมื่อไม่กินมากมันก็ไม่ข้างนอกนอนเลยมันก็ไม่นอนมากค่ะหลวงพ่อ ก็อย่างนี้หนูก็ถือว่าทําไปได้เรื่อยถูกมไหมคะหนูทำไปเรื่อรักษาใจมันสงบไปเรื่อยตลอดทั้งวันทั้งคืนหลวงพ่อค่ะแล้วพอมีเวลาคือมันมันจะเหมือนจิตมันจะนึกไปถึงตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อคืออยากอยากจะไปทําอยากไปยากเป็นทางยังไปไม่ได้ง็หยดหยุดหยุดความอยากไว้ก่อนถ้าไปได้ก็ไปค่ะหลวงพ่อ อยากไปแล้วไม่ได้ไปมันจะทุกข์ได้ถ้ามันจะทุกข์กับความอยากนี้ก็ต้องหยุดความอยากนี่ไม่ชั่วคราค่ะค่ะหมอวันนี้หนูมีรายงานหนูพ่อประมาณเนี้ยค่ะอยากไปปฏิบัติแต่ถ้าที่ไม่ว่างหรือมีงานติดงานไปไม่ได้ก็หยุดความอยากนั่นไปก่อนเห <Hello. S 1> มือนขับรถมัาถึงสี่ยากไฟแดงแล้วไฟมันแดงอยากจะไปเร็วๆไปไม่ได้ต้องรอให้ไฟเขียวก่อนค่ะหมอ กันยังนะเข้าใจแล้วค่ะแต่ความอยากสงบเนี่ยมันเป็นธรรมันไม่เป็นทุกข์มันไม่เป็นกิเ<น>ลสเพรามันทําให้เราไม่มีความสุขทาให้เรามีความสุขทําให้เราไม่ทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อให้ใจมันสงบพอเราได้สัมผัสกับความสงบแล้วที่มันติดใจมันอยากจะให้มันสงบเยอะๆสงบนานๆสงบมากๆแล้วแล้วพอ พอสงบมากๆนี้อันนี้หมายถึงว่าสติเราอ่ะมันจะมีเยอะขึ้นใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่มันสงบมากว่สติแล้วมากค่ะหลวงพ่อต่อไปมันจะเป็นสติอัตโนมัติมันจะไม่ไม่เคยเลยมันจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะจอยู่กับงานที่เราทําอยู่มันพอสมมติมันจะมีเรื่องมีเราอะไรขึ้นมาคือในในใน จิตในใจเรามันจะบอกมันจะแบบมันจะตัดนะคะหลวงพ่อมันจะย้ําตัดแล้วก็เหมือนเหมือนคิดว่าห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะงพอแล้วมันก็จะหยุดหยุดไปเลยอย่างเงี้ยหยุดไปุไม่ใช่เรื่องว่าค่ะถ้าทําำ ไ, ได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็เฉยเฉยไปค่ะหลวงพ่อโอเคนะทำ <ขอ S 2> ต, ต่อไปค่ะหลวงพ่อมาเล่าทําทำไปแต่ทุกขับ ขอบพรคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะคะหลวงพออ่อค่ะทุกค่ะคุณแนแ น, แ น, นแคุณดอนคุณจาดนามัสการคระอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามาค่ะโอเคนี่ไปดี่มันแอบตอนนี้อ ย, อ, ย อ, ย อ, ย อ, อยู่ที่ไหนบ้านไม่ได้ไหมครับครับกลับมาบ้านแล้การครับอยู่เชียงใหม่ครับอาจารย์มีอะไรไหมขอบค เ อ, อคืออยากจะสอบถามว่าครับเวลานั่งสมาธิไงครับผมเวลาบุ๋มบริกรรม พ, พุทโธไปเรื่อยๆครับแล้วทีนี้จิตมันว่างนะครับแต่เรารู้สึกว่าแบบมันไม่เข้าสมาธิไงครับแต่เรารู้สึกเหมือนแบบว่าพอก่อนอะไรประมาณเนี้ยครับพุทโธต่อไปอยังเพิ่งหไปได้ครึ่งทางแต่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าจุดหมายปลายทางนี้มันจะเหมือนตกหุ้นตบบอกบอลนะก็เป็นเนิ่งสงบ แต่แต่รู้สึกว่ามันมันสงบแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นสมาธิเงี้ยครับ อ, อ่มันมีครื่องทางไหมมันยังไปไม่ไม่ถึงเต็มร้อยมันไม่สงบเต็มร้อยถ้าสงบเต็มร้อยมันจะหยุดพูดโทรศัพมันจะว่างมันจะเย็นี่สบายครับก็ยังพูดโธรศได้ก็พูดโธรต่อไปครับนะแล้วพอมันสงบแล้วพูดโธก็จะหยุดเลยครับ ก่อนยมยายนไหมครับมระอาจารย์ครับผมก็ปฏิบัติเป็นอก่อนหน้านี้ก็คือปฏิบัติเช้าช่วงบ่ายโมงก็คือฟังอธรรมของพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ก่อนนอนครับอก่อนหน้านี้ก็คือรักษาสิ่งห้าเป็นปกติแล้วก็คือในช่วงเข้าบรญญัตินี่คือขยับวันพระเป็นสิบแปดครับ<ม>แล้วก็ แล้วกาา็ช่วงนี้ปกติก็คือร่างกายมันมันมีปัญหาเกี่ยวกับการปวดท้องคือมันมีปัญหาคือเราคือผมเองได้ไปกินของที่สกปรติดติดดมาผมก็มรู้แล้วว่ามันมีอาการอยู่ปกติก็ก็จะกินยานะครับแต่แต่วันนี้ก็ก็จะใช้ทําโอสถอย่างฟังของพระอาจารย์สู้กับมันดูครับในของการวิทยานะครับก็ออลองูลองดูว่าทําใจเช่กับมันได้นะครับ ครับแต่ก่อนหน้านี้โควิดมาครับทาใจสู้ไม่ได้ครับไม่ไม่ไหวต้องกินยาครับอาจารย์ใช่ครับบาอยาก็ต้องใช้ยาถ้ามันจำเป็นก็ต้องใช้ยาครับขณะที่ไม่ต้องใช้ยาไานก็อย่าไปใช้ยาครับอาจารย์ครับก็ปฏิบัติอยู่ปกติประมาณนี้ครับอาจารย์โอเคคอยทำไปเรื่อยนะครับอาจารย์ครับการรการเป็นอย่างถูกนะครับโอเคอยากคบางวัาอะไรอยากสีรัชดา นะมัสการเจ้าขาพระจานท์เมื่อสักครู่เพิ่งเพิ่งมีกันบ้านนะคะพอกับจากทํางานมาถึงบ้านนะคะแล้วเข้าห้องแฟนเขาเขาทําที่นอนให้ใหม่อจริ ง, รงๆแล้วอะ่ะหนูก็นอนพื้นมาประมาณเข้าปีที่สามแล้วะคะ่ะก็ก็อ้างอ้างมาตลอดว่านอนเตียงไม่ไม่สบายทีเนี้ยเอเมื่อวันสองวันเขาก็เลยเขาก็เลยหนูก็นอนพื้นเขาก็นอนเตียงวันสองวันเขาก็ตัดสินใจถอดถอดเตียงไม้ออกแล้วเขาก็ มานอนแบบเสมอกันแต่ว่าอืมเตียงมันก็ยังไม่ไม่โอเคอยู่หนูหนูก็ไม่อยากนอนมันเตียงหนูก็ขอนอนพื้นเหมือนเดิมเมื่อวานก็นอนพื้นแวันเนี้ยเขาก็เลยทําใหม่ก็คือเอาพื้นไม้เตียงอะค่ะไปสอดเข้ากับเตียงเตียงฟูกสู ง, สงแล้วก็เอาผ้าฟูกบางๆทับอีกทีนึงแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะคราวนี้ยแข็งแล้วที่เนี้อย่างนี้นอนได้ไหมจ้ะค่ะ ได้ถ้ามันเพื่อนแข็งไม่มีบอกไป่ใช่นานก็แบบว่ามีฟูกมีฟูกหนาๆอย่างนี้นะคะแล้วเอาไม้สอดเข้าไปมันก็ทําให้แข็งอันนี้นอนได้ใช่ไหมต้องฟูกออกไม่ได้หนูว่าให้เขาเอาฟูกออกเขาไม่ยอมเขาบอกเขาก็ว่าหนูหนูก็เลยจะใช้ฟูกด้วยนจะนอนบนไม้แล้วนอนไม้ไปเลยใช่เพราะว่านอนไม้แต่เขาเหมือนแบบฝังดีอะค่ะ ตอนหลังหนูก็พอมาฟังมาฟังเคสของที่ที่ผ่าสมองน่ะหนูก็เลยมานึกออกเลยว่าอ๋ออย่างนั้นเอางี้แล้วกันถ้าเป็นคอมเพลเม้น์เนี่ยหนูก็ยอมนอนให้เขาแล้วก็ถ้าเป็นวันไหนที่หนูถือสิ่งแปดวันพระหรือวันอะไรเงี้ยค่ะที่หนูถือว่าเป็นวันพระหนูก็ขอพขานอนพื้นอะไรอย่างงี้น่าจะพอได้ไหมแล้วแต่และแต่คุณจะไปจัดการกับเขามันนวัตธรรมเราเพราะหนูกลัวทะเลาะกันหนูก็เลยคิดว่าเออมันต้องคอมพลเม้์สักหน่อยอนะ่างงี้ อแต่กด้วยการก็ต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวค่ะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือไปไปทราบไปทราบมาว่าครอบครัวของน้องชายอ่ะเขาก็มีปัญหาทั้งทั้งครอบครัวแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกอะไรมันมันมีแค่ข้อสงสัยนิดนึงว่าในความที่เรามีอุเบกขาแต่ว่าใจมันก็ไปคิดห่วงว่าพ่อไปอยู่กับน้องเขาเ อ, อหลานอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความกังวลขึ้นมาซึ่งอันนี้มันมันถือว่า เรื่องการวางอุเบกขามันยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนถูกต้องเลยคะใช่มันหวังได้อยู่แต่โอ้เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราทำอะไรให้เขาได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปปล่อยไปตามค่ะตอนนี้หนูก็หนูก็ปล่อยไปเขาก็บอกว่าเขาเขาขอโทษทําให้ที่ทําให้กังวลหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้รู้สึกอะไรยิง่งแต่หนูหนูหวงพ่อกับหลานแค่นั้นเองอ่ะ เ, คคเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือเราช่วยเหลือก็ได้ครับคนอยช่วยเขาไปค่ะใช่เจ้าค่ะแต่ถ้าเป็นเร<น>ื่องของเขาเขาดูแลดูให้หน้าเขาปล่อยเขาดูแลตัวเข า, เ า, ปเขาไปค่ะใช่เจ้าค่ะส่วนส่วนกิเลส น, นะคะพยายามต่อสู้อยู่ค่ะโอเคะครับคุณอันนี้คุณชัยยะชัยะนิดหน่อยนะชัยยะนิดหน่อยเนยอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะว่าจ้าชื่ออะไรนะ ถูกไหมที่อามเนี่ยถูกถูกจ้ะค่ะพูดถี่หน่อยพอดีชื่อเต็มชื่อเรื่อแล้วมันเป็นสองชื่อชื่อชื่อเต็มชื่อเชียร์นิทนะคะชื่อเล่นชื่อหน่อยชื่อเชีนอ๋อเชียร์นิทแล้วก็น่อยใช่ค่ะอาจารย์จะเรียกหน่อยเฉยๆก็ได้ค่ะก็ได้ไม่เป็ไรก็ตามที่เขียนมาค่ะไม่ไม่มีอะไรค่ะคือมาส่งการบ้านค่ะอาจารย์ ที่มองมองแบบว่าสมมุติว่ามองไปอย่างนี้ก็จะเป็นกระดาษเจค่ะอืม uh ั huh. นึงนะคะรู uh huh. ้ขอเลื่อนเพื่อจดไว้ค่ะเพราะว่าบางทีลืม uh huh. เลื่อนไปหาพระอาจารย์แป๊บนึงอาจเจอพระอาจารย์ uh huh. คืออ่าสงสัยว่าเวลาพิจารณาอสุภะทำไมถึงจำหน้าตัวเองไม่ได้อะเจ้าค่ะ ก็เวลาพิัรณาเราเร า, เราไม่จำเป็นจะต้องดูหน้าตัวเราเองเราดูบ้างเราต้องการดูอวัยวะต่างๆขร่างกายก็คือว่าเป็นส่วนกระดูกนี้ถึงใช่เห็นกรงก็ดูเห็นตับเห็นปอดเห็นไตเห็นลาไส้เห็นภ า, ายในนะไม่ได้ไม่ให้ดูภายนอกภายนอกนี้มันมันมันสวยงามไปเราต้องการดูส่วนที่ไม่สวยงามมันจะได้ไม่มีเกิด ความยินดีความรักความค่ายกับมากกายเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าหน่อยจะตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้มีโอกาสทําดียิ่งขึ้นไปอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะถูกต้องขอให้ทาดีไปเรื่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ต้องแบบว่ากะเกณไม่ต้องมีกฎว่าเราต้องทําเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ ก็แล้วแต่ว่าเราเป็นคนที่ต้องต้องมีกฎมีเกณฑ์แล้วไม่บางทีพูดกว้างๆมันอาจจะมันไม่รู้จะทําอะไรเท่าไหร่บางคนที่เอาว่าสมมติว่าอาจารยขอทำบุญใส่บาต ท, ทุกวันอย่างนี้มันก็มีกฎมีเกณฑ์บังคับขึ้นมากขึ้นค่ะที่จริงอ่าแล้วไม่ชอบใส่บาตรก็ขอมาจากเงินให้กับโรงพยมาบาลโรงเรียนวันละหบาทสิบาทก็อย่างนี้ก็มีกฎมีเกณฑ์หน่ะมันจะได้ อย้างาพูดแบบลายๆนี่มันกำหนดจะจะทำทำมาก<ช>ําน้อยเท่าไหร่ใช่ค่ะที่จริงไหนก็ทำอย่างนี้เหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยเหมือนพระอาจารย์มีเห็นยันไม่เห็นยันบ้านไหนเลยว่าหน่อยใส่บาตรทุกวันค่ะแต่ว่าคือก็คิดเหมือนที่พระอาจารย์บอกก็คือว่าบางทีเอาไปทำโรงเรียนบางทีเอาไปทํา <c oughs> บางทีก็เอาไปใส่บาตร ท, ท้ะอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะ ไ ด, ได้ได้ได้ไดไดทั้งหมดนะทำโรงเรียนก็ได้โรงโพยาบาลก็ได้โรงวัดก็ได้แล้วก็ตั้งแต่ฟังธรรมะผ้าจารมาจากที่เคยปฏิบัติธรรมแบบสเปสสปะเหมือนคนไม่มีสติค่ะคือหน่อยเริ่มปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุสิบสิบหกก็คือมสี 4, ค่ครูให้เข้าคลาสปฏิบัติธรรมเจ็ดวัน ที่วัดเวรวันนะคะพระอาจารย์เหมือนกับครั้งแรกที่ปฏิบัติธรรมอ่าเหมือนของเก่ามันขึ้นมาค่ะพระอาจารย์ก็คืออยู่กับความว่างแล้วมันมีความสุขแต่แต่หน่อยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันคือความว่างความสงบนะในสมาธิค่ะตอนนี้รู้แล้วค่ะว่าคือความสงบใ น, นสมาธิและทีนี้ก็เหมือนกับ อยุบหน่อพ้องหน่อลมหายใจอยู่ที่ท้องกลายเป็นตัวเองนอนง่ายไม่ได้เลยจ้ะค่ะเพราะว่ามันเหมือนจุกตรงลิ้นปีแต่พอมาฟังธรรมะพระอาจารย์ที่บอกว่าให้เอาลมหายใจไว้ตรงจมูกก็คือว่าดูเฉยๆตอนนี้นอนง่ายได้แล้วจ้ะ <Okay. S 1> ไม่จุกเด <Okay. Okay. S 1> เหมือนว่าไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราไปกดทับหรือเปล่าค่ะ มันอาจจะไม่อุปท า, านนะว่ามันกชว์เราไปไปไปกดดานมันก็ได้อืจังคะแล้วก็มาส่งการบ้านเรื่องยอมตายเรื่องงูอที่จริงอย่างหน่อยนั่งสมาธิอย่างเงี้ยพระอาจารย์หน่อยเจ็บอย่างเงี้ยหน่อยก็ทนได้นะพระอาจารย์แล้วก็บอกว่าก็ยอมตายก็ทนได้เข้าสมาธิ ก็ให้มันตายไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้ปุ๊บคือเคยพาแมวไปหาหมอแล้วทีนี้ระหว่างรอมันมีคนเขาจะมีคนพาน้องแม่น้องงัวค่ะมาหาหมอด้วยเรานั่งอยู่ข้างๆกันอันนี้คือบททดสอบเราใช่ไหมคะพรอาจารย์ทดสอบยังไงล่ะทดสอบว่าเราจะกลัวงูไหมอ่า ก็ เ, เป็นสว น, นะกลัวไม่กลัวใช่ค่ะพาซาลหนูหน่อยเลิกเลือกที่จะเดินหนีไปรอที่รถพระสดงว่าเรรยกลัวมันเรื่องอื่นได้หมดเลยนะพสซานแต่เรื่องนี้คือเดินหนีบอกลูกสาวว่าโอ้แม่ไม่ไหวขอเดินหนีประมาณนี้ อ, อันนี้มันก็เป็นเป็นของที่ คมเลอยู่ในใจเราบางคนก็กลัวตุกแกเ่มันจะตุ๊กแกแล้วก็กวทํางานกก ไ, ไม่ถูกกลัวิดว่าใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าเรื่องอื่นทุกเรื่องในตัดได้หมดเลยแต่ว่ามันมีอยู่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆที่หน่อยผ่านไม่ได้ไหน่อยปุ๊งงมากเลยเกอต้องถามด้วยถ้าเรายอมตายเราไม่ยอมตายแเราจะไปกลัวงงทาไมแย่ามากมันก็จัดเราเลย <c oughs> แสดงว่าเรายังไม่ยอมตายจริง ยอมตายแต่ว่าไม่อยากตายเรื่องงงตอนโดนโมงอันนี้ก็เป็นกิเละไม่อยากตายเพราะโมงก็เป็นกิเลสมันต้องยอมตายไม่ว่าจะตายด้วยทางไหนทางน้ําทางไฟทางโดนอะไรกัดโดนเป็นตายเพราะความไม่สบายไม่ตายเพราะอะไรถ้ตายเหมือนกันคิดอย่างนี้ <Okay. S 2> วิธีตายมันไม่สำคัญสำคัญถ้าเรายามรับขับตายแล้วไม่ต้องตายได้ทุกวิธีก็ อุบายธรทำยังไงก็คือต้องอยู่กับมันไปต้องยอมตายกับมันใช่ไหมพระอาจารย์ถ้ามสมมติ<ะ>ถ้าเรากตกลงไปในในใ น, ในบ่อแล้วมีงูอยู่ตรงหนึ่งแล้วเร า, เราขึ้นมาไม่ได้จะทํำยังไงพระอาจารย์เชื่าก็นั่งพุดโทรพูดโทรไปหลับตาถ้าเรายังกลัวมันอยู่ก็หลับตาพุดโทรพูดโทไปแล้วมันจะไม่ตบเลยใช่หมเจ้าค่ะเข้าสมาธิไปในฝันเห็นงูประจําเลยนะเจ้าค่ะอ่านจะมีอะไรถูกพันอ่ะใช่ก่อนจะกลายเป็นงูมาก่อนหรือเปล่า เไม่อาจจะเป็นคู่อะไรือกงงูก็ได้อาจจะคปไปทำร้ายงูมามากนะที่จริงก็คิดอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเขาโดนทําร้ายมาแล้วเราอ่ะจะสงสารแล้วเราจะทํำยังไงเราก็ต้องสงสารเขาอยู่ดีเราก็ต้องได้แลาต้องก็ดูแลเขาไปเลี้ยเขาไปแล้วช่วยเขาได้่็ช่วยเข้าไปแต่ช่วยแบบให้เ้าบังคับเราแล้วแต่ต้องต้องระมัดระวังโอ้ยแม่ก็ จะหาว่าใจรำก็ใจรำนั่นเดอนหนีไปแหละเราแม่งก็ไปหาไปหาคนที่เขาช่วยได้มาช่วยอ๋อได้ค่ะอย่างนั้นได้ อ, อค่ะอะมีแค่นี้ค่ะพระอาจารย์อ๋อมีมีอีกเรื่องหนึงค่ะพระอาจารย์คือตั้งแต่อ่าฟังธรรมะพระอาจารย์มารู้สึกมี่จดไว้จดไว้เดี๋ยวลืมนะคะรู้สึกชีวิตสมถะและมีความสุขมากขึ้นเจ้าค่ะ<ด>รู้สึก รู้จักให้อภัยน้อยลงแล้วก็คิดน้อยลงพยายามบอกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีดีแค่ไหนที่ต้องไปคิดร้ายกับคนอื่นพยายามแบบควบคุมจิตตัวเองไม่ให้ไปคิดปาลามาาคนอื่นเจ้าค่ะแล้วเราสุขแล้วเเนี่ยแล้วหน่อยก็มีความสุขมากเลยเจ้าค่ะนะค่ะเนะนี่ยค่ะไ ม, ไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะคคคพยายามาปฏิบัติต่อไป รักษาสิ่งที่เราทำได้อย่าให้มันหายไปพยายามทำในสิ่งที่เรายังทำไม่ได้ต่อไปพยายามหัดทำข้อสองมือว่าดึงผ้ามือเราทำใจไม่ตาเ <c oughs> <c oughs> ดีเ๋ยวอ้ยรูเบกขาอะไรพุทธรทธพรพุธรไปดูลงไปหลับตาไปถ้าเราเจอเขากยัเรายังมีปัสส า, ารอยู่ก็ทำใจให้นิ่งสงบไป ใช้ไปไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องเดินหนีถ้ารู้ว่ามันปลอดภัยมันไม่กัดเรามันอยู่ในกรงไม่เป็นไรครับต้อนั่นนั่งข้างไปนั่งข้างก็โอ๊ยมันต่างกนต่างอยู่เขาก็อยู่ของเขาไปเราก็อยู่ของเราไปให้เขาก็อยู่ของเขาค่ะแต่ว่าเขาก็แอกว่าเลื้อยไปเลื้อยมาโอ้ยแล้วทาไมก๋วยเตี๋ยวมันเลยไปเลื้อยมาเราเป็นลังเกียจเลย เวทีวาาสปาเกตีเหมือนกันเลยไปเล่มาเหมือนกันเขี่ยวอ่ะมันไม่มีจิตอยู่ในนั้นนะแคนั้นแหละงูมันก็ไม่มีจิตในนั้นหรอกงูงูก็ไ่เหมือนซเส้นสปาเกตี้เส้นหนึ่งอ๋ <laughs> อก็เราก็ให้ให้เป็นอุบายทําแบบ ไ, ได้ไหมคุณศพรก็เขาก็สัต อ, อันหนึ่งที่แบบเราก็ต้องเมตตาเขาเหมือนกันอย่างนี้ได้ได <laughs> เขาก็มีจิตมีใจเหมือนกับเรา นักตัวกัวตายเหมือนกันแค่เขาอยู่ในชาติภบที่เป็นมูนนี่ก็เราอย่าไปทําลายเขาแล้วกันถึงแม้เราจะไม่นักงเขาก็เป็นไปเราเฉ่เฉยก็แล้วกันทำจใจเฉยเฉยไม่ต้องไปรั่งูไม่ต้องไปรั่งงูก็ได้ไม่ได้ว่าอย่าไปเกลียดมันเราอย่าไปอไรมันมันก็มีแวบคิดนะคะว่าเอี่จะทําลายดีไหมก็คิดอีกเหมือนกันว่าแล้วแบบคือผู้รู้กับผู้คิดไี่มาเร็วมากเลยนะเจคะ่ะ คือแบบว่าอ่าหนว่าจะถามพระอาจารย์เรื่องนี้อยู่ผู้รู้กับผู้คิดมันมาเป็นกัรงานเป็นตัวเดียวกันแต่มันทับสองหน้าที่ตัวเกันสองหน้าที่คิดด้วยรู้ด้วยแล้วทําไมโดยปกติแล้วจิตเราทําไมต้องแบบคอยคิดร้ายไปเรื่อยอย่างนี้พระอาจารย์ที่เรีของเราเนีเ่ยมันมีโมหะ ความไม่รูธรรมชาติของครามเป็นจริงของธรรมชาตินัไม่ไม่มีใครดีใครชั่วทุกมันเหมือนกันหมดดีชั่วอยู่ที่การกระทํานะั่นเองก็คือแบบโดยปกติแล้วจิตเรามันจะกเราลงไปต่ําอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชอบยกตนของท่านไงกิเลสเมือนกันอัตตาตัวตนถือแล้วมีอัตตาตัวตนเมื่อมีตัวตนตัวเราก็ต้องดีกับคนอื่น ก็ถ้าอัตราตัวตนน่ะสําหรับหน่อยหนึ่งมองว่าถ้าเราอย่างหน่อยลดลงไปลดลงไปเยอะแล้วรู้สึกมีความสุขในการใช้ชีวิตเยอะเลยเราทําตัวเป็นเจ๋วดูนี้มีความสุขใหญ่ใช่สิะมีโอกาสไม่ไม่มีอะไรแล้วสิคะอันนีมไม่มีอะไรแล้มีโอกาสจะถวายไปถวายสังฆทานพระอาจารย์อีกนะเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ภูเก็ตนะ กรุงเทพเจ้าค่ะ <Okay. S 2> พ่อแม่อยู่ชนบุรีก็จะไปหาท่านบ่อยๆอยู่แล้เจ้าค่ะเ <Okay. S 2> ชิญพ่อแม่ทำบุญด้วยหนชวนเจ้าค่ะะชวนท่านใครว่างต้องมาท่านจะทำไหมท่านก็แล้วแต่แต่เราคนจะชวนค่ะ ข, ขอบคุณมากค่ะอ่าสวัสดีคะ่ะคุณสุภาพรา์อยู่ว่าอเมริกาเท็กซัสเป็นยังไงวันนี้กลับนัันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ยังพูดได้มีอะไรไหมไม่ไม่ไม่มีเจ้าค่ะช่วงนี้ทางโลกเข้ามาริบนึงก็เลยเลยนั่งสมาธิน้อยลงเจ้าค่ะก็ใช้ปัญญาแทนใช้สติใช้ปัญญาแทนเจ้าค่ะก็ยอมยอมรับว่าเหมือนพระอาจารย์บอกว่าบางทีต้องติดไฟแดงก็ติดไฟแดงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูไฟแดงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเร่งขึ้นต่อไม่ขึ้นทางเดินต้องขึ้นทางเดย ท่านอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ต้องเดนทางด้วนไปบวชอยู่คนเดียวใจใจเจ้าค่ะท่านมีคำว่าก็เหมือนคำว่าอยู่ใต้ทางด่วนใจเจ้าค่ะก็รอรอไปเมื่อเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อไหร่ถึงเมื่อเมื่อเจอทางขึ้นตอนนี้ยาคาทาขึ้นไม่เจอตอนนี้ราคาทางขึ้นไม่เจอเดอแล้วไม่มีไม่มีเงินจ่ายคาทางด่วนใช่ไหมลูกก็ก็ก็มีคู่เจ้าค่ะทําไงด๊า อาจารย์ต้อง ต, องตางยา ก, กันรเดินก่อ น, นแต่เขาก็ยังดีเขาเขาเขาดีอ่ะเขาให้ให้ให้เวลาตรงนี้เต็มที่แต่เพอาะเอทั้งโลกแบบคือผู้ใหญ่ที่เขาลบเขาเขาขอให้ช่วยนะเจ้าค่ะก็เลยเลยต้อง ก, ก็ก็เราเลยต้องอตอบแทนบุญคุณเกี่ <ๆ S 1> ยวเป็นการทําบุญไปแล้วทําทานมากภ<ม>าวนาเยอะแล้วอาจจะเปลี่ยนแล้วทำทานมากนะเป็นบัคข้ามข่าวช่วงแล้วค่ะ เมื่อก่อนเมื่อก่อนตั้งไว้ว่าเอ๊อะเอสมาธิจะนั่งสามชั่วโมงต่อวันไปไปมาสามชั่วโมงต่อวันร่มเครียดเพราะว่าพอไม่ถึงสามชั่วโมงไม่ถึงสี่ชั่วโมงเราจะเครียดเองเพราะว่าทําไม่ได้ตามที่พูดเลยเปลี่ยนใหม่เป็นงั้นเดือนนึงให้ได้อย่างน้อยไม่ต่ํากว่าหกสิบชั่วโมงแล้<笑><笑> <c oughs> วกันจะคบคุมไปแบบคือเอาวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทบอีกวันหนึ่งเพื่อเพื่อจะได้ไม่ ไม่กดดันนะเจ้าค่ะก็เลยตั้งไว้ตอนนี้ก็ดูเวลาแล้วว่าโอ้เดี๋ยวตอนปลายเดือนคงต้องเร่งสปีดขึ้นช่วงนี้ทางโลกเข้ามาเยอะนิดนึงเจ้าค่ะดแล้วก็จากที่พระอาจารย์บอกทําทานไปก่อนนะเจ้าค่ะตอนเดือนนี้เอาเวลาก็เราใช้หนี้เก่าเครื่อใช้หนี้เก่านะนี่จ้าเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณเอฟบีตอบคุณเอฟบีที่ไหน พัท ย, ย, นะยาใช่ไหมเรนนี่จำได้ไหมครับไปไปไปโอเคครูด้าะอป็นมรดกท่านอาจารย์ค่ะพัทยาใช่ไหมจำได้ละเปลี่ยนชื่อไม่ได้เอเป็นครูครูนี้เปลี่ยนชื่อไม่ได้เป็นครูเหรค่ะครูที่ไหนก็ก็อยู่ที่พัทยาค่ะแต่ตอนนี้ก็คือรีบมาอ่านานนะคะ่ะ ไ ห, หลายปีแล้วค่ะอาจารย์ก็มาทำธุรกิจแล้วก็สอนพิเศษบ้างะคะ mm hmm. ่ะอ่าก็มาเจอพิษโควิดเมื่อตะกี้นี้ธุรกิจตั้งของสามีของตัวเองก็หนักหนาสาหัสพอสมควระคะ่ะแต่ก็คือได้ขึ้นไปฟังธรรมะของพระอาจารย์มาหลายปีแล้วนะคะหกปีก็ตอนแรกๆ ก, ก็ยังปฏิบัติไม่ได้ เด็กมาพอมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าพอตัวเองมาเจอปัญหาคือมันหนักแต่ก็คือเรายังยังรับได้อะค่ะแม่ถ้าเราปฏิบัติธรรมนะอะไรจะหนักนลัะอาดน้ำรับได้รับได้จนแบบอยู่นิ่งๆแล้วก็คนข้างๆก็คิดว่าเราเราไม่รับรู้หรือว่าเราเฉยว่าเราไม่ได้เฉย เรารู้แต่เราเฉยเราไม่เราไม่ไปแบกมันดู้เฉยๆรูแล้วปล่อยวางทาได้ก็ทําทําไม่ไดก้ก็ช่วยไม่ได้ค่ะแต่ก็พยายามที่จะต้องก็ต้องเก็บปัญหาต่อไปอะคะ่ะเพราะว่าต้องต้องทำอะไรได้ก็ทําไปถ้าทําไม่ได้สุวิสัยก็ต้องยอมรับมันทําไม่ได้ทำเต็มที่ทําได้ค่ะแล้วไม่กกทุกข์กับมันค่ะทีนี้ ก็จะมีว่าเป็นในเรื่องของของของเขาอะค่ะที่ที่เราจะต้องเจอสิ่งที่มากระทบอันนี้ก็คือเป็นบททดสอบอย่างหนึง่งใช่ไหมครับพระอาจารย์ได้อะไรก็ตามที่ทําให้เราทุกคนะเป็นบททดสอบเราต้องไม่ทุกข์เข้าไปเมื่อะตะกี้เนี่ยก็เมื่อวานบางก่อนก็เจอเพียงแค่ขับรถผิดนิดนึงแล้วเราเปิดไฟแล้ว ที่ดูตะ่อกแรงมากแล้วก็ ว, ว่าว่าแรงมากเลยแล้วโอแบบไม่ได้ดังใจอ่ะเขาก็จะว่าว่าอต<ช>่ เ, เราก็เฉยเฉยนิ่งๆก็คิดอยู่ในใจอยู่คือคือแต่มันมีอารมณ์นะคะพ่อจันบอกว่าทำไมต้องด่ากันถึงข น, นดาด น, นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้มองเขาว่าเป็นนนัตชาติเราก็ก็เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราก็ควบคุมไม่ได้เป็นเหมือนภูเขาไฟ พวกเขาไฟมันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ประทุขึ้นมาได้คารลงมือเขาเหมือนธรรมชาตินีท่ทีนี้ก็ก็เหมือนกับว่าเราก็บอกว่าก็ก็เลยทุกข์ละทำไมจะต้องแบบเหมือนกับว่าพูดแรงขนาดนี้ไม่สงสารคนยังบ้าง เ, เหรอเขาก็มองหน้าแล้วแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วก็เฉย่ะ อาจารย์เราก็คือคือจะไม่พูดอะไรเลยแล้วก็คือเงียบก็คือจะเงียบอย่างเดียวเพราะว่าในครอบครัวณตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าเราเจอเปัญหาหนักมาก mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นพ่ออยู่กับพ่อแม่สามีแต่คือดูแลนะคะดูแล mm hmm. แล้วก็แม่ก็ป่วยอาตัดหนักเหมือนกันคือคุยแล้วก็ไปทางไหนก็ไม่รู้แล้วก็อ๋อโอเคก็ต้องกลับมาอยู่ที่ตัวเองให้ยามแบบว่าอยู่กับอยู่กับใจอยู่กับสติอนะคะ่ะ คือประท้าให้น้อยสูตรก็เลยแบบอืเข้าจะได้สติมันเข้าอะไรอย่งียบไปเขาอะเขีวเขาอาจจะเห็นว่าเขาไม่ไม่ถูกเมื่อเราตอบกลับไปเขาก็เลยนิ่งเขาดีแลนี่เขานิ่งได้กั็ดีบางทีเราต้องนิ่งก่อนเ้าได้ยินดีเลยเราพูดอะไรก็าไหวเขาพูดไปนั่นไม่ต้องไปตอบเขาได้ยิ่งดีใหญ่อันนี้ดีดีจริงๆค่ะผู้จารย์เพราะว่าพอดีแกก็พิมพ์พิมพ์กลับมาเหมือนขอโทษว่า ที่ว่าเราอะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อืมก็ไม่ได้พูดอะไรก็บอกว่าไม่เป็นไรก็คือให้คือคือค อ, อยากจะบอกให้เขาค่อยค่อยฝึกไปเพราะว่ารู้ว่าเป็นโทสะจริตแรงมากเลยจะไปบอกไปอะไรสอนมากไม่ได้ใช่ไหันก็ดีนะพยายามเล่งให้มากที่สุดทนะีด่สุดเขาทําอะไรไปก็ถือว่าเป็นเหมือนเด็กนักเรียนสารแลว้วเราเปนอย่างไม่ทิ้งสาร ถ้าถือสาคือตอบโต้ไปนิดนึงคือแบบเหมือนแบบ <Ừ. S 2> เอาเอาน้ำมันไปลาบเลยนะคะเราเร า, เรายังสติไม่ทันปัญญายังไม่ทันถ้าปัญสติปัญญาทันก็เฉยนีย่เป็นเรื่องเรื่องไร้เมียนษาไป ค, คื อ, ค, อคือมีบททดสอบในในบ้านเนี่ยแต่ละวันเหมือนพ่อสามีก็าอายุเยอะใช่ไหมคะก็จะเก้าสิบแล้วบางทีต้องบอกอุ้ยตอบไปทั่วเลยสาขาจาย์แล้วก็คือ กินชงอะไรเนี่ยลาดไปหมดนะครับอ๋อคือบางทีมันก็คือเข้าใจนะครับว่าอารอ๋อโอเคเราคิดว่าเราเป็นแจ๋วแล้วกันทําตัวเป็นแจ๋วสบายเป็นแจ๋วจริงๆครับป็หน้า ท, นที่รับใช้ยเขาเลยลอัตราตัวตอนเนอ่งลดอัตราตั ว, ตวเป็นเป็นแจ๋ว <c oughs> จริงๆค่ะแม้กระทั่งให้หมาเมื่อกี้เนี่ยก็ไปตัดไปตัดข้อเหมือนกันนะพ่ออาจารย์เพราะว่าเห่าเลยเกินแล้วก็ก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าให้เขาเพราะว่า คือฉี่ก็เรียกหออยู่นั่นแหละถ้าไม่ลงไปเมื่อกี้าก็รีบวิ่งลงไปปิดก็ขึ้นมาก็ว่าเงียบนะคือเวลาเราเราดูอ่ะเขาก็เงียบแต่พอเวลาเราโอนิดนึงโอ้โหพระอาจารย์เหมือนรู้เลยแบบเหมือนเหมือนเหมือนเรียกร อ, องอนะบอันนี้เนี่ย ม, มันเป็นในเรื่องของที่ที่เราจะต้องอฝึก ให้มันมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะให้ตามตามส ต, ติตามใจเหลืออะไรอย่างเงี้ยของเราให้มันมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ให้เราใชยให้มากยิ่งขึ้นไม้เราในการตอบตักับใคร้นั้นไม่ว่าจะคนหรือเป็นหมหารอะ่างทุกสิ่งทุกอย่างใช้ได้ดีดที่สุดแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้มาเขาไม่ให้ทําอะไรก็ทําไปไม่ได้ที่ทําเช็ดอะไรก็เช็ดไปล้างอะไรก็ล้างไป แต่ไม่บ่นไม่ไม่พูดไม่อะไรทําใจนิ่งๆที่ใช่ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็คือเริ่มเริ่มทําใจได้โอเคได้ได้นิ่งมากยิ่งขึ้ น, นะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็หลังจากที่ได้สดมนภาวนานะคะก็คือพยายามที่จะปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าก็คือตั้งใจเอาไว้แล้วว่าถ้าโอเคเราอ่อคือคือตัวเองเนี่ยตั้งเป้าไว้แล้วว่าถ้าปดปล่อยเดียวกับนีิสิน าคือคือถ้าไม่ช่วยก็ไม่ได้อ่ะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เราต้องเราจะต้องช่วยก็จะได้ปฏิบัติมากยิ่งขึ้นนะคะพระอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยจะพูดมากก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจแต่ก็คือเริ่มที่จะเห็นละแต่ก็คือพยายามเหมือนกับว่าเขาก็คือเหมือนเหมือนค่อยๆแต่เข้าใจอยู่ครับว่าคนมีทิฐิอะไรยี่เยอะอ่ะคะ่ะ mm hmm. เราก็เลยเราก็ต้องอ่อนไปเราแข็งเราก็ต้องอ่อน ใช่ค่ะอาจารย์อันนี้แข็งกัแข็เดยมันก็แตกเดีวก็พังอู้พังแน่นอนค่ะพู้อาจารย์ mm hmm. เพราะว่าอารมณ์เนี่ยก็คือว่ามันจะพุ mm ๊บ hmm. ขึ้นมาทันทีเลยเรารู้เลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เหมือนห mm hmm. มาเนี่ยเรายังรู้เลยว่าโอโ้เราจะดุแบบมันปุ๊บขึ้นมาทีเดียวเลยเหมือนวิ่งลงไปเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าโอเคมาเปลี่ยนแหละที่เนี่ยเปลี่ยนแหละที่นุงที่นอนอะไรเงี้ยขยับให้หมดเลย หลังจากที่เคยใส่ถุงมือตอนนี้ไม่ใส่ละอะก็คือเราก็พลิกพลิกเขาเพราะว่าเขาเป็นแผลกดทับใช่ไหมคะอาจารย์ mm. เออแต่ดีคะ่ะพระอาจารย์ดีมากๆเลยตรงที่เออแป็นเข้ามาเห็นแล้วทีนี้เขาไม่ได้เขาได้ยินหมาดมันมันหอนกลางคืนแล้วเขาหงุดหงิดเขาเป็คนคนขี้งหงุดหงิดอยู่แล้วเรารู้ว่าเขาฟุ้งซ่านเพราะว่าคิดเยอะอืม เขาก็บอกว่ามันเห่าอะไรเราก็บอกว่าเอาก็ไปดูสิโอ้เขาไปตะคอกตะคอกมันมันก็งีบกิบทีนี้ปกติแล้วเขาเป็นคนรักหมาเขาจะชอบเอาหมา น, นี่เขาก็คืออยากได้เอาหมาที่เขาเขาไม่พูดถึงเลยว่าจะเอามาอีกเพราะว่าเราก็บอกว่าคงจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วมั้งที่ทําให้เขาเห็นว่าทุกอย่างที่เอาหมา ม, มันเป็นภาระทั้งหมดเพราะว่าเขาชอบเอานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมา ก็คือที่จริงขอบคุณหมามากๆเลยนะคะที่ที่ทำให้ให้เราเห็นให้เขาเห็นด้วยเร้ ว, ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะพระอาจารย์มีอะไรก็ต้องทษกับมันถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทุกกับมัค่ะก็คือได้จากที่พระอาจารย์ไปฟังพระอาจารย์ในทุกอาทิตย์ตอนนี้ก็คือตั้งตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องไปให้ได้อาทิตย์ลักครั้งเหมือนที่พระอาจารย์ ได้โอเคทางไปปฏิบัติไปแล้วจิตใจก็จะเย็นสบายมากขึ้นนะโอเคนะเอาท่านนี้ก่อนนะมากกับคุณกาจารย์วันนาลิกาเชิญคุณวันนาลิกาแบบน้มัตการเจ้าค่ายข้าจารย์มีอะไรไหมของข้ามาแต่ข้าราชการแล้วก็ฟังธรรมเจ้าค่ะ ยัไปที่ท่านตอบเลยนะวเวลาท่านจใต้จะเหมือนนะคุณยินดีห์หาไปไหนสองประทศนเคุณยินดีดีค่ะท่านอาจารย์อาทิตย์กท่านอาจาราย์ได้ยินใช่ไหมคะได้ยินได้<ว>ยินฮัล o หลเดวิ o บอมจูบงูจูบตังลูบบิยันเอวูบุนโบนสันเตอในวูทุกสิ่ How come you're not working today? Last day vacation. <laughs> oh, vacation. g o o d Last day. Last day. Last day. Last day. Last day. Okay. Oh, Good, uh, to right. Good to see you. Good to see you. Ah, the f i น s t Good to see you. Ah, the first. Pardon. I moved the r o ้ m because I wanted Thai people to come and work เ n d be t o g ้ t h e r So I moved the room for them to b ม t o g e ่ h e r When we came to the new place, there was เลยติดต่อท่านอาจารย์ไม่ได้แล้วก็อาทิตย์ที่สองพอดีพอดเออีเดวิดเขาพักร้อ น, น่ะคะ่ะ <c oughs> พอดีมันเป็นช่วงพักร้อนของคนที่นี่แล้วเพ่วมงานะเดวิดเขาพักร้อนเราก็เลยได้เดวิดก็เลยถือโอกาสพักร้อนแล้วก็ขึ้นไปอยู่แม่มาแล้ววันนี้ก็เลยรีบ ก, กลับมาขอแม่เขาไม่ทานข้าวเที่ยงก็เลยรีบ ก, กลับมาเพื่อที่จะมากราบท่านอาจารย์กันเนี้ยคะ่ะท่านอาจารย์ดีใจดีใจที่ได้คิดว่าหากไปไหนท่านไม่ค่ะท่านอาจารย์ กาารไม่หายค่ะท่านอาจารย์ก็ปฏิบัติเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวของเดวิดก็คาพูดของท่านอาจารย์คาสั่งสอนของท่านอาจารย์ก็ผุดขึ้นมาในใจตลอดค่ะท่านอาจารย์ลูกขอพระคุณมากค่ะขอพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะขอให้ทุกคนสบายดีนะ Hope you are well and happy David Thank you Thank you ค่ะ See you later Bye bye See you Okay ไปเอ่ต่อคุณคุณหมอสุทัศเสนเจน้าคุณหอสุทัศเสนนิรมัติการท่านพระอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะเห็นไปที่อาจารย์สายทีมเนลยกลับมานะแล้วกลับได้ไหมไหม่ออกไปค่ะพระอาจารย์มาแล้วเสียมา evet. เมื่อกี้มันชนกับไอแพค่ะมันขึ้นอสองเครื่องมันก็เลยลวนค่ะพระอาจารย์ ีไม่มีคําถามค่ะแต่ว่าอไม่มีสติไปเดินตกทางต่างระดับมาค่ะพระอาจารย์ใจลอยเดิใ น, ในทไปไม่ทันไม่ทันเห็นอาจจะใจลอยด้วยค่ะแล้วก็ตกไปแล้วขามันจะพริกค่ะพระอาจารย์แต่ตอนที่มันจะพลิกมันมีสติก็เลยแบบพยายามไม่ให้มันลงไม่ให้มันลงแบบแปรงไม่ให้ไม่ให้ข้อมันพังค่ะแล้วมือก็เลยไปข้ มือไปคําไว้ก็เลยก้นไม่จําเบ้าวค่ะพระอาจารย์แล้วก็มองเห็นนิสิตสองสามคนแล้วก็มองเขาแล้วก็อืมหนูนูก็ลุกขึ้นแบบหน้าตาเฉยแล้วก็เดินเดินไปค่ะพระอาจารย์ก็แบบเขาก็คงแบบเอออาจารย์คนนี้หล่นไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อกี้เห็นดรพัทเขาถามเรื่องของแคปป้าค่ะพระอาจารย์อ่าเป็นเภสัชกรก็คือมันไม่ละคายเครื่องกับเพราะอาหารเผื่อเขาฟังอยู่ก็คือกินได้โดยไม่ต้องกินข้าวนะคะ แต่นั่นเขบอกว่ามันมีปัญหาอะไรอื่ินอม่อันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นที่เขาคิดจริงจริงแฝกอาการข้างเคียงไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องนั้นค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นเร่องนั้นนะอาจาอาจะ ใ, <ห>ให้เขาลองกินดูตอนอที่เป็นตอนเย็นโดยอีกทีหนึ่งค่ะเช็คดูแต่ว่าถ้ามันมีอาการผิดปกติก็ค่อยแจ้งแพทย์อะไรเงี้ยค่ะอัะอจจะเป็นกิเลยก็ได้มันกินเลมันอยากจะกินอาหารอาจจะกังวลใจว่า ก, กินได้ไหมหรือ ก, กินไม่ได้ก็เลย เป็นทางจิตใจก็ได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องของกินข้าวหรือไม่กินข้าวกินข้าวได้กินข้าวได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะอาการข้างเคียงก็เป็นง่วงๆวงอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะของหนูก็สติน้อยลงค่ะพระอาจารย์งานเยอะแต่ว่าด้านจิตใจก็ก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีความทุกข์ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครค่ะพระอาจารย์ก็ด้านด้านจิตใจก็ดีอยู่เหลือแค่ เข้าสมาธิไม่ไม่ค่อยได้ได้นานเท่าไหร่อะคะ่ะพระอาจารย์ถ้าทางานแล้วมันโอกาสที่เจริญสติมันน้อย<บ>นั่ำสมาธิอะไรสมบยากเล ย, ออยดึงดึงมายากมากเลยคะ่ะพระอาจารย์เหมือนนี้ก็ก็มีงานอีกแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์คะอาทิตย์ที่แล้วบอกพระอาจารย์ว่าไม่มีรุมเมทคราวนี้เขามาแปะป้ายหน้าห้องว่าให้เตรียม <laughs> เดี๋ยวจะมีร <Okay. S 2> <c oughs> ุมเมค่ะทีนี้หนูเอ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นข้อสอบก็เป็นข้อสอบค่ะทีนี้พระพุทธรูปต่างๆที่หนูมีอะไรเงี้ยค่ะเอามาไว้ในห้องนอนได้อยู่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ความจริงก็ได้หรอมีชั้นก็ได้ค่ะแต่ก็ให้ระมัดระวังไม่ถ้ามันเด็น้องไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรทําทำแค่เด็นไม่มีค่ะถ้าเราอยูคนเดียวก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเกรงว่าเอาไว้ห้องโถงแล้วก็มาเดี๋ยวมันจะ มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะคได้มาเก็บไว้ในห้องสนดเราก็ได้ค่ะั น, นก็ส่วนที่เหลือ ก, ก็เดี๋ยว พ, พยายามนั่งสมาธิต่อไปค่ะพระอาจารย์จนจนกว่างานจะ น, น้อยน้อ ย, อยลงช่วงนี้มีแบบคุยกับอาจารย์ท่านอื่นเขาบอกว่าเขาสอนน้อยแล้วก็เอาไปเลย อ, อยากได้หัวข้อนี้เอาไปเลยเเไ ป, ไ ป, ไป ค่ะก็อ่แต่ว่าก็บอกว่าเออแต่หัวข้อนี้เราสอนนะแต่ว่าอันนี้เอาไปเอาไปได้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะแบบเอ้ยเรื่องนี้เราถนัดอันนี้เราก็ถนัดอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ตอนนี้เรื่องนี้เราถนัดแล้วก็เอาไปเล ย, <laughs> เย <c oughs> ก็ก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์กลายเป็นกลายเป็นช่องดีไปทํางานน้อยลงนะค่อยๆลดลงค่ะพระอาจารย์จะได้เราจะได้มีเวลาด้วยค่ะพระอาารยอาจารย์เพียงเท่านี้ค่ะโอเคสวัสดีค่ะสาธุค่ะ อ่าคุณแอนเคีจากญี่ปุ่นคุณอนเคีนมาสการค่ะพระอาจารย์วันยังไงมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เรียนว่าเป็นโควิดแล้วก็เป็นอินฟลูเอนซ่าด้วยอันนี้เริ่มดีขึ้นวันนี้ค่ะไม่ม้เป็นสอง ย, อย่างพร้อมกันเลยเป็นสองอย่างพร้อมกันเลยค่ะแล้วไข้ก็สามสิบแปดจนจ น, จนถึงเมื่อวานเนี้ยค่ะสามสิบเจ็ด กว่าเกือบส8สิบแปดค่ะอันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็ได้โอกาสนอนนอนนอนเล่นกับความความเจ็บความปวดดูค่ะเพราะว่ า, วายาโคโรนาหรือว่าไอพาราค่ะที่เขาให้มามันหมดไปตั้งแต่เมื่อประมาณปลายอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ก็เลยบอกสิ่งที่คนพบว่าสิ่งที่มันพุทโธไม่อยู่เลยก็คือการปวดฟันปวดเหนือเนี่ยค่ะค่ะอาจารย์คือ ท, ทำยังไงมันก็ไม่อยู่เลย มันอยู่ยอมมันอยู่เยอมันคืออย่าไปเราอย่าไปอยากให้มันหายเลยเราบอกเราพูโทรเพื่ออยู่กับมันัให้ได้อออย่างเช่นสมมุติว่าเวลาปวดท้องหรือว่านปวดหัวปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันเริ่มปวดัปวดไปเราก็พูดโทรพูดโทรไปค่ะพูดโทรพูดโทรตามที่พระอาจารย์บอกแล้วมันก็จะลืมไปแล้วมันก็จะหายไปเองแล้วพูดโทร ก็ค่อยๆหายไปด้วยเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆหลับได้แต่พอปวดฟันปวดเหงื่อขึ้นมาพอเราเริ่มพุดโธพุดโทมันมันไม่อยู่เราก็แบบโอ้ไม่ไหวแล้วสติก็แตกหมดแล้วมันยังพูดยังพูดโธน้อยใจนอนเกิดไ ป, ไปไมันอยากใช้มันหายไอ่แล้วถยังไม่หายก็พูดโธพูดโทไปเรื่อยๆค่หยุดแล้วๆๆยส่วนมันส่วนปวยาวแล้วนะพุทธังสันนัมบะฌามีทั้งหมดนั่นบะฌานี อืม <c oughs> ค่ะก็มีมีอยู่วันหนึ่งที่นอนนอนป่วยอยู่แล้วก็แบบโอ๊ยทำไมมันมันเจ็บหนักขนาดนี้เอาเอาเอาเอาเอย่างนี้แล้วกันจะจะเป็นอะไรก็เป็นไปเลยไม่สนใจละอ น, นอนเอาเอาเต็มที่เลยคือ <c oughs> ว่าก็ใจก็ปล่อยวางได้ ใ, ใจก็ไม่เดือดนอนได้ค่ะรู้สึกว่ามันนิ่งมันเออ <c oughs> เหมือนเหมือนโลกมันกําลังเล่นอยู่กับเราหรือเปล่าเขไม่ทราบค่ะมันก็เงียบของมันไปอเราไม่ยุ่งของมันเองเพราะเราไม่ยุ่งยุ่งของมันใจเราผสมอ๋อก็คือปล่อยมันไปเลยอปล่อยไปเลยมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปค่ะเพราะว่าแบบนาทีนั้นคิดว่ามันต้องลงปอดแน่ๆแล้วเพราะวัดออกซิเจนได้อยู่ที่ประมาณแบบแปดสิบกว่าแปดสิบแปดเก้าสิบสองเก้าสิบสามอยู่แถวๆนี้คือบอก โทรไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ามีใครอยู่เขาก็ไม่รับก็บอกโอเคงั้ น, นอนไปอย่างนี้ละกันเป็นอะไรก็เป็นไปได้ปล่อยวางได้จิตก็จะสงบเองอ๋อค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะสาธุคุณสมชายจากเพนซิลเวเนียอีริอีริับ <c oughs> กับขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับอ่า ก็เข้ามาฟังไ ด, ไ, ดได้ยินหรืเปล่าไดินได้ชัดเชัดเจนจะเราจะจะฟีซิ่งหออะไรก็กราบขอทุกท่านอาจารย์แล้วก็เข้ามากราบท่านอาจารย์ครับก็ฟังมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรถามมากครับโอเคองั้นก็ขอไปที่ท่านต่อไปในะเลวลาใกันจะหมด น, น, นะ อ่าคุณท่านะคุณจก่อนจิกลับถึงบ้านแล้วเหรอกลับถึงยูเอสเอแล้วเหรอกลับมาสักการะพระอาจารย์กลับถึงบ้านแล้วเจ้าค่ะเป็นยังไงโอ้โหแ่บาาไม่อยากกลับเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่อยากกลับเลยค่ะเด็กๆเกป็นีังไบ้างา เ, ดเด็กชอบใหมเมืองไทยชอบมากเจ้าค่ะชอบมากมากชอบแบบ ชอบจนแบบเออแม่อยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยเดี๋ยวจะสิบลูกชายบอกเดี๋ยวจะซื้อบ้านให้แม่นะแม่จะได้อยู่เมืองไทยแม่จะได้ไปวัดบ่อยๆเ อ, อ่ดี <c oughs> ค่ะค่ะคือไปคราวนี้รู้สึกว่าลูกแบบลูกกับทางลูกแล้วตัวโยมเองคือแบบได้ได้กลิ่นดกับความสุขความสงบจริงๆอะค่ะเราแต่ตัวโยมเองคื อ, บอแบบอดเรา มันเหมือนกับฝันนะคะเหมือนพระพเจ้าเหมือนเราหลับไปแล้วเราฝันว่าเราไปได้เจอพระเจ้าเราได้เจอแบบได้เจอเกจิเจอได้ไปกราบวัดเหมือนมันมันแค่ฝันนะคะเพราะมันเร็วมากค่ะอาจารย์เชาวพุ่งค่ะเมืองไทยเจอช้าพุ่งเช้ินใจเย็นไม่รีบร้อนเหมือนเช้าใช่ค่ะใช่ค่ะพอไปครั้งนี้ยมรู้สึกว่าต่อให้เมืองไทยแบบในกรุงเทพการจราจรวุ่นวายมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า จิตใจคนมันก็ยังดีกว่าคือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะทําอะไรโยมรู้สึกว่าความเอื้ออาทรความเมตตาของคนไทยมันมีทุกที่ที่โยมไปเลยอะค่ะอมันทุกที่จริงๆคือเขาพาย <S 2> <S 2> ายามฝรั่งเขาชอบเลยฝรั่งเขาชอบคนไทยมากกวบ้านเขาใช่ค่ะจริงๆคือเหมือนกับว่าถ้ารู้ว่าช่วยอะไรได้ก็จะยื่นมือช่วยทันทีแต่ถ้าของมันฝรั่งก็คือไม่ใช่ทุจร้ฉันก็จะไม่ช่วยถึงแม้ฉันจะช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ ใช่ค่ะมันก็คือทําให้เรารู้สึกว่านี่คือบ้านของเราจริงๆนะยมยมคุยกับสลินทอร์เลยค่ะบอกว่ามันคือที่ที่ของฉันจริงๆนะเมืองไทยอ<ม>่ะมันคือที่ของเราจริงๆอนะ่ะ<ม>ค่ะก็เลย<ม>วางแผนกันแล้วว่าเดี๋ยวรอลูกๆเรียนจบมาหาลาัยก็กะว่าเออขออธิษฐานก็ขอให้ได้อยู่เมืองไทยแบบ<ม>เยอะๆค่ะแบบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้อยเปอร์เซ็ตก็ดีอนะไรเงี้ย ก็ทํา ง, งานเก็บเงินมาเยอะๆเลยพอเก็บเงินได้เยอะๆกลับมาเยี่เมืองไทยได้อ๋อโยมก็ไปเมืองไทยโยมก็ไปมูไปสายมูด้วยนะคะจ้าว่าขอให้แบบมีไหมคะแบบว่าถูกรางวัาที่หนึ่งทีเดียวเลยเยอะๆของอเมริกาแล้วยอมจะเก็บเงินแล้วยมก็ไปเมืองไทยโยมไม่เอาลัฐอเมริกาเลย แต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็แบบเออทำให้เรารู้สึกว่าเออแน่ๆไม่ใช่เพราะเราเสียเนแล้วก็มีเซลเชอร์เซลเลอที่เราก็ใช้กันแั้นมาอยู่เมืองไทยก็เหลือเฟือแล้วใช่ค่ะโ <Social. S 2> ยมก็นั่งคำนวณกับสลีนทอนนะคะร้านจัว่าโอเควันหนึ่งเราใช้แบบวันละน้อยได้ไห ม, มเออวันละลอยก็พอนะถ้าเราไม่ได้ขับรถไปไหนเรากินแค่คนเดียวแล้วเราเป็นแก่ๆเป็นยายแก่แล้วมันคงไหวอยู่อะไร ก็เลยคิดว่าเออมีมีแววที่จะได้แล้วลูกๆ ก, ก็รู้สึกชอบเมืองไทยก็รู้สึกว่าเออไปเมืองไทนน่าจะดีลูกจะได้ลูกๆอาจจะตามมาเยี่ยมแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S <S <S แล้วโยมก็รู้สึกว่าก่อนจะกลับอย่างอยากมากราภ a ย์เลยค่ะอาภ aja แต่มันไม่มีเวลาจริงๆแบบคือมันเร็วมากเลยโยมเองแบบเออถ้าจะขับไปพัทยายแค่สองชั่วโมงแล้วขับกลับมาเลยดีไหมไปเจอพระอาจารย์แค่ไปกลับอาจารย์แล้วขับกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่คงได้หรอกทำอมไรการกราบแร่นี้แต่มันมันสุขที่ใจอ่ะอาจารย์แต่โยมก็เลยคิดแบบมีวิธีการนั่งสมาธิแบบว่าถอดจิตไปแบบกาไปกราบอาจารย์ไปอะอย่างนี้ ก็เลยโอ้โหต้องเป็นเพจจิตจริงๆงถึงจะได้ถึงจุดนั้นเลยรอ ย, อย่างเี้ยค่ะตอนที่เซเรนตอนยังอยู่เมงไทยอยู่ยัเซเรนตอนยังไม่ได้กลับอ่าเดี๋ยวเขาจะกลับสิ้นเดือนใกล้ๆใกล้ๆจะสิ้นเดือนนะคะอคพอกลับมาลูกก็ไปโรงเรียนเลยอ่ะเจ้าค่ะโอเคนะมีอะไรไห ม, ไมสบายดีไม่มีค ข, ข้ค่ะค่ะคราวนี้ก็คือก็ตอนอยู่เมืองไทยก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่ได้นั่งสมัยแต่ก็พยายามรักษาสตินะคะ แล้วก็จเจริญปัญญาเอาแต่กลับมาก็กล่าวว่าจะปฏิบัติให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีโอเคนะท่านี้ก่อนคนะ่ะพระอาจารย์รั <จะ S 1> ก, รกรษาสุขภาพด้วยนะคะสจ้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณธนากรค่ะคุณธนากรต่อธรรมศาสตรครับพระอาจารย์ดีไหมครับได้ยังอยู่ที่ไหนเอออยู่นครศรีธรรมราชครับพระอาจารย์มีคำถามไหมเออมีครับพระอาจารย์ เ อ, อช่วงนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเจอสติสัมปชัญญะได้มากขึ้นครับพระอาจารย์แล้วก็อยากจะสอบถามพระอาจารหน่อยครับว่าเหตุที่จะทําให้กายกับใจเรามีสิ่ ม, สมีทําขึ้นมาเนี่ครับพอจะมีแนวทางต้องไปทำพระอาจารย์มีอะไรนะร่ากายกับอะไรนะกายกับใจเนี่ยครับมันจะเกิดสิ่งขึ้นมาแบบนี้ครับพระอาจารย์เกิดสิ่งสิ่งไหนสิน่งอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายครับ อยู่ที่อยู่ที่ใจจะรักษาหรือไม่รักษากเราก็ต้องตั้งต้องมีความตั้งใจมันก็จะรักษาแในว่าต่อไปนี้จะรักษาสิ่งท่าแล้วก็พยายามรักษาไปถ้ามันผิดก็พยายามแก้ไขอาจจะลงโทษเราบ้างก็ได้เอาเคยชอบกินอะไรก็งดกินสิ่งนั้นทั้งๆเวลาเราทำผิดลงโทษบ้างต่อไปเราก็จะรักษาสิ่ได้ อยู่ที่ความตั้งใจนั่นต้องตั้งใจว่าอาั น, นี้จะรักษาสีหน้าให้ได้ทุกวั น, นแล้วก็พยายามรักษาไปไปมาอาจจะผิดหน้าถูกบ้างก็ก็พยายามพยายามทำให้มันผิดน้อยไปนิดแล้วอยู่ที่วามพยายามวามพยายามยายานี้าไหนครับจำได้ไหมนะจะล้อยมันเกิดจะร้อยมันเกิดให้ไมเองมันไม่เกิด ครับครับถ้าพระอาจารย์เออแล้วเหมือนในครั้งที่ผมเร่งความเพียนในการนั่งสมาธิอย่าง น, นี้ครับอาจารย์เหมือนมันมีความง่วงเข้าแทรกอย่าง น, นี้ครับพระอาจารย์ควรจะสู้กับมันไหมครับหรือว่าทําอย่างไรดีครับพระอาจารย์ถ้าถ้าอยากจะปฏิบัติต่อถ้าลงขึ้นมาเยอะเดินยงกลงได้ก็เดินยองกแทนถ้าเดินยังง่วงอยู่ก็อาจจะไปนอนก่อนนั่นไปพักก่อนนั่น กนาไม่ไหวเงยบๆก็ไปพักก่อนพอตื่ขึ้นมาแล้วถพามาทำชดเชยไปก็ได้โอเคนะไ ม, ม ไ, มไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรนะครับอาจารย์โอเคเดินไปที่คุณลาทางเฟ e บุ๊กกับ YouTube มีคำถามอะไรก็เชร์ถานได้เลยมีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมดสิบเก้าคำถามค่ะคำถามแรกจาก คุณเดอร์มัลไ e เวอร์ซัลยูนิตี้ค่ะฝากคำถามครับกราบนมัส ก, การครับถ้าผมมีอำนาจอยากใหญ่ฆ่าคนได้สักครึ่งโลกที่เหลืออีกครึ่งสร้างหุ่นยนต์ไว้อำนวยความสะดวกจากนั้นยืดอายุตัวเองต่อไปได้ถึง350ปีผมจะมีทุกต่อไปหรือครับเรื่องใดครับถ้าโลกเป็นของผมแล้ว ก็คนก็ต้องแก่เจ็บตายไม่มีอะไรที่เกิดมาแล้วไม่ตายในโลกนี้ทุกอย่างเกิดแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บความ ต, ตมายตามมาคําถามต่อไปจากคุณวาสนาะกราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับเข้าพรรษาปีนี้ผมตั้งใจรักษาศีลแปดตลอดพรรษาถึงตอนนี้ก็รักษามาได้ด้วยดีโดยตลอดและได้ฝึกปฏิบัติ ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและฟังเทศประอาจารย์ทุกวันครับผมอยากไปปฏิบัติในที่ที่น่ากลัววิญญาณแบบวิเวกในป่าอยากให้จิตได้สมาธิครับผมยังไม่บวชนี่ควรไปแบบนี้ไหมครับกราบสาธุครับก็อยู่ที่ว่าเราพร้อมไถ้าเราไปไม่พร้อมแล้วเกิดไปเจอความตัวเราจะสติแตกก็ไ บางคนเคยเคยไปอยู่เมบนเขาพอตกค่ําอยู่ไม่ไดนะ้แล้วเห็นเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยเลยขอกลับบ้านตั้งแต่เย็นนี้ไม่ได้นอนนะสองทุ่ม ข, ขอลากลับบ้านเนี่ยเอก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่สติของเราว่ามีกำลังพอที่จะควบคุมจิตของเราได้เวลาเจอสิ่งที่น่ากลัวต่างๆคําถามต่อไปจากคุณต้อกลาบนามสการครับ อยากถามว่าจะกําจัดความอยากในการมารมณ์หรือกําหนัดได้อย่างไรครับรู้สึกว่าทํายากที่สุดครับพยายามลดเลกถึงอสุภะอยู่ เ, เรื่อยเลิกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายคิดถึงเวลาล่างกายตายไปเห็นคนสวยๆเขาตายไปนี่หน่อยห น, น่อยจะมีการมรรมหรือเปล่ายเห็นศพเขาพอมขึ้นอนึอะไรอย่างงี้หรือไม่เชนั้นก็ดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ ต้องอยู่ใต้ทิหนังด อ, องกระดูกดูบอ ด, ดตายดูตายดูตายดูตายดูตายดูตายดูตาตายดูตายดูตานด้ตาายดูตายายดูตายดูตายดูตายดูตายดูตายดารมาดูตางตายดูตายดูตายดูตายดูตายดาดูตายายูตายดายดูา ย, ไไาา ย, ยูายูาตายดูตญญายดูตายตายตายดูตากดูตายดตายมุตายดูตาตายดูตายดตายดตายดูตายดตายตาตายา เจนเดวิมุนนี่เข้าหมายถึงคนที่เก่งทางดาสมาธิคือเข า, ามีอภิญญาได้นึกชาติได้อะไรต่างๆนี้แต่ก็ต้องใช้ปัญญาในการหยุดพน้นนีแต่ว่าเขาเก่งเขาชนานาญทางสมาธิมากแต่ทางปัญญาส่วปัญญาวิมุนนี่เป็นพวกที่เก่งทางด้านปัญญาแต่ไม่เก่งทางด้านสมาธิแต่ก็มีสมาธิแต่ไม่มีอภิญญาอนั่นเอง แต่ทั้งหมดต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญารวมกันถึงจะถึงจะหุดพ้นได้คำถามต่อไปจากคุณสุวัตมีทั้งหมดสองคำถามค่ะคำถามแรกกราบนรมาสการพระอาจารย์ครับเป็นครั้งแรกที่ได้ดูไลฟ์สดกำลังศึกษาและปฏิบัติครับด้วยมารยาทในการฝึกไม่ทราบว่าในการฝึกปฏิบัติ โดยการเรียนรู้ทางโลกโซเชียลกับพระอาจารย์หลายๆท่านแล้วจับเอาหลักและใจความสําคัญสําคัญตามจริตแล้วฝึกเองที่บ้านฝึกรู้จิตรู้ใจแต่ไม่ได้ฝึกในรูปแบบเดินจงกรมผมสามารถที่จะปฏิบัติในลักษณะนี้และสามารถเข้าถึงสภาวธรรมต่างๆและเข้าถึงธรรมะเหมือนกับฝึกที่วัดได้หรือไม่ครับก็ทำทดลองหนึ่ง ดู ว, ว่าทำไปแล้วได้ผลดีหรือไม่ได้ผลต้องทดลองถึงอันนี้ไม่มีใครตอบคาถามนี้ได้คำถามที่สองถ้าติดขัดสภาวะธรรมในแต่ละสภาวะจะสามารถแก้ไขเองได้หรือไม่ครับผมเพราะผมเข้าใจว่าฝึกที่ไหนก็ได้ถ้ามีจิตใจที่ตั้งมั่นและพยายามปฏิบัติด้วยตัวเองตามสติปัญญาที่จะสามารถเข้าถึงได้ครับ ก็ต้องทำดูเหมือนกันคำตอบว่าคือเราทำดูอาจจะแก้ได้จะแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ต้องไปปรึกษาคนที่เขามีปัญญาปรึกษาครูบาอาจารย์คำถามต่อไปจากคุณดอกดินกราบนมัมการครับหลวงพ่อละสังโยน์ยากไหมครับผมพอจะมีแววที่จะละสังโยช์ได้ไหมครับ ก, ก็แล้วแต่เราลองดูสิ ตอนนี้ละนัดเที่ยวให้ได้ก่อนนะนัเที่ยวนัด ก, กินนัดดื่อะไรต่างๆให้ได้ก่อนลองเทสย์สิ่งแปลกว่าทำได้ไหรือเปล่าก่อนที่ไปละทำที่วันนัด ก, กามาชันทะนะัดดูหนังปังเพลงอะไรนะต่างๆแบบนี้ได้ก่อคำถามต่อไปจากคุณเดอะมัลติเวอร์ซัลยูนิตี้สภาวะจิตใจขณะกำลังหลับ และกำลังจะตายต่างกันอย่างไรบ้างครับสามารถควบคุมจิตใจขณะนั้นได้ไหมครับกราบขอบพระคุณครับเวลาหลับนี่ไม่มีสติก็คุมไม่ได้แต่เวลาที่ยึดจะตายนี้ก็ยิ่งแล้วแต่ว่าสติของแต่ละคนมีมากมีน้อยเท่าไหร่มีสติมากก็ควบคุมจิตได้ให้เั่นได้มีสติน้อยจิตกล้าจะหลงได้มีสองคำถามจากคุณเยี่ยหัวคะ่ะคำถามแรก กลาบแทบเท้าพระอาจารย์ขอรับเวลาที่เราภาวนาพุโทโธควรกำหนดจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านเมื่อหลุดไปก็ดึงกลับมาผูกที่พุโทโธใหม่ไปเรื่อยๆหรือควรปล่อยให้จิตมันเป็นธรรมชาติของตัวมันเองแล้วเอาจิตผู้รู้ตามรู้อารมณ์ไปครับออปล่อยไม่ได้แล้วถ้าจะฝึจิตทำควบคุมนครับมันด้วพุโทโธพุธโทโธไปถ้าปล่อยมันมันก็ไม่มีวันสบ คำถามที่สองสิทธิมีข้อสงสัยที่เกิดขึ้นกับตัวอีกประการบางทีลมหนักบางทีลมละเอียดจนเราจับเข้าพุธออกโทไม่เจอเพราะลมคล้ายว่าละเอียดทีจนผูกลมกับพุทโทไม่ได้แบบนี้ในใจควรปริกรรมต่อแบบไหนขอรับกับพุัโทอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องดูมีก็ได้ไ คำถามต่อไปจากคุณเอกวิทเคยสะสมบูชาพระเครื่องจนได้เข้ามาฟังธรรมพระอาจารย์เลยเข้าใจว่าบนโลกใบนี้ควรสะสมสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมีค่ากว่าเงินทองเพราะเป็นสมบัติของเราที่แท้จริงสะสมข้ามภพข้ามชาติได้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องคำถามต่อไปจากคุณประวิท สวดมนต์ในห้องพระจำเป็นต้องจัดทุกเทียนไหมครับมันจาเป็นป่นะไม่ต้องไม่ต้องใช้ทุกเทียนแค่้ขอใช้สติอย่างเดียวนะสวดมนต์คำถามต่อไปจากคุณนาวินกราบนมัสการพระอาจารย์คนที่ปฏิบัติจนเสียสติแล้วสามารถกลับมาดีเหมือนเดิมได้ไหมครับก็ง่ายแหละเมื่อเขาได้สติกลับึ้นมาแล้วไหมถ้าเขาไปนเจอ คนที่ช่วยเขาคนชราถ้าเจอพระพุทธเจ้าหรืไม่าาเจอคนเองก็าจะช่วยเขากลับได้สติกลับคืนมาก็ได้แต่ก็ไม่นดนก็อยู่ที่ตัวเขาด้วยคำถามต่อไปจากคุณวิภาวดีการบริจาคอวัยวะและดวงตาจะอธิบายให้ครอบครัวเข้าใจได้อย่างไรบ้างคะปัจจุบันอายุ40ปีคะแต่คุณแม่ห่วงว่าเกิดชาติหน้าจะไม่ครบ32คะ อ๋อไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เบีปัญหาการบริจาคเอาไว้แต่ว่ามั น, นไม่ได้ทําให้เราเกิดชาติหนะ้าไม่มีอวไรมากเไม่เกี่ยวกันมันบริจาคหน้แต่เพียงแต่วาไม่ได้บุญนะถ้าบริจาคในตอนที่ตายไปแล้วต้องบริจาคตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นบริจาคเรื่องเงี้ยได้นะุแต่ถ้าเราให้ตายแล้วค่อยบริจาคเลือดตอนนั้นไม่ได้บุญนะแล้วเพราะเราไม่รู้แล้วว่าเขาเอาเลือดของเราไปหรือเปล่า แต่ตอนที่เรามีชีวอยู่นี่เราลืมถ้าเขาเอาดวงตาไปข้างเราลืมถ้าเขาเอาไตาไปข้างเราลืมเนี่ยแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกมีความสุขใจที่เรากล้าเสียสละของที่เรารักของที่เราหนุนไปถ้าอยากจะบ ว, ว้จารเอาไว้ว่าเพื่อให้ได้บุญต้องทําตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าสั่งเขาไว้แล้วเวลาตายแบบนี้มไม่ได้บุญแต่ได้ประโยชน์น คนที่ะเอาอาไว้ไว้ไปนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ได้แต่คนให้ไม่ได้บุญใดเพราะไม่ได้ให้นะตอนนั้นตายไปนะคนให้ไม่อยู่ของร่างกายนะครับคำถามต่อไปจากน้องหลินหลินสอบถามเจ้าค่ะเคยนั่งสมาธิอาการนั่งสมาธิขาชาขึ้นไปชาทั้งตัวจนชาทะลุขึ้นสมองแล้วทะลุออกจากหัวยอมตายค่ะ เหมือนภูเขาไฟระเบิดพอออกจากหัวตัวสบายหายอาการชานั่งได้นานอันนี้คือบททดสอบหรือเปล่าเจ้าค่ะก็มีป็นมีส่วนนะก็เป็นบทบททดสอบอย่างนงคำถามต่อไปจากคุณเปียนันกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ทำไมจิตเราถึงทุกข์กับคำพูดของผู้อื่นตลอดคะจะมีวิธีแก้ไขไหมคะขอบคุณค่ะก็เวลาได้ยินคําพูดใครแล้วพอเราไม่สบายใจเราก็พูดโอพูดโ ถ, ดถไปอย่าไปสนใจกับคำพูดอของเขาคำถามต่อไปจากคุณสิริแอนถ้าหาวัดเงียบสงบที่จะไปปลีกวิเวกภาว น, นานานเป็นเดือนๆไม่ได้ เลือกเป็นรีสอร์ทเล็กๆสงบๆงบต่างจังหวัดแทนโดยมีข้อตกลงกับทางรีสอร์ทให้ส่งอาหารให้เพียงมื้อเดียวและห้ามรบกวนเราตลอดการเข้าพักแบบนี้สมควรทำไหมคะอลองดูเลยลองทำดูอันนี้มนไม่ไม่ทำก็ไม่รู้ความคิดของเราความเป็นจริงมันไม่รจะตองกันหรือเปล่าคำถามต่อไปจากคุณคงเดช ทำไมคนที่ปฏิบัตินอกตำรามักจะเกิดเรื่องเฮงเฮงเช่นคาถาเงินล้านไม่มีในพระไตรปิฎกไม่น่าจะมีจริงแต่ทำไมหลายคนท่องแล้วเฮงจริงๆครับคนที่ท่อ ง, อย ง, ย ง, ยงเองยอะๆไม่เฮงเขาไม่เยอะๆไปเขาไม่มาบอกเรา่แล้วนี่เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงหรอกมันเป็นไปนไม่ได้นะ เ, เรื่องของ มันเป็นเรื่องของเหตุมันเป็นใจถึงเวลามันจะแห้งมันก็แห่งจะส่วนไม่ส่วนมันก็แห้งได้ถึงเวลามันจะสวยจะสวยมันไม่สวยมันก็สวยได้มันไม่มันไม่เกี่ยวกันเราไปคุยกันเข้ามันเองนั่นเองค่ะคุณธรมต่อไปจากคุณชัดคาวาสกิการละตัวตนหรือตัวกูของกูเป็นกิเลสอย่างหยากหรือละเอียดครับ อราโตตอนนี้ไปเดิอย่างนัละเอียดเราล้างตัวสุดท้ายหนึ่งคำถามต่อไปจากคุณพงพันธ์กราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามว่าผู้บรรลุโสดาบันแล้วนั้นมีโอกาสจะถดถอยกลับมาสู่สภาวะก่อนบรรลุโสดาบันหรือต่ํากว่านั้นไหมครับไม่กลับมาแล้วมีแต่จะขึ้นสูงไปเรื่อยเรื่อยจนถึงพระอรหันต์ถึงมริพฐาน คำถามต่อไปจากคุณสุขทุกข์อยู่ที่ใจการฝึกสติเจริญสตินั่งดูลมหายใจเข้าออกทําไมหลับตาแล้วรู้สึกว่าใจไม่สงบแต่ลืมตาแล้วรู้สึกจะจับลมได้ดีกว่าคะ่ะมันก็เป็นความจริงอย่างนั้ น, นก็ทําไปมันไม่รู้จะถามว่าทาไมทำไมบางอย่งมันต้องรู้ว่าทํำไมนะันานทำแล้วมันสงบก็ทำไปก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณมินมีผู้แนะนําให้ดูลมหายใจแบบจับลมสามฐานดูลมเคลื่อนจากที่จมูกหน้าอกแล้วไปที่ลิ้นปี๋ไปเรื่อยๆแบบนี้ถือเป็นอน า, านาปาณสติไหมคะจิตจะสามารถรวมลงได้ไหมคะถ้าดูลมเคลื่อนแบบนี้ไม่รู้นะนงแต่ว่าควรจะอยู่ที่จุดเดียวมากกว่าอยู่ที่ปลายจมูก อย่าไปเลื่อนเคลื่องลงเพราะถ้ามีการเคลื่อนไหวจิตจะไม่มีวัดสมบุได้จิตต้องเน่งอยู่จุดเดียวจออยู่จุดเดียวมันถึงสมได้คำถามต่อไปจากคุณชนะพัฒเรียนถามพระอาจารย์ครับคนเสียจลิดซิฟเฟอรฟีเนียบวกออทิสติกตั้งแต่เด็กไม่ได้ทานยาต่อเนื่องรักษาไม่สม่ำเสมอ จะแก้ได้ใหม่ครับอายุเลยวัยมากพ่อแม่สปอยเป็นเด็กสตอรอเบอรี่ในโซเชียลครับเราไปถามหมอ้วยเราไม่ได้ไปนอคำถามสุดท้ายจากคุณอมตะสอบถามปวดหลังมากๆจากการนั่งสมาธิควรแก้ไขอย่างไรบ้างครับก็ไปหามหมอเรอาวาปวดหลังไม่สบายก็ไปหามหมอ มอได้มีวิธีรักษาให้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเจ้าค่ะเเวลาก็หมดตัวเงีงแล้วสองท่านต้องขอขออภยัยดนะ้วยนะตรงนัดเลกกับนุ้ยจอยมาเข้ามาเช้าไปหน่อยเวลานย่งนิดเดียวก็ไม่ค่อยโอกาส้ากค่อยมาคุยกันนะมค่อยมาทัานทายกันก็เห็นว่าพอสมวควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดพิจารณาไปปฏิบัติเพื่ความสุบความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ